บทที่54ผลหนทางเคลื่อนกันไปยังสะดวกพอประมาณตามที่อนุชาบอกไว้แต่แรกเพราะจัดว่าเป็นโพรงรอดใต้ภูเขาขนาดเคืองและไม่มีอะไรลี้ลับนักนอกจากเมื่อกลายปากทางเข้าเข้าไปก็เริ่มต้องใช้ไฟฉายสองสัตว์และตะเกียงแบตเตอรี่ให้มองเห็นเส้นทางเดินเท่านั้นแม้แต่บริเวณที่สอบแคบมากที่สุดก็ยังสามารถเดินผ่านกันไปได้ในลักษณะเรียงสองการเดินอาจประสบความยุ่งยากบ้างเล็กน้อย ที่บางตอนจะต้องปีนตายไปตามหมู่โขดหินที่งอกสูงสู ง, สงต่ตําๆอยู่ตามพื้นถ้ำบ้างเท่านั้นกับคอยระมัดระวังงูพิษซึ่งอนุชากับนานอินทํำหน้าที่เป็นกองสํารวจเคลียร์ทางล่วงหน้าไปก่อนห่างประมาณ 4- ีหวานอกจากเปืนรุกซอมสําหรับยามจําเป็นแล้วก่อนจะผ่านเข้าปากทางมานานอินตัดเตียวไผอันข น, ขนาดเหมาะมือยาวประมาณวาเสรติดมือมาด้วยสําหรับตีงูเล็กๆในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในกรณีที่หลีก และในกรณีที่เกินความจำเป็นถึงกับจะต้องใช้ลูกปืนปืนลูกสองยิงหน้าที่ของคนเดินตามหลังเพียงแต่คอยระมัดระวังไม่ให้ศีรษะของตนเองที่เดินผ่านไประกระทบกับแง่หินงอกที่โผล่รั้งออกมาอยู่ทั่วไปเท่านั้นนอกจากสัตว์ประเภทที่เลื้อยคานแล้วก็อาจมีสัตว์สี่เท้าขนาดย่อมๆ อ, อาศัยเป็นเส้นทางผ่านหรือหลบซ่อนตัวของมันยามเมื่อเกิดภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นแลวก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินไปกว่าพวกเสือดาว ทั้นคณะเดินตามไปตามสบายไม่เล็งร้อนนักและถ้าจะเปรียบเทียบกับการเดินผ่านป่าแดงมาแล้วในบรรยากาศที่แสนจะระอุอ้าวการอาศัยเดินลอดไปในถ้าใต้ภูเขานี้จัดว่าสบายกว่ามากนั้งและมันก็เป็นสิ่งใหม่หรือแปลกสําหรับคณะเดินทางที่เคยผ่านเทือกเขาพระศิวะมาแล้วชุดนี้ดารินเงียบขรึมซึมเสื้อมอยู่เช่นนั้นแต่ก็ตามติดไปกับคณะอย่างทรหดชนิดไม่ยอมให้เป็นภาระใครต้องคอยประคับประคองหรือฉุดดึงทั้งสิ้น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 ถ้าปราศจากเข้าผู้นั้นคิดไปพทางเดินลอดท่ามไปทางดารินซ่อนน้าตาที่ซึมคลอเบ้าไว้มันเป็นความผิดของหล่อนเองความผิดที่โมชล่าใจปล่อยทิ้งเขาไว้เดียวดายแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึง่งเพราะคาดการไม่ถึงมาก่อนถ้ารู้ล่วงหน้านะวันที่หล่อนออกจากหนองน้ําแห้งวันนั้นหล่อนดึงตัวเขาเข้ากรุงเทพไปเสียด้วยกันมันจะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นโมแต่วัยศักด์ศีเอาชนะเอาเชิงเกินไปโมแต่เกรงคอรหาจากพี่ชายสองคนก็เลยต้องทุกข์ยากระทมกายอยู่เช่นนี้ ชายยันเองก็เงียบซึมไปเหมือนกันเขาคงกําลังคิดถึงเมียและลูกอ่อนที่เพิ่งเกิดเห็นหน้าลูกได้วันเดียวก็ต้องพระทิ้งมาด้วยความรักพวงยายจกเพื่อนนามิดความจริงชายยันไม่จําเป็นจะต้องมาปลอยลําบากเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้เลยแต่เขาพูนั้นก็ยอมสละแล้เช่นกันอย่างคนใจถึงตลอดเส้นทางที่มีแต่เพียงเชงิดาอนุชาและนานอินเท่านั้นที่พูดคุยหรือซักถามอะไรกันอยู่เบาๆตลอดเวลา เพราะโอกาสที่เดินจับกลุ่มกันไปใกล้ๆประมาณเกือบชั่วโมงที่งมกันไปในโพรงมืดสนิทอาศัยเพียงไฟฉายของผู้ที่ส่องนาอยู่เบื้องหน้าและพักพวกคนอื่นๆที่อาจส่องดูแนวทางผ่านไประยะระยะไปชั่วแวบว่ากลุ่มของเชษฐาชัยยานและดารินซึ่งเดินกันอยู่ตรงกลางก็รู้สึกผิดปกติบางอย่างเพราะได้ยินเสียงขยินผู้คุมอยู่หลังขบวนสุดพูดอะไรจอกแจ๊กอกแจ๊ ก, กอยู่กับพวกลูกหาบหางเสียงแสดงความตื่นรนและขบวนลูกหาบทั้ง5ครูก็หยุดชะ ง, งักจับกลุ่มกันอยู่พยายามส่องไปทางด้านหลังที่เดินกันมาแล้ว เอ๊ ه, พวกนั้นมัน ม, มีอะไรนะหยุดกันทำไมเชิดขาเอยขึ้นดังๆเชิงนักเดี๋ยวกลับไปดูจากเสียงของเขานั่นเองทำให้อนุชาและนานอินผู้นําอยู่เบื้องหน้าพลอยหยุดไปด้วยเสียงพรานชดล้องถามว่าอะไรหรือครับพี่ใหญ่ไม่รู้สิขยินมันพูดอะไรกันอยู่พวกนั้นก็ไม่รู้ลองตะโกนถามกันดูซิแต่หวังว่าคงไม่ใช่มีใครถูกงูกัดเข้านะอนุชาร้องตะโกนถามไปทางด้านหลังซึ่งท่นับจากขัวขบวนก็ห่างแค่ไม่เกินสิเมตรที่พวกลูกหากับขยินรวมกลุ่มนิ่งกันอยู่เฮ่อมีอะไรหรือขยิน นายในยชดลงมานี่หน่อยนายเจ้าอดีตนักเลงโต่ลมช่างบอกมาเสียงสันส่นๆได้ยินกันหมดทุกคนอนุชาจุ่ปากปเบาๆอย่างหัวเสียเดินสวนทางย้อนกลับมาโดยเร็วเชษฐาชายยันและดารินจึงย้อนตามมาด้วยถึงบริเวณที่พวกนั้นหยุดยืนกันเป็นกลุ่มในความมืดสลัวจากลําแสงไฟฉายของอนุชาสีหน้าของเขายิ้ไม่เป็นสุขนักเห็นตาขาวเหลือกอยู่ลอกแรกและมองย้อนกลับไปทางด้านหลังที่เดินผ่านกันมาแล้วซึ่งเป็นมุมหักคดเคี้ยวไม่อาจแลเห็นตลอดเส้นทางได้ไกลนักเนื่องจากมีมุมบัง อ, อนุชาเข้ามาถึงขยินก็ยิ้มใแญ่ๆบอกแผ่วต่ําหูขยินไม่ฟาดในชดขยินเดินหลังได้ยินเหมือนคนเดินตามหลังเรามาทุกระยะสักพักใหญ่แล้วนับตั้งแต่เราผ่านช่องโพรงแยกที่มีช่องทางตัดผ่านกันหลายๆสายนะ่ะอนุชาร้องเฟยลัน่นแทบจะเอามือตบหัวขยินด้วยความโมโหอนุธาอุทานออกมาไอ้บ้าทําเสียเส้นแล้วยังไงเวนตะไลนี่คนที่ไหนว่าจะมาเดินตามหลังเองในเมื่อเรามากันแค่นี้แต่เองก็เป็นคนเดินคุมอยู่หลังสุด สีหน้าของขยินปั้นยากที่สุดเอามือเกาหัวบนอะไรอุบอิบงุ่มงำํำอนุชาเกรงพักพวกจะฟังภาษากะ็อี่ยงไม่ทะลุปปโปร่งนะก็อธิบายทุกคนฟังพอเชศฐาชายันและดารินรู้เรื่องก็มีอาการงงประหลาดใจกันไปหมดขณะนั้นทุกคนจุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยเห็นขยินซุดตัวลงกับพื้นทำแล้วเอาหูแน่ฟังกับพื้นพักใหญ่ระหว่างนั้นทุกคนเงียบกลิบมองดูการของมันเงียบเงียบเพราะเป็นที่รู้กันดีแล้วว่า ระบบโสตสัมผัสโดยเฉพาะถ้าได้เอาหูลงแนบฟังกับแผ่นดินแบบนี้ก็ยินแม่นยำจากเสียงที่สุดไม่แต่นานอินก็ยังต้องยอมรับว่าคุณสมบัติพิเศษของมันชนินนี้ไม่มีใครเหมือนอึดใจเดียวก็ยินก็บอกมาได้เสียงกระซิบตอนนี้เราหยุดมันก็หยุดเดี๋ยวใครอย่เพิ่งเดินหรือถามอะไรให้ก็ยินฟังต่อไปอีกนิดนั่นมันเริ่มเคลื่อนอีกแล้วคราวนี้ถอยห่างออกไปห่างออกไปดูเหมันจะหลบเข้าไปตามโพรงแยกอ๋อหยุดแล้วเหลวไหล ไรสาระปอดแหกไม่เป็นเรื่องไอ้นี่อนุชาขยี้จมูกบนยังงุดเหงียดเชื่าก็จับลายน้องชายทันทีเอยแผ่วต่ำจริงจังกลางเธออย่ามองผ่านเสียเธออาจเคยร่วมเดินทางมากับขยินน้อยนะแต่พวกพี่รู้ในสมรภัทด้านสสัมผัส ข, ของมันดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันลงทุก ล, ลงทุนลงนอนเองหูแน่พื้นแบบนี้เราก็ไม่มีวันผิดหรอกแล้วพี่ใหญ่ว่ามีอะไรมาเดินตามหลังเราล่ะครับโธไอ้เปรตนี่นะมันเก่งได้สารพัดอย่างจะกลัวผีขี่ขึ้นขมองประสาทมันหลอน พลานชดพูดน้ำเสียงคุณคุณยังไม่เห็นด้วยแล้วก้็ออกเดินโดยเร็วย้อนหลังไปยังมุมโค้งที่บังตาอยู่พร้อมกับส่องไฟฉายกราบไปทั่วๆตามรูโพรงถ้าที่แยกไปหลายสาขาช่องทางบอกต่อมาว่าไม่เห็นมีอะไรแม้แต่มแมลงสักตัวดารินย้อนกายลงนั่งข้างๆขยินเอื้อมมือไปตบไหล่พยายามใช้ภาษาเกรียนแบบงูงูประปลาของหล่อนแต่อดีตนายบ้านหล่มช้างก็พอฟังรู้เรื่องขยินเจ้าบอกว่ายัางไงนะเจ้าได้ยินเสียงอะไรเดินตามหลังเจ้ามางั้นหรือ ขยินสาบานได้นายหญิงมันเดินตามหลังพวกเรามาจริงๆสาบานได้เชื่อหูขยินเถอะขยินยืนยันด้วยน้ําเสียงแหบอยู่เช่นเดิมอาการเดินของมันเป็นยังไงสัตว์ชนิดไหนสีหน้าของนายบ้านลมช่างในอดีตซึ่งมาร่วมขบวนอยู่ด้วยในครั้งนี้อีกครั้งพิพักพ่พว่วนไปหมดมันเดินสองตีนทอดระยะย่องตามหลังขยินมาแต่ฟีตีนมันไม่เบานักหรอกถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องสัตว์สอง ต, ตีนตัวโตๆขนาดขายินนี่แหละแต่ที่ลงนอนฟังกับพืชนี่มันเป็นเสียงตีนคนคน ท่านเจษฐาชัยยันและดารินอุทาออกมาเป็นเสียงเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนที่ไหนจะมาเดินตามหลังพวกเราในถ้ำนี่และเพื่ออะไรขยินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนที่ไหนมาเดินตามเราย่องฉบฉบตามหลังมาเรื่อยเราหยุดมันหยุดเราเดินมันเดินพอเราหยุดกันทั้งหมดเตรียมจะจับเสียงมันให้แน่แนมันก็แอบเข้าหลืบหินรูโพรงด้านหลังไปแล้วทุกคนมีความรู้สึกที่ไม่อาจกล่าวถูกมองหน้ากันเอง ชายยันผิวปากยาวแต่ไม่เป็นเพลงเชิดาขโมดคิว้วดาวรินสีหน้ากังวลส่วนอนุชาคงไม่ยอมเชื่อสันหัวเด็กๆอยู่เช่นนั้นไอ้เคยยินทําพิษเสียแล้วนี่ถ้าเองประสาทไม่ดีละโน่นไปเดินอยู่ข้างหน้ากับข้าโน่นข้าจะเรียกนานอินให้ลงมาคุมท้ายเองว่าแล้วอนุชาก็ชูมือขึ้นดีดนิ้วเรียกนานอินผู้พานให้เดินลงมาแล้วเล่าให้ฟังคร่าวๆนานอินมองหน้าขยายตาค้นหาแล้วตบไหล่ผักไปข้างหน้า ไปเองไปเดินข้างหน้าก็พรานชดนั่นค่าจะเดินหลังเองขยินได้ฟังดังนั้นก็ไม่พูดอะไรจำอาออกจากที่หน้าขบวนทันทีพรานครูผู้ตาก็โบกมือพยักหน้ากับทุกคนไปต่อเหอะนายนายทั้งหลายนานอินจะอยู่หลังให้และดูซิว่าจะมีอะไรมันเดินตามอย่างไอ้ขยินมันว่าอีกไหมท่านนี้นานอินเดินเข้าออกตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวต่อโดยเฉพาะอนุชาซึ่งไม่สนใจกับอะไรอีกเร่งฝีเท้า นำอยู่หน้าตามเดิมโดยมีขยินมาคู่กับเขาแทนนานอินทุกคนเคลื่อนไหวกันไปหมดเว้นเชิดท้าคนเดียวซึ่งยังยืนมองหน้านานอินอยู่จนกระทั่งคนอื่นๆห่างกันออกไปแล้วลุงอินคลับนายใหญ่นานอินตอบรับปกติธรรมดาที่สุดผิดกับอาการจริงๆังของเชิดท้าในขณะนี้ฉันว่าขยินไม่ได้โกหกหรือหูฝาดนะไอเรื่องฟังเสียงนี่ฉันเชื่อหูขยินมานานแล้ว มันแม่นยำมากมันจะต้องมีอะไรสักอย่างคอยตามเราอยู่ข้างหลังแน่ๆเดินต่อเฮนายใหญ่อะไรมันตามเดี๋ยวรู้เองระวังตัวหน่อยนะลุงอย่าประมาทถ้ายังไงแล้วให้เสียงบอกให้พวกเรารู้กันทันทีหากมันไม่ชอบมาพา ก, กลขึ้นมาพานครูผู้เท่ายิ้มเห็นเหงือกนายใหญ่ไม่ต้องห่วงนานอินรู้จักตา ก, ากเขาเหว่่่่มาตั้งแต่เกิดจนแก่ ลาสกุลอันเป็นพี่ใหญ่ของคณะตบแลอันบอบบางแต่แข็งแก่งของแกเบาๆบาและพระเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อนและน้องสาวทิ้งแกไว้ให้อยู่เบื้องหลังทำหน้าที่แทนขยินการเดินในถ้ำเริ่มต่อไปไม่มีอะไรกระโตกกระตากแต่ทั้งเชิฐาชัยยันและดารินหันมองด้านหลังบ่อยอครั้งจับสังเกตนานอินอยู่แทบตลอดเวลาเห็นแกเดินเดินหยุดหยุด เหมือนจะพยายามสำเนียกอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อรับโคมเหลี่ยมมุงซึ่งไม่อาจมองย้อนหลังทางเดินเก่าไปได้ไกลบ้างขณะแกจะหยุดยืนนิ่งๆสักพักแล้วก็ใช้ไฟดูทางด้านหลังเป็นระยะๆไปส่วนพรานชดกับขหินคงนำเลี้วๆไปเบื้องหน้าโดยไม่หันกลับมาเลยสังหอนอะไรบางอย่างโดยมิฉะนั้นก็จากความรอบคอบของเชิดถาทําให้เขาเดินจับหมู่ไปกับเพื่อนและน้องสาวได้พักใหญ่ ก็ทอดระยะห่างผ่อนฝีเท้าลงกระใหใชายยันกับดารินตามหลังอนุชาส่วนตนชะลอฝีเท้าให้กลุ่มลูกหาบทั้งห้าคู่ผ่านพ้นทวงเวลาคอยนานอินอยู่ด้านหลังจนกระทั่งนันอินผู้เดินอยู่ชา้าชทิ้งห่างหลังพวกลูกหาบออกไปมากเดินเข้ามาถึงแกไม่ได้หยุดแต่แตะแขนเจ้านายใหญ่ให้เดินไปด้วยกันในเงาสลนะัวนั้นเชษฐาจ้องหน้าแกขมิง้งเยินหูไม่ได้ฟาดใช่ไหมลุงอินเขากระซิบเบาที่สุด ในายใหญ่อย่าพึ่งกระโตกกตาอะไรไปนะนานอินยังไม่อยากจะให้ใครรู้ยกเว้นจากนายชดคนเดียวเท่านั้นจงกว่าพวกเราจะพ้นเส้นทางในถน้ำนิเสก่อนครานท่าผู้คร่ำบอดมาตลอดชีวิตของแกซึ่งจัดเป็นมือชั้นบรมครูผู้อเวโสที่สุดในบรรดาพรานป่าทั้งหลายรุ่นเดียวกับนานไพรอาจารย์ของระพินผู้ล่วงลับไปแล้วกระซิบแผ่วเช่นกันพอได้ยินสองต่อสองรับรองฉันจะยังไม่บอกใครหรอก พานชดรอบครอบที่สุดแล้วที่ให้ไอคยินคุมหลังพวกลูกหะขณะที่เรามุดถ้านี่เพราะมันรับสัญญาณภัยได้ดีที่สุดถ้าให้มือดีๆไปเดินข้างหน้ากันหมดปล่อยพวกลูกหบทิ้งท้ายไปตามหลังตามลำพังนานอินว่าถ้ามันจะไม่ชอบกลหมายความว่าใช่แล้วในใหญ่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเดินด้วยสองตีนย่องตามหลังขบวนพวกเรามาจริงๆยังมีเลขผลลึกลับพิลึก มีเลอุบายยิ่งกว่เสือสิอีกเพราะมันเว้นระยะตามมาห่างๆและจะไม่ยอมให้อยู่ในแนวซึ่งเราจะฉายไฟย้อนหลังไปเห็นแต่ถ้าเราหยุดสังเกตมันก็จะหยุดตามถ้าถอยหลังไปคอยดักดูมันก็จะเบี่ยงหลบผ้าซอกโพรงที่มันอยู่เต็มไปหมดสองข้างทางนานอินท่วงเวลาดักมันอยู่หลายครั้งแล้วแต่มันก็ฉลาดมากไม่ยอมโผล่ให้เห็นเลยแม้แต่งเงามันซ่อนตัวของมันได้แต่มันซ่อนเสียงฝีตีนมันไม่ได้แม้จะพยายามให้เบาที่สุดเชษฐาลืมตาโพรงอึ้งไปครู่ เขาจะหยุดแต่นานอินจับแขนให้เดินช้าๆคู่ไปกับแกตามเดิมกระซิบ ต, ต่อหมอว่าอย่าหยุดนายมาเดินเรื่อยๆไปตามธรรมดาอย่างนี้แหละนานอินแน่ใจว่ามันยังไม่เข้าใกล้ชิดเรานักหรอกเอแปลกมากมันอะไรกันแน่พอบอกได้ไหมแกสันชิษะช้าๆนานอินก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่สังเกตุจากการกดตามหลังของเราฉลาดก็สัตว์มากคนใครจะบอกได้นอกจากมองเห็นเสียก่อนแต่ลักษณะการเดินของมันน่าจะเป็นคน แล้วมีใครที่ไหนในถ้า น, นี่ตั้งแต่เราผ่านทางเข้ามาหรืว่าจะเป็นคนป่าเผ่าใดเผ่าหนึ่งพยายามตามหลังเราเข้ามาเราน่าจะมองเห็นแล้วตั้งแต่เดินกันมาในป่าแดงนี่ก็เห็นอยู่ว่ามีแต่พวกเราล้วน ล, วนลวนสัตว์เล็กๆ็กสักตัวยังมองไม่เห็นนั่นสินายใหญ่มันเป็นเรื่องน่าคิดนั้นอินก็กําลังคิดอยู่ขณะนี้นายใหญ่ไปรวมกลุ่มกับพรรพวกเสเถ่์ปล่อยนั้นอินคนเดียวดีกว่ารับรองว่าเกิดอะไรขึ้นจะยังไม่ถึงตัวเจ้านายและลูกหาบหรอกนั้นอินจะรับหน้ามันไว้เอง เชิดขาตับจับต้นแขนขอ ง, งนันอินบีบแน่นสองคนู่กับคนเดียวนัะหลงอินตอนนี้จะทํายังไงถึงให้ในชดขอ ง, งนันอินรู้ได้ละ่ะยังไม่จําเป็นต้องให้ในชุดรู้เสียตอนนี้หรอกเราเดินกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราจะทอดระยะห่างจากพวกนั้นเดินดักมันไว้แต่มันรู้ระเกินเราหยุดครั้งไหไรมันก็หยุดตามทุกทีไม่ยอมเดินโผล่พ้นมุมออกมาให้เห็นพี่ชายใหญ่ของคณะเริ่มอับอึดใจครั้งแรกได้รับทราบข่าวจากขยินเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์เชื่อครึ้นไม่เชื่อครึง่ง อาจเป็นไปได้ที่ความตาแหกในเรื่องผู้ผีปีศาจ ท, ทำให้กคยินหูฝาดฟัน่นเฟือนไปแต่พอหนานอินมารับหน้าที่เดินหลังคอยจับสังเกตและบอกข้อความตรงกันอีกเช่นนี้ก็ไ ม, ม่มีอะไรจะคลางแคลงใจอีกสำหรับเขาไหนลุงว่าเคยอาศัยเส้นทางในถ้ำนี้เดินผ่านเข้าออกเสมอเคยพบอะไรผิดปกติอย่างนี้บ้างหรือเปล่านานอินเคี้ยวหมากยำยั บ, ย บ, ยบอยู่ในปากสังเกตท่าทีแกป ร, ราชญ์อยู่ไม่ชน้อยเหมือนกันจะไม่วิตกกังวลอะไรนะ ความจริงถ้ำนี่เป็นถ้ำไม่ลี้ลับอะไรนะถ้ารู้จักระวังโูใ้ใครก็เดินผ่านเข้าออกสบายสำหรับตัดทางลัดไปโป่งน้ำร้อนแกบอกเนิบเนิบนานอินใช้ทางนี้เหมือนเส้นทางด่านธรรมดามานานสารแสนานานแต่คราวนี้มันมีอะไรแปลกแปลกไปดันมามีอะไรก็ไม่รู้ย่องตามหลังเรามาเท่าที่ฟังจากเสียงตัวเดียวหรือกี่ตัวแทนคาตอบนาะนอินยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วให้เชิ้าเห็นจดทาหรือเปล่า เชษฐาพยายามถามให้เข้ากับบรรยากาศความเชื่อถือของพรานชราแกสันหัวเจ้าถ้าไม่มาเดินตามหลังเราให้เสียเวลาเราเคลื่อนไหวทําอะไรในถ้ำภูมิเทพอันเป็นเจ้าถ้าจะต้องรู้เห็นหมดไม่ใช่มาย่องตามหลังอย่างนี้หรอกอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาในนี้นานอินก็ขอทางเบิกถ้าไว้ก่อนแล้วที่เดินตามเราอยู่นี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าถา้ำเจ้าเขาหรอกแต่มันเป็นอะไรนานอินบอกไม่ถูกจริงๆอาการเคลื่อนไหวเหมือนคนแต่ถ้าคน ก็ให้เป็นคนที่ประสงค์ร้ายต่อเราขนาดไห น, นมันจะไม่มีอาการลึกลับได้เหมือนอย่างผีเนี่ยอย่างนี้แต่นายใหญ่ไม่ต้องห่วงตราบใดที่นานอินยังระวังหลังให้อย่างนี้มันจะยังไม่โผล่ออกมาลรอกนอกจากคอยตามอยู่เรื่อยๆเท่านั้นอาจคอยเล่นงานพวกลูกหาหรือคนเดินหลังสุดที่มันเห็นว่าทําได้สะดวกหรือมีเช่นั้นก็ตามดูเฉยๆโชคดีมากที่ไอ้ขยินมันรู้ตัวเสียก่อนไม่งั้นป่านนี้ฉันกลับมาเราอาจมองไม่เห็นขยินเสียแล้วก็ได้มันอาจหายไปเฉยๆไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ลาสกุลหนุ่มใหญ่การลิ้นฟิปากแน่นมองไปด้านหน้าเห็นพรกพวกเดินหาออกไปเป็นปกติแล้วบอกกับนานอินว่าถ้างั้นเราเดินย้อนเส้นทางกันเถอะลองตามมันดูบ้างเอาแต่ระยะสั้นๆก็นแต่ฉันแน่ใจว่าพื้นที่ที่เราเดินกันมาไม่ใช่จะเป็นหินแข็งตลอดบางตอนเป็นดินร่วนซวยเราอาจเห็นรอยตีนมันบ้างก็ได้นานอินสันจิสะยังไม่เห็นด้วยพูดออมเสียงอยู่ในอาการเดิมอย่าไปใส่ใจอะไรมนันนะก่อนเลยนายใหญ่เดินไปเรื่อยๆดีกว่า ถ้าเราสอนสองคนย้อนไปดูหลังมันพวกนั้นหันมาไม่เห็นเราจะเกิดสงสัยแล้วก็จะชะ ง, งักมากันย้อนตามมาเรากลับกั น, กนหมดทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆนานอินรับประกันท้านันอินยังเดินคุมหลังอยู่อย่างนี้ยังไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นหรอกแล้วแกก็บุยปากไปทั้งหน้าด้านหน้าที่เห็นพรรคพวกคลื่อนขบวนจับกลุ่มกันเป็นเงาตะคุ่มสลับกับแสงสว่างวับแแบบของไฟสองทางอีกสักกระเดียวเราจะโผล่ออกทางปากทางฝั่งขา น, นูน แล้วก่อนออกจะเป็นทางกว้างสายตรงยาวมากและดูซิว่าถ้าพวกเราทุกคนอยู่บนทางสายตรงไม่มีเหลี่ยมมุมบังแล้วมันจะกล้าเดินตามหลังอีกไหมครูพรานพูดเท่ารอบข้อพอใช้ทีเดียวและเป็นหลักประกันที่อุ่นใจได้พอสมควรกับคณะเมื่อแกทวงมาเช่นนั้นเชิดถาก็จำต้องรับฟังระหว่างที่เดินเคียงกันเป็นเงี ย, งยบๆ ช, ชา้าๆเหมือนจะหน่วงเวลาเพื่อคอยสดับเสียงนั้นเขาใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านเต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงรูฟี่แววอะไรของสิ่งที่ตามหลังดังเช่นที่เคยินและหนานอินบอกไว้ทั้งสิ้นจนตัวเองก็ชักลังเลเหมือนกันลุงฟังให้ดีสิและบอกหน่อยว่าตอนนี้มันยังตามหลังเรามาอีกหรือเปล่าในที่สุดก็ประสิบถามขึ้นอีกเพราะอ่านความรู้สึกของหนานอินไม่ออกเอาเลยมันยังตามเรามานายใหญ่แต่ทิ้งระยะห่างออกไปมากทีเดียวไม่กระชั้นเหมือนตอนแรกแล้วคล้ายๆจะรู้ว่าเราคอยดักมันอยู่เหมือนกัน ให้ตายเหอะฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยลุงแกกว่าฉันตั้งแยะทำไมประสาทหูดีกว่าฉันมากอย่างนี้หูนานอินก็เหมือนเหมือนหูคนแกท่ทั่วๆไปแลนายใหญ่บางทีเสียงธรรมดาก็ฟังไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเสียงผิดธรรมชาติในดงเสียงของอันตรายจักตา่านานอินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงได้ยินเอาหูฟังอย่างเดียวไม่ได้หรอกนายต้องเอาใจฟังด้วยก็ไม่รู้จะบอกให้นายฟังเข้าใจได้ยังไงเหมือนกัน เทสะเข้าใจได้ดีที่สุดในสิ่งที่หนานอินพยายามจะอธิบายลาวโซ่งอย่างแกผู้ห่างไกลาจากภาษาพูดของชาวเมืองเนื่องสือไทยสักตัวก็อ่านไม่ออกผู้ไทยเขาฟังได้พอรู้เรื่องถึงขนาดนี้ก็ต้องนับว่าแกเก่งที่สุดแล้วเจตนาที่แกะจะอธิบายให้เขาฟังก็คือไม่ได้ใช้ประสาทหูอย่างเดียวจะใช้ประสาทสัมผัสพิเศษอย่างที่เรียกกันว่า s ิ x sense หรือประสาทส่วนที่6ซึ่งเรื่องชนิดนี้การเคยเดินป่ากับประพินและแง่ทรายมาก่อน ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าพรานชั้นเยี่ยมจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษประเภทนี้ทุกคนเพียงแต่เจ้าตัวจะอ ธ, ธิบายให้แก่ใครที่ผ่านประสบการณ์มาเช่นเดียวกับตนฟังไม่ได้เท่านั้นอย่าว่าแตนานอินหรือเคยินเลยต่ให้เราพินเองในยุคนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมเยี่ยงพรานป่าพื้นเมืองและเยี่ยงคนที่เคยผ่านการศึกษาชั้นดีมาแล้วก็ยังไม่สามารถอธิบายให้เขาหรือบุคคลอื่นก็จ่างแจ้งชัดได้คุณสมบัติชนิดนี้จึงจัดอยู่ใน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 เขาบอกกับตนเองเช่นนั้นทว่าก็ไม่ได้มองผ่านหรือล้าความสนใจไปเสียเลยเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในใจเงียบๆ เ, เท่านั้นและไม่จําเป็นจะต้องบอกเตือนอะไรแกนานอินในข้อนี้เพราะรู้มือพผานชั้นครูอย่างนานอินดีอยู่แล้วแ่คงไม่มองข้ามหรือประมาทเช่นเดียวกับเข้าแน่จะอย่างไรก็ตามในการลงมาเดินคู่กับพรานเท่าอยู่ขณะนี้เขาไม่ได้วีแววอะไรเลยทั้งสิน้นทั้งๆที่เคยภูมิใจเช่นนักหนาวะ่ะ มือขนาดผานเทือกพัสติวะมาแล้วอย่างตนย่อมเทียบชั้นเหนือกว่าผานอาชีพในระดับทั่ ว, วไปมากนะประสาทหูก็ไม่ไดรเลวไปกว่าคนอื่นจำอย่างคอยเงี่ยสดับจับฟังจับเสียงอยู่เช่นนี้ก็ยังไม่อาจสัมผัสเพียงใดได้เลยนอกจากเสียงเคลื่อนไหวไปเป็นขบวนของพรกพวกเบื้องหน้าเท่านั้นชั่วไม่นานต่อมาเมื่อล่วงเข้าปลายชั่วโมงที่สองนับตั้งแต่มุดถ้ำกันมาเส้นทางก็เป็นจริงอย่างที่นานอินบอกเขาไว้เมื่อตะกี้คือขยายใหญ่กว้างขวางขึ้น เพดานด้านบนสูงขึ้นไปอากาศปโปรง่งมีลมพัด ส, สวนมาจากเบื้องหน้าและมองเห็นแสงสว่างปรากฏอยู่ห่างออกไปไม่เกินร้อยเมตรเส้นทางนำสู่ปากทางออกนี้เป็นเส้นตรงยาวเหยียดมองหน้ามองหลังไปได้ในระยะไกลเห็นไม่นายเพราะเราเข้าเส้นตรงปากทางออกมันก็หยุดตามแล้วครูฟราสกิทบอกเขาทั้งขบวนโผล่กันออกมาเฉลี่ยเงเขาขนาดย่อมย่อมลูกหนึ่ง อันเป็นทิวของเทือกเขาที่มองเห็นยอดสูงสู ง, สงต่ำต่ำเรากับกำแพงแบ่งชั้นอนาเขตขณะนั้น16นเศษเท่านั้นลักษณะของปาโปรงและปลาหินรอบด้านอันปราศจากความพุและฝั่งที่โผลออกมาเป็นซีกตะวันตกเฉียงเหนือจึงมองเห็นแสงแดดสายยันอารามเจอจ้าอีกนานพอสมควรที่เดีอกว่าจะหมดแสงทุกคนออกมาสูดลมหายใจอากาศบริสุทธ และพักรอคอยนานอีนกับเชิท้าผู้ตามมาทางเบื้องหลังซึ่งกเว้นระยะตันเพียงไม่เกินสามสีนาทีเท่านั้นอนุชาผู้ทำหน้าที่เป็นมรุเทศนำหน้าคงไม่แสดงอาการสนใจกับการเดินตัดถ้ำลอดใต้เขาที่ผ่านออกและโยงยกอยู่เช่นนั้นยืนพิงก้อนหินสุกหลีเป็นตัวแรกในอาการพักขาตามองต่ำเพื่อสรวจต่อไปด้านล่าง ขยินก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้มาเดินนําหน้าคู่กับพรานชดดูมันจะโปร่งโร่งใจขึ้นมาและลืมเรื่องที่มีอะไรตามหลังที่มันสำเนียกเป็นคนแรกเสียหมดติ้นตามประษาคนไม่คิดอะไรไกลอย่างมันก็คงมีแต่ชายยันกับดารินเท่านั้นที่ภายหลังเมื่อออกมานั่งพักรอพี่ชายกับนานอินอยู่นอกปากทางแล้วพอทั้งสองโปรออกมาสมทุกต่างก็มองมาเป็นตาเดียวเหมือนจะซักถามอะไรซึ่งเชษฐาเข้าใจดี พี่ชายใหญ่ของคณะวางสีหน้าปกติมองสำรวจภูมิประเทศที่โผล่กันออกมาอย่างคนละเอียดขณะนั้นเสียงครานชดน้องชายก็ร้องออกมาจากจุดที่เขายืนอยู่ว่าเดินลงไปอีกไม่เกิน20นาทีเราจะวางแคมป์ได้แล้วครับเราเข้าถึงโป่งน้ำร้อนเร็วกว่าที่ได้กะไว้เสีอีกจะเดินต่อกันเดี๋ยวนี้เลยหรือจะพักขากันก่อนเดินต่อเลยเธอให้ขยินนาพวกนั้นลงไปก่อนได้และตัวเธอมานี่เดียวเชิดถา้องตอบออกไปเรียบ อนุชาหันไปสั่งความอะไรกับขยินอึดใจเดียวก็เรียงใหญ่แหงหลมช้างก็ต้อนพวกลูกหาบไต่เนินอันอุดมไปด้วยโขถินเหล่านะั้นลงไปสู่ไหล่เขาทางด้านที่มองเห็นอยู่ตัวเขาเองเดินพรไลเปื่อซึ่งจัดการแลกคืนกับพวกพรานลูกหาเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่โผล่ออกนอกถ้ำเดินตรงเข้ามาหาพี่น้องและเพื่อนที่จับกลุ่มคอยกันอยู่ตำแหน่งนั้นจึงมีเพียงเชษฐาชายันดารินและนานอินกับอนุชาที่เพิ่งเข้ามาสมทบ มีอะไรหรือครับพี่ใหญ่พอถึงก็ถามง่ายๆอย่างคนลวกๆหยับๆไม่อินังขังข อ, งขอบถีท้วนอะไรนะตามนิสัยเข้าใจว่าหนานอินคงจะมีอะไรบอกเธอถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เธอควรรู้แต่ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่สําคัญก็แล้วไปผมพูดเป็นนายแก่เรียปราบของพี่ชายใหญ่ทําให้อนุชาหันขวับไปมองพรานคู่ใจทันทีเท่าๆกับที่ชายยันกับดารินผู้สังเกตรอคอยอยู่เหมือนอยากจะถามอยู่ก่อนแล้วก็ลุกขึ้นจากก้อนหินที่นั่งพักรออยู่ทันทีเรากับนัดกันไว้ นานอึดอัก อ, อ, อ, อยู่ครู่รอบชำเรืองไปทางชายยันกับดารินแต่อนุชาบอกว่าไม่เป็นไรเราลงอินขณะนี้เราอยู่ในกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าๆกันไม่มีอะไรต้องปิดบังถ้าฉชนทายไม่ผิดอนุชาเว้นระยะนิดหนึ่งมองหน้าพี่ชายใหญ่ปากก็บอกต่ำาๆ ต, ต่อมาว่าหูขยินไม่ฝาดใช่ไตอนที่โวยวายบอกเรากลางถ้าพี่นึกว่าเธอจะมองข้ามรละเลิกสนใจเรื่องนี้เะอีก เชษาพูดระเบาๆเมื่อได้ยินประโยคหลังของน้องชายอดีตชดประชากรหัวเราะอย่างคนไม่ยี่หละกับอะไรทั้งสิน้นพี่ใหญ่น้อยเรือชัยยันอาจรู้จักผมน้อยมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอยู่ในป่าผมอาจดูเป็นคนง่ายหยาบลวกและบางทีดูเหมือนคนประมาทไร้เดียงสาผมยอมแล้วว่าผมเป็นเช่นนั้นจริงๆสมัยก่อนถ้าผมโมต่คอยคิดคอยวาดอะไรอยู่ผมก็ไม่กล้าพระนี้ออกมาจากสกุลวราริจนกลายเป็นคนสาบสูญให้พี่น้องและเพื่อนต้องออกตามหรอก และในป่าแล้วถ้าผมคอยสะดุ้งหวาดอะไรอยู่ประสาทกินตายเสียแต่ตอนนั้นแล้วแต่อย่าคิดว่าผมจะมองข้ามแม้แต่มดสักตัวหนึ่งเพียงแต่จะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นคนที่รู้จักผมดีที่สุดไม่ใช่พี่น้องหรือเพื่อนหรอกคนคนนี้หนานอินเขาตกไปบนไหลของเพื่อนชราคู่ชีพจากแลนและถามอย่างไม่มีพิธีรีตองว่ามีอะไรตามหลังเราไม่รู้สินายชดแต่มันตามหลังเรามาจริงๆ เพิ่งจะมาเลิกลาตรงทางสายตรงที่จะผอกอมาปากถ้าฝั่งนี้แหละครูพานบอกได้การที่เปรียบปกติของแกเช่นกันเฉยยันกับดารินก็ตื่นตัวทันทีจ้องหน้าบุคคลเรานั้นขมิง้งโดยไม่ยอมปีกปากคําใดก่อนทั้งสิ้นรู้สึกว่าพี่ใหญ่จะลงไปเดินคู่หลังคู่ลวงอินไม่ใช่หรือครับใช่ก็เดินหลังคู่กับแกมาตลอดนั่นแหละตั้งแต่เห็นอาการผิดปกติของแกพี่ใหญ่รู้สึกมันอย่างที่ลวงอินบอกนี่ด้วยหรือเปล่า เธอก็รู้มือขนาดพี่จะไปทันอะไรกับประสาทของลุงอินหรือเคยินในขณะเดินตาพี่จับอะไรไม่ได้เลยแต่ลุงอินยืนยันว่ามีอะไรเดินตามหลังเรามาจริงและเกือบตลอดเส้นทางจนกระทั่งจวนโผป้นปากถ้านี่แหละพี่ชวนจะเดินย้อนหลังเพื่อตัวดูล่องรอยแต่แกห้ามไว้บอกว่าไม่จําเป็นแล้วจึงเพียงแต่เดินฟังเสียงและระวังมันอยู่เท่านั้นเห็นว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องรับรู้กันไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจบอกพยันมองหน้าดารินกระซิ์ หวังว่าคงไม่ใช่ลับพินหรือวิญญาณของเขานะดารินใจคอไม่สู้ปกตินะแต่ก็ฝืนยิ้มแครนแครนลัพินคือมิตรของเราทุกคนไม่ว่าจะร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อวิญญาณหรือแม้จะเหลือเฉพาะวิญญาณอย่างเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไม่ทําอะไรให้มีเลนสนายส่อไปในทางที่ไม่สู้จะดีนะักสําหรับคณะเราแบบนั้นแน่ทางนั้นมันคืออะไรคนที่บอกได้ดีที่สุดขณะนี้ก็คือลุงอินดารินและชา ย, ยันกระซิบกระซาบกันอยู่เช่นเดิม นานอินอธิบายให้พรานชดทราบถึงลักษณะสภาพการเดินตามเท่าที่แกสมเนียกเสียงได้ตลอดจนอาการอันซ่อนเนร้นลีลักระยะที่จับได้แน่ชัดที่สุดมักจะเป็นบริเวณที่หักเลี้ยวมุมค้ดสอของทางเดินในถ้ำและมีช่องทางโพรงแยกสองฝั่งอันเป็นที่แฝงตัวซ่อนเร้นได้อาการเหยียบย่ามาตามพื้นไม่เบานะเสียงดังตึบตึบแสดงถึงน้าหนักค่อนข้างมาก จะเรียกว่าย่องก็ไม่เชิงเพราะรู้จักการใช้ปลายเท้าจะจะรวดเร็วฉับไวมากหากเดินย้อนกลับและฉายไฟดูเพราะสามารถหลบไม่ให้เห็นตัวได้ยังฉับพลันทันทีตลอดจนคะนนระยะถูกด้วยว่าควรจะตามมาในระยะทีห่างโดยภูมิประเทศลักษณะไหนจึงจะไม่สามารถมองย้อนหลังไปเห็นตัวได้สรุปก็คือไม่ได้เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงใช่ในชด ไม่บอกให้รู้เซตแต่แรกนี่จะได้ย้อนกลับไปดูอย่างน้อยเสียงเดินหนักๆของมันควรจะต้องปรากฏร่องรอยเท้าอะไรบ้างตรงบริเวณที่เป็นดินอ่อนในถ้ำเรื่องลูกหับน่าไม่ต้องกลัวเสียเวลาหรอกเพราะให้ขยินพาเดินล่วงหน้าออกมาคอยทางนี้ก่อนได้อนุชาว่าพลังลีตามองย้อนกลับไปในเวงของโพรงถ้ำพี่ว่านานอินแนะนําพี่ไว้ก่อนถูกต้องแล้วคือยังไม่ให้กระโตกระตากอะไรออกไปจนกว่าเราจะพลุ่งถ้ำออกมาแล้ว สมมติว่าฝ่ายเราต้งหมดย้อนทางตรวจหารอยมันทางด้านหลังโดยปล่อยให้ขยินนาพวกลูกหาบเดินไปข้างหน้าตามลาพังซึ่งมีอะไรรับประกันได้ว่ามันจะไม่ไปดักคอยขยินกับพวกนั้นอยู่ข้างหน้าซึ่งจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอเดินนําหน้ามาพร้อมขยินส่วนพี่คุมหลังอยู่กับลงอินถูกต้องแล้วอนุชาเอามือเก่าไทยถอยและมองไปทางหนานอินพูดสงบเราสองคนเคยเดินผ่านเข้าออกในถ้านี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่รู้ ลุงสมัยก่อนไม่เห็นมีอะไรสักอย่างนอกจากงูเขาพูดเปรยเหมือนจะบ่นกับตัวเองบังเอิญฉันไม่ได้เดินหลังเสียด้วยจะสอบถามทางนายใหญ่เขาก็ไม่ได้ยินเหมือนที่ลุงได้ยินเพราะฉะนั้นลุงนั่นแหละจะบอกให้แน่ๆสิสัตว์ชนิดไหนหรือคนจะเป็นไปได้ไหมเป็นต้นว่าลิงใหญ่หรือหมีควายครูพานมีสีหน้ายุ่งยากใจต่อคําถามเพื่อจะให้แก่สรุปในคําตอบที่แน่นอนนั้นไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดในชดแล้วก็ไม่ใช่คนด้วยแม้จะเดินเหมือนคน เพราะถ้าคนธรรมดาจะต้องรู้จักย่องที่ก็อย่างที่บอกเลย ว, ว่าเวลามันเดินมันเดินเสียงฉบฉบเหมือนตุ๊กตาไขหลานแต่ก็ฉลาดมากและทันเราทุกอย่างเหมือนจะอ่านใจออกเราหยุดฟังมันหยุดเดินเราย้อนรอยมันถอยหลบเราเดินต่อมันเดินตามพอชะลอจะให้มันเดินทนันมันก็เว้นช่องว่างห่างออกไปอีกนานอินพูดห้วนห้วนสั้นๆ้นแต่ก็ฟังแล้วทุกคนเข้าใจสภาพที่กระจับรหัสนั้นได้เป็นอย่างดีที่สุดเอาว่าผีหลอกในระหว่าง เราอยู่ในถ้ำก็แล้วกันแล้วก็เจตนาจะหลอกเฉพาะคนที่เดินหลังอนุชาสรุปให้ง่ายๆแต่ประกายบางอย่างบางสิ่งในแววต่างของเขาที่มองเข้าไปในถ้ำไม่ได้มีความหมายเพียงง่ายๆแค่ประโยคที่พูดนั้นเอ่ยต่อมาว่าตอนนี้เราก็ออกมาพ้นถ้ำแล้วทุกคนเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นพับเรื่องนี้ไว้เป็นการบ้านก่อนถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเฉพาะขณะที่เราอยู่ในถ้าก็ลืมมันไปเสียตแต่ถ้ายังไม่มีอะไร ลักษณะคล้ายๆกันอีกในทางหนทางข้างหน้าค่อยว่ามันหม่ทุกคนเคยผ่านปาอาถรนลึกลับแถบนี้มามากกว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้อย่ากเก็บมากังวลให้เสียหัวคิดอย่าประมาทมองข้ามเสนะคะพี่กลางดาลิงเงียบอยู่นานเริ่มเอ่ยเสียงเคร่งครึมก็ไม่ประมาทหรือมองข้ามเสหรอกถ้าน้อยไม่เชื่อมือพี่ก็เชื่อมือนานอินได้ลงถ้ามีลงร่วมมาด้วยแบบนี้ทุกคนสบายใจสเสเถอะไป เราอาจเสียเวลาค้นหาที่พักแรมของรพินที่ป่าปรงน้าร้อนอีกนิดหน่อยและนั่นเป็นปัญหาสําคัญถ้าค้นไม่พบมันจะทําให้เราไม่แน่ใจว่าเราคํานวณทิศทางการเดินของเขาถูกหรือเปล่าไม่กล่าวอะไรมากอีกอดีตฟรานจดกอดค อ, อนานอินเดินลงเนินปากถ้าตามหลังพวกลูกหาที่เห็นห่างลงไปทุกทีโดยไม่สนใจกับพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังอีกเชิดขาจิงสกิดแขนน้องสาวกับชา ย, ยันให้ออกเดินตามบอกอย่างอารมณ์ขันว่าไป ตามพรานใหญ่เข้าไปเถอะเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เราฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเขาให้ตายเถอะฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อในกลางเสี้ยใหม่จริงๆให้ดูเหมาะสมกับมาสของเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรละพันไพลวินยังไงละ่ะนี่แหละพรานใหญ่คนที่สองไม่ด้อยไปกว่าละพินไพล์วันพราะพยายามจะทําท่าให้เหมือนแต่ดูให้ตายยังไงก็ห่างไ ก, กลกันลิบจริงไม่น้อย ดารินมองดารินมองตามหลังพี่ชายกลางไปยังเขเมเขเม่นนิดๆเรนมีความรู้สึกคล้ายๆชายยันเช่นกันใช่ทาทางของพี่กางเขาเท่ไม่หยอกหรอกแต่ถ้าเขามีอะไรเหมือนเราพินบ้างไม่ต้องมากหรอกเอาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็คงไม่ติดเงกีกอยู่ในคูกของมรกรกนครจนเรพินกับพวกเราต้องไปลากตัวกลับออกมาหรอกสองคนนี่รวมหัวกันได้ดีแล้วเหลอพี่ชายใหญ่ทำเสียงดุมาเบาๆอย่าไปนินทาอะไรพี่เขา ถ้าไม่ได้กลางแล้วไม่มีทางจะออกเดินทางมาทางนี้ด้วยความมั่นใจถึงขนาดนี้หรอกน้องสาวเล็กเงียบสังเกตเห็นได้ชัดว่าจากสายตาของพี่ชายใหญ่ว่าการออกเดินทางมาครั้งนี้ดารินผิดไปกับดารินคนก่อนชนิดคนละคนไม่ช่างพูดต่อแยไม่ปากมากตรงข้ามกับมักเงียบขึมและมักกล้าชนิดบ้าดีเดือดเกินคาดลงมาถึงเส้นทางบนไหล่เขาอันเป็นทางโล่งกว้างใหญ่เรากบใครมาตัดทางสำรองไว้ อนุชาซึ่งหยุดรอคอยอยู่ก่อนแล้วก็ชี้มือไปอยังเส้นทางด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านตรงข้ามที่พวกลูกหาบและขยินกําลังเดินกันลงไปเห็นหลังวัยวัยระพินกับพวกนั้นจะต้องเดินลงมาตามเส้นทางนี้แหละภายหลังจะผ่านบริเวณเส้นทางอันตรายบนไหล่เขาสูงที่ผมบอกไว้แล้วทุกคนมองตามการชี้บอกของเขาจากจุดอันตรายที่เธอว่ากับที่เราลงมายืนอยู่นี่ถ้าจะเดินสวนย้อนขึ้นไปห่างสักเท่าไหร่ ผมว่าไม่เกินสามกิโลกระมังเส้นทางกะยากแต่ถ้าเดินก็กินเวลาราวครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีใครอยากจะเดินย้อนขึ้นไปดูบริเวณ น, นั้นกับผมบ้างจะได้เห็นกับตาว่ามันเป็นทางมินเมขนาดไหนเวลาเรายังมีเหลือเฟือปล่อยให้ขยินกับพวกนั้นไปตั้งแคมป์รอคอยก่อนก็ได้เช็ดถาโบกมือเสียเวลาไม่มีประโยชน์ลงจุดที่พักละคนหาตำแหน่งที่เขาหยุดพักแรมเถอะคณะห้าคนที่เพิ่งลงมา ถึงทางลาดลงเขานั้นเดินตามพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนเพียงแค่15นาทีหลังนั้นก็ถึงพื้นที่ลาบในระหว่างป่าหินและขยินที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ตะโกนโบกเวกโบกมือเรียกอยู่ย่อยๆบอกให้สาว พ, พบตำแหน่งที่พักแรมและบริเวณก่อกองไฟแรมคืนต่อจนหุงหาอาหารของละพินแล้วซึ่งแม่นยำที่สุดตามการคาดหมายของอนุชาทุกอย่างทุกคนเล่นฝีเท้าทันทีที่ได้รับการตะโกนบอกเช่นนั้น พวกลูกหาปรงของและพักกันอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วทันทีที่ฝ่ายเชศฐามาถึงก็มองเห็นหลักฐานกองไฟที่ก่อไว้ขนาดใหญ่ในชัยภูมิอันแวดล้อมไปด้วยนอหินตลอดจนหลักฐานร่องรอยการพักแหลมชนิดไม่มีอะไรจะต้องเครือบแคลงสงสัยจารินสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยหลอนจ้องที่สรากกองไฟและบริเวณอันเป็นที่พักนอนตลอดจนภูมิประเทศแวดลอ้อมส่วนชัยยันยิ้มพรายตบไหลอนุชา แม่นยำมากกลางในเข้าเป้าหมายได้ตรงเป๊ะเลยพรานชดไม่เอาใจใส่กับอาการชมเชยของเพื่อนบอกแต่เพียงว่าไอ้การจะตามตามรอันไปทุกระยะนะมันไม่ลำบากหรอกชัยแดนคนตั้งยี่สิบคนยกขบวนเป็นคารวาลใหญ่บายหน้าไปทางไหนใครๆก็พอตามได้ถ้าเคยเดินป่ามาบ้างไอ้ฉันยังหนักใจอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องการตามให้เห็นร่องรอยแต่มาอยู่ที่ว่า ทำยังไงถึงจะตามให้ทันต่างหากเพราะถ้าทัานได้เร็วเท่าไหร่เราก็มีหวังได้ตัวระพินคืนเร็วเท่านั้นก่อนที่อะไรที่เราคิดระแวงไว้จะสายเกินแก้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใช้วิธีแบบ ก, ก้าวสกัดก็อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมากหากใครใจก็ผิดแค่ตามรอยแบบนี้มันก็ตามไปเรื่อยๆนั่นแหละรับรองได้ว่าพบแหล่งที่เคยหยุดพักของเขาทุกครั้งเป็นระยะระยะไปทีเดียวแหล่งน้ําหรือที่เรียกว่าโป่งน้ําร้อนอยู่ไหนเทศดาถาม กะโดดขึ้นไปยืนบนยอดหินเตี้ยๆลูกกว่าตามองไปรอบๆเท่าที่รัศมีสายตาจะมองไปได้ข่างจากนี่ไปทางโน้นอีกนิดเดียวครับไม่เกินห้าสิบเมตรในแวดล้อมของป่าหินแบบนี้แหละทำไมเขาถึงมาเลือกวางแคมป์ตรงนี้คะพี่กลางทำไมไม่อยู่ให้ชิดแหล่งน้ำนั่นเสียเลยดารินถามทุกครั้งที่เห็นร่องรอยของระพินหลอนมีความรู้สึกตื่นเต้นน้อนกันขึ้นสองกรณีพร้อมกันคือทั้งดีใจเท่าๆกับการใจหาย ที่ดีใจก็คือแม้ไม่ได้เห็นตัวเห็นแต่ร่องรอยครั้งล่าสุดก็นับว่าทื่นใจและวที่ใจหายก็ด้วยความห่วงใยปริวิตกอาทรว่าป่านชนีเขาไปอยู่ที่ไหนภาวะใดเมื่ อ, อไร่ที่จะตามทันเธอว่าเธอรู้จักกระพินเข้าใจในชีวิตจิตใจของเขาได้ดีที่สุดก็ลองค้นหาคําตอบเอาเองสิในข้อที่ว่าทําไมสภาพบรรธไพรของเธอคนนั้นจึงเอาพวกในจ้างมาพักที่ตรงนี้แทนที่จะเข้าไปยึดอยู่ใกล้แหล่งน้ําอย่างที่เธอถามพี่ ล่าชุนสาวกัรลิ้นพิปากเบาๆพี่ชายกลางมากักจะมีเรื่องรวนได้ร้องเชิงประชดประชันรอนอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่อยากจะถือสาอะไรเพราะรู้นิสัยดีอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดการตัดสินใจเป็นมกุเทพที่นําทางมาในครั้งนี้ย่อมเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่สําหรับหลอนซึ่งเขาแสดงให้เห็นอยู่แล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆหลอนไม่อยากประทะคารลมด้วยเพราะอย่างน้อยน้ำใจอันดีงามของพี่ชายกลางก็มีคุณค่าเนื้อกว่ากริยาท่าทีอันของขวา ง, งของเขามากมายหลายเท่านะ เอาละน้อยจะลองทายดูผิดถูกไม่ทราบระพินเป็นสุภาพบุรุษใยอย่างที่พี่กลางพูดแดกดันจริงน้อยขอยืนยันในข้อนั้นและบางทีอาจเป็นเหตุผลข้อนี้แหละเขาเอาพวกน้ำหนักพักที่นี่แทนที่จะไปอยู่ชิดแหล่งน้ำเสียเลยมันต้องมีบทขยายความแฮบอกเพียงแค่นี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกโดยเฉพาะฉันชัยยันว่าทําไม่จาเป็นจริงๆแล้วรพินเป็นมิตรและมีมารยาทที่ดีตาา่อสัตว์ป่าทุกตัว หลอนบอกอย่างรวดเร็วฉะฉานเขาจะไม่แสดงการเห็นแกนตัวรุ่หลังแกสัตว์เลยยกเว้นเจตนาเจล่าเท่านั้นบริเวณนี้พี่กลางกับลุงอินก็บอกว่าแห้งแรงมากมีแหล่งน้ําอยู่แหล่งเดียวเท่านั้นพวกเขาเองต้องอาศัยแหล่งน้ําแหล่งนี้จึงมุ่งหน้ามาพักที่นี่แต่พวกสัตว์ป่าละแวกนี้หรือกห่างไกลออกไปก็จะต้องอาศัยแหล่งน้ําอย่างชีพเหมือนกันถ้าเขาพวกไหนจ้างไปพักอยู่ใกล้แหล่งน้ําจนชิดจะแล้วพวกสัตว์มันหิวน้ําจะลงมากินน้ำํำก็คงไม่กล้าลงกินเท่า ก, กับไปขวางทางมัน เขาจึงได้หยุดภักอยู่ตรงนี้เปิดโอกาสให้สัตว์ได้แอบเข้ามาอาศัยแหล่งน้ําแหล่งเดียวกันนั้นได้บ้างถูกต้องไม่ลุงอินประโยคหลังหล่อนทันไปถามนานอินซึ่งกําลังพิจารณาท่อนฟืนรุ่นโตโตที่ถูกพลากจากกันเป็นการราไฟซึ่งถ้าจะนํามาก่อไฟใหม่ก็ย่อมทําได้อย่างสบายพรานครูผู้เฒ่าเงยหน้าขึ้นหัวเราะเฉยๆตามประษาของแก่นายหญิงพูดถูกแล้วนายละพินแกไม่เอาเปรียบสัตว์ป่าหรอกและนั่นเป็นบารมี เป็นตบ้าอีกชนิดหนึ่งของแกที่ทําให้แกเป็นเจ้าป่าอยู่ได้ไม่ว่ากับคนป่าหรือสัตว์ป่าส่วนหมอมราชวงอนุชาบอกมาสั้นๆแต่เพียงเก่งใช้ได้แล้วก็หันมาถามพี่ชายใหญ่ในคนะที่เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดว่าเอาไงครับพี่ใหญ่เราจะวางแคมป์ทับรอยตําแหน่งเดิมของรพินนี่เพื่อจะเลือกหาชายภูมิอื่นโดยไม่จําเป็นต้องคิดให้เสียเวลาหมอมราชวงเชิดาอดีตท่านทูตทหารบกตอบทัน ท, น ท, นทนีที่ไหนก็ตามที่เราพินที่เราพินหยุดพักวางแคมป์ แปลว่าตำแหน่งนั้นเหมาะควรที่สุดแล้วเราก็ต้องพักซ้ํารอยเขานี่แหละไม่จําเป็นต้องย้ายไปที่อื่นที่เสียเวลาหาที่อีกเมื่อเป็นคําสั่งเช่นนั้นพรานชดก็บอกกับพวกลูกหาบสั่งการทันทีชั่วไม่นานแคมป์ที่พักชั่วคราวก็ถูกวางลงตำแหน่งนั้นอย่างรวดเร็วการก่อฟืนไฟก็แทบจะไม่ต้องไปหาเศษไม้มาเพิ่มเติมอีกมากมายนะอาศัยจากฟืนเก่าที่พวกกระพินใช้ไว้ก่อนและยังเหลืออยู่อีกมากนํามาก่อฟไฟเข้ามีเศษฟืนหลายท่อน ลักษณะมันถูกใครจับโยนขวางกระเด็นกระจายรอบด้านไปหมดซึ่งอนุชาอธิบายทุกคนทราบว่ามันเป็นการกระทำของช้างป่าที่เดินมาพบตำแหน่งภารกรแรมของมนุษย์เข้าและสันดานของช้างป่าทุกตัวย่อมเป็นไปตามปกติธรรมดาของมันเช่นนี้เองคือสิ่งใดก็ตามที่ผิดแปลไปจากสภาพของป่าดงได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ถ้ามันพบเข้ามันจะต้องจัดการรื้อทาลายเสียด้วยความขวางลูกในตาจะเป็นการกระทําภายหลังจากที่คณะมนุษย์ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วและมันเดินมาพบภายหลัง ระหว่งที่ลูกหาบตระเตรียมที่พักซึ่งถึงแม้จะบ่ายจัดลงเต็มทีแล้วแต่ก็ยังสว่างจ้าอยู่ตลอดทั้งแนวดงบริเวณ น, นั้นเชษฐาก็บอกว่าเวลามีเหลือเฟือสําหรับการหยุดพักของเราวันนี้กลางพาไปดูแหล่งน้ําและสํารวจบริเวณรอบๆหน่อยสิเผื่อจะได้ร่องอรอยอะไรเพิ่มขึ้นผมกําลังจะชวนอยู่ทีเดียวเอ้าน้อยชายยันถ้ายังไม่เหนื่อยเกินไปนะักมาช่วยกันก็ได้ใกล้ๆแค่นี้เองและถ้าใครคิดจะอาบน้ําก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วย เชิดถาชัยยันและดารินหันไปรื้อคนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการที่จะสะสางร่างกายโดยเร็วเพราะไม่ไดามน้ํากันมาตั้งแต่เมื่อวานและส่วนอนุชาไม่อีนางขังขอบอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเขากลับมาอยู่ในป่าอีกครั้งเขาก็เหมือนพรานป่าพื้นเมืองอาชีพคนนึงนานอินกับพยินถูกมอบหมายให้คุมลูกหาจัดการกับที่พักให้เรียบร้อยรวมทั้งการหุงหาเชิดถามอบวิทยุถือรับส่งของตนเองไว้ให้พรานครูครูเท่าไว้เครื่องหนึ่งก่อนที่จะพระไปโดยที่บายวิธีใช้ให้แกทราก เพื่อว่าถ้าจําเป็นก็จะติดต่อผู้รู้สั่งการอะไรกันได้ระหว่างที่กลุ่มเจ้านายทั้งหมดออกเดินไปที่แอ่งน้ําและสั่งให้แกตรวจหาเศษวัสดุในกองขยะซึ่งพวกของรพินโกยใบไม้แห้งสุมบังซ่อนไว้สั่งว่าตรวจหาตามขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ด้วยถ้าพบอะไรแปลกติดสังเกตไปก็เตรียมเอาไว้ให้พวกเชิญดูด้วยแต่ถ้าไม่มีอะไรนอกจากเศษเครื่องกระป๋องก็กบทิ้งไว้ตามเดิมพี่ชายใหญ่ของคณะรอบครอบทีท่วนเสมอ การพบที่ภักแกรมของคณะของระพินอันล่วงหน้าไปก่อนนั้นเขาจะพิธีพิถันเป็นพิเศษในการตรวจดูตามเศษขยะที่พวกนั้นทิ้งไว้ซึ่งนอกจากการแกะรอยติดตามธรรมดาแล้วยังใช้หลักเกณฑ์ของนักสืบสวนอีกด้วยวัตถุใดๆก็ตามที่คนชุดนั้นทิ้งไว้บางทีมันจะช่วยให้อ่านออกได้ถึงสภาพขณะที่มาภักแกรมกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในลักษณะไหนซึ่งไม่ควรจะมองผ่านไปเสียแผงกระดาษตะกวัวซิลยาที่แกะทิ้งไว้จะบอกให้รู้ว่า เป็นยาชนิดใดกินแก้อะไรหลอดยาฉีดเศษพลาสเตอร์ตลอจนเศษเครื่องใช้อื่นๆทุกชนิดพอจะให้ถ่ายเหตุการณ์ได้ทั้งสิน้นการแกะอรอยสัตว์ตลอจนอ่านรหัสต่างๆในวิชาพลานมันไม่ผิดอะไรกับการแกะอรอยในวิชาสิบสืบสวนเช่นกัน อ, อาศัยจากหลักฐานล่องรอยที่ทิ้งไว้และสามพี่น้องกับเพื่อนตาอีกหนึ่งคนรวมเป็นสีก็แยกจากคณะลูกหาทั้งหมดช่วยกัน ทำงานที่เตรียมพักอยู่บ่ายหน้าโดยการนำของอนุชาไปยังแหล่งน้ำนั้นทันทีเดินกันเพียงชั่วครู่เดียวลัดลอไปตามแนวของป่าเนินสูง ส, ง, สงต่ำๆสลับไปกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งเว้นระยะกันอยู่ห่างๆอนุชาก็นำทั้งหมดมาถึงบริเวณแอ่งน้ำที่ผุดผุขึ้นมาจากตาน้ำใต้พื้นหินลงไปอันมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำซับ ซ, ซึ่งชาวป่าเรียกกันว่าโป่งน้ำร้อนทั้งหมดมา ทั้งหมดพากันเดินสำรวจไปรอบๆแอ่งน้านั้นซึ่งเป็นที่แน่ใจว่าไม่เกินเจ็ดแปดวันที่มาแล้วนี่เองคณะของรพินได้มาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํานี้แน่นอนอย่างไรก็ตามอนเนื่องจากบริเวณรอบด้านส่วนมากเป็นหินรวนพื้นแข็งมากจึงไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ ไ, ไว้ทั้งสิ้นนอกจากขณะที่มาถึงนั้นมีรอยเท้าเล็กๆของกระจงย่ํากับพื้นเป็นจุดของน้ําตามรอยที่มันเพิ่งจะพ่าออกแล่นหนีไปก่อนหน้าที่ทุกคนจะมาถึงเพียงเล็กน้อย เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดพอสมควรทีเดียวแม้ว่าจะเป็นแอ่งจำกัดไม่มีการไหลเวียนถ่ายเทและไม่กว้างใหญ่นะักปราศจากมูลสักหรือซากสกรปรกนอกจากใบไม้แห้งที่ถูกลมปลิวพัดให้ลงมาลอยฟ่องอยู่บ้างในบางแห่งบนผิวน้ำและที่ก้นลงไปก็เป็นซากไม้ที่แช่เปื่อยอยู่ชั่วนาตาปีมองเห็นเป็นสีเทาๆอยู่เบื้องล่างคล้ายพื้นดินไก่ฟ้าผู้หนึ่งกำลังเดินตอกๆตามกันลงมาจากด้านด่านลาดลงของหมู่หินฟากหนึ่ง หมายจะลงมาดื่มน้ำกินพอเห็นกลุ่ ม, มนุษย์เข้ามาเดินเกะกะอยู่บริเวณนั้นก็บินปลอผ่านพ้นหมู่หินที่งอกเป็นทิวอยู่ทั่วไปท่านที่ยังตกใจดารินมองตามอย่างสงสารชัยยันก็สะกิดแขนบอกเบาๆว่านั่นไงต้นเหตุที่เราผิดไม่ยอมมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ตามที่เธอว่าดารินยิ้มเศร้าๆมองตามสัตว์ปีกสวยงามนั้นไปจนลับตาแล้วกระโดดข้ามโขดหินออกตรวจตราบริเวณไปอย่างอิสระแต่พล่อนจะรับเตรี่ยมโขดหินพ้นไปจากสายตา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 ก็ไม่มีปัญหาอะไรแอ่งแคบแคบแค่นี้เองแชมพูกับเหงอใครความสกปรกมันจะพลอยทําให้น้ําสกปรกไปด้วยเราไม่ควรจะทําให้แหล่งน้ํานี่สกปรกเพราะความมักง่ายหรือเพียงแค่อยากสบายตัวอนุชาสังเกตดูสภาพน้ํานั้นอีกว่าแล้วว่าอีกครั้งแล้วว่าผมก็รู้สึกว่าขณะที่เราพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่ก็คงไม่ยอมให้ใครลงอาบน้ําถูสบู่ในแองนี้เหมือนกันเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ ถ้าเราจะอาบน้ําก็เรียกลูกหา่าแห้เอาถังพลาสติกมาให้แล้วเราก็ตักน้ำในแอ่งนี้ใส่ถังขี่ไปอาบตามหลังโขดหินที่อยู่ทั่วๆไปซึ่งเป็นห้องน้ําอย่างดีโดยไม่ให้น้ำไหล ย, ย้อนลงมารวมอยู่ที่แอ่งนี่ให้ไหลไปสู่ที่ต่ำทั้งอื่นเดี๋ยวเราก็จะรักษาความสะอาดของแหล่งน้ํานี้ไว้สาหรับสัตว์ป่าหรือชาวป่าที่จะแวะเข้ามาอาศัยได้ต่อไปถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีเชษฐาเห็นชอบด้วยอนุชาจึงใช้วิทยุประจาตัวขึ้นเปิดเรียกทันทีอึดใจเดียวเสียงเนือเนือของนานอินก็ดังตอบมา ช่วยให้ขยินเลือที่ใครตัวโตๆแข็งแรงหน่อยเอาถังพลาสติกขนาดใหญ่มาที่แอ่งน้ํานี่สักสองใบอ้อให้เอาหม้อสนามติดมาด้วยสักใบด้วยหม้อสนามที่อนุช้างให้เอามาด้วยก็เพื่อให้ใช้แทนขันที่จะให้พักพวกตากอาบนั่นเองเสียงหนานอินรับคำบอกว่าจะสั่งให้ขยินเป็นผู้นําของที่ต้องการมาให้ดาริขนขณะนั้นขึ้นปีนไป น, นั่งอยู่บนยอดหินเหมอมองอยังตราสาทจุดหมายทางด้านทิศใต้ลมพัดโชยมาอ่อนๆ น, นาศิษประสาทของหล่อนสัมผัสเข้ากับกลิ่นชนิดหนึ่ง ครั้งแรกมันเขือจางก่อนต่อมาเมื่อลมพัดแรงขึ้นกลิ่นก็ยิ่งจัดแลุกขึ้นยืนทันทีสามชายที่ยืนสนทนากันอยู่ริมแอง่งเห็นอาการผิดปกตินั้นจึงมองมาเป็นตาเดียวอะไรหรือน้อยพยายามร้องถามขึ้นมาหญิงสาวทำจมูกฟุดฟิดแล้วเรียกพี่ชายกลางโดยเร็วพี่กลางคะลองมาขึ้นดูตรงนี้หน่อยสินะพี่กลางคะลองขึ้นมายืนตรงนี้กับน้อยหน่อยสิไม่ทราบจมูกน้อยผิดปกติไปเองหรือเปล่าอนุชาทำหน้าสงสัย เพราะในระดับที่ต่ําลงไปทั้งสามคนยังไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นไม่พูดอะไรแต่ปีนขึ้นไปบนก้อนหินยืนเคียงกับน้องสาวทันทีสีหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจภายหลังจากกลัอนจมูกสูดหาทิศทางที่มาของกลิ่นอยู่ครู่เดียวก็จูงมือน้องสาว ก, ก็โดลงมายังเชิดฐาและชายันทันทีมีซากเน่าโชยกลิ่นมาทางด้านใต้ระดับต่าลงไปทางด้านนี้ครับไม่ห่างไกลนะซากเน่าเชิดฐานชา ย, ยันอุทานออกมาเบาๆเช่นเดียวกันขมวดคิว้ว ครับไม่ผิดไปหรอกเราไปดูกันดีกว่าตามผ ม, มอ่ะกอนที่ทั้งหมดจะเดินจากที่ก็เห็นล่างสูงใหญ่ของขยินยิ่วถังพลาสติกขนาดเครืองสองใบเดินเทิงๆรับทางด้านป่าหินตรงเข้ามายังแอ่งน้ําอนุชาร้องสั่งให้วางวะถังน้ําไว้ตรงนั้นก่อนแล้วชวนขยินให้เดินตามไปด้วยจะไปไหนกันนายขยินถามเพื่หก ป, ปากและตามมาก็แล้วกันพรานชดบอกสี่คนบวกอีกหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาสมทบก็ออกบ่ายหน้าเดินไปตามหมู่ก้อนหินจากทางที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นทันที โดยการนำของอนุชาซึ่งครองแคล่ทุ่ากับคนดงยิ่งห่างแหล่งนะ้ําออกไปในแนวราดลงตำ่ำกลิ่นนั้นก็ยิ่งโชยรุนแรงขึ้นทุกทีจนเคยหญิงผู้ไม่ทราบอะไรมาก่อนก็สัมผัสได้ร้องมาว่าอะไรมาตาอยู่แถวนี้แน่แน่นายภาวนาเขาอยาให้เป็นศพ ข, ของคนก็แล้วกันดารินบอกเสียงแสดงความไม่เป็นสุขนะทุกคนอยู่ในภาวะพิศวงและร้อนใจแล้วคําตอบก็ปรากฏชัดเมื่อทั้งหมดลับเหลี่ยมหินใหญ่สูงท่วมศิษะ์ก้อนหนึงโผล่ออกมา พบอย่งกระทันหันเพียงแค่6 7บาเทานั้นทั้งหมดอุทานแดซดเสือซากนั้นเป็นซากที่กําลังยุบโสมแล้วของเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่นอนตะแคงอยู่ซากหน้าของมันมีรอยสัตว์บางชนิดกัดแทะกินเป็นอาหารตามธรรมชาติของซากที่ตายอยู่กลางดงซึ่งย่อมจะตกเป็นอาหารของสัตว์ที่มาพบเข้ามดแลมแมลงกรุ่มๆเต็มไปหมดสภาพของมันนอนตะแคงอาการที่เคยขึ้นอื่นบัตินิโสมลงบ้างแล้วทันทีที่เห็นอนุชาปลาเข้าไปชีตพิจารณาอย่างรวดเร็ว ดาวดินเชี่ยถาและพยาและชา ย, ยันพยายามกั้นใจนะระงับกลิ่นอันเหม็นอย่างรุนแรงนั้นพลูเข้าไปสมทบพร้องกับขยินทั้งหมดลุมล้อมดูอยู่ที่สร้างนั้นอย่างพิจรารณาแต่ความเหม็นเน่าเมื่อเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆทําให้ยังไม่มีใครอ้าปากพูดคำาดกันก่อนทั้งสิน้นอนุชาโบกมือเป็นสัญญาณให้พักพวกหลบห่างออกไปยืนอยู่เหนือลมก่อนคงมีเข้ากับขยินเท่านั้นที่เข้าไปดูจนชิดอึดใจอยากจึงถอยและออกมายังพี่น้องและเพื่อนที่รอคอยกันอยู่ตายมาประมาณเจ็หรือแปดวันแล้วครับ จมูกน้อยไวมากที่เป็นต้นเหตุให้เรามาพบไอ้ซากเสือตัวนี้เหตุผลในการตายเชิดถาถามกลางแสกหน้าเหนือระดับลูกตาขึ้นไปนิดเดียวมีรูของกระสุนไหลเฟืน่ขนาดใหญ่เจาะผ่านกระโหลกนัดเดียวเท่านั้นเองครับดับเครื่องสนิทจงการยิงแบบนี้ไม่มีใครยิงจะต้องสงสัยอีกต่อไปละพินเหลอเชิดถาชัยันุทานพร้อมกันส่วนดารินยืนเบิกตาโพรโอนอุชายยิ้มเครียดเครียดเอามือขยี้จมูกพยายามหันไปทางที่ไม่มีกลิ่นและสูดลมหายใจลึก โอกาสไหนบ้างที่คนเราจะยิงเข้าการแสกหน้าเสือได้นอกจากขณะที่มันกระโจนสวนเข้าใส่เท่านั้นและคนที่จะยิงเสือตัดประสาทสมองชนิดนัดเดียวจอดผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครทํานอกจากคนชื่อระพินตัวปัญหาที่เรากําลังออกตามกันขณะนี้แหละแนนุจ่า ก, ก็หันไปส่งภาษากับขยินพักเดียวขยินจึงบอกกับทุกคนว่าไม่มีใครหรอกนายที่ยิงเสือตัวนี้นอกจากนายระพินคนเดียวเท่านั้นดูจากรอยกระสุนเข้าก็รู้ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนี่พอเดาถูกไหมยช ย, ยันถามอย่างงงๆก็เป็นการแลกหมัดกันนั่นแหละระหว่างละพินกับไอเสือตัวนี้มันกระโจนสวนเขาก็ยักเข้าให้ด้วยจุดสี่ห้าแปดแต่เข้าใจว่าสถานที่เกิดคงไม่ใช่ตรงนี้หรอกอาจเป็นละแวกใกล้ๆแอ่งน้ำนั่นแหละพอเสือตายก็คงขี้เกียจขุดหลุมฝังให้เสียเวลาให้พวกลูกหาหา ม, มาทิ้งไว้ให้เป็นเหยื่อสัตว์ป่าตรงนี้ไม้คานหามยังอยู่นั่นพร้อมพูดอนุชาชํานาญต่อเหตุการณ์ของป่า ก็ชี้มือไปยังท่อนไม้ท่อนขนาดเท่าข้อมือมีรอยถูกตัดออกจากต้นเดิมของมันหยาบๆยาวขนาดสองวายโยนทิ้งอยู่ใกล้ๆด้วยพร้อมก็บอกต่อไปว่าถ้าถ่ายไม่ผิดที่เราพินสั่งให้พวกนั้นหามาทิ้งไว้ตรงนี้ก็เพราะที่นี่เป็นบริเวณต่ํากว่าแอ่งน้ํานั้นเวลาซากเน่าเฟลืกฝนตกชะสิ่งสกปรกจากซากเน่าจะได้ไม่ไหลลงไปในแอ่งน้ํำรอยทะลุที่กระโหลกเป็นรูขนาดเอาหัวไม่มือยัดเข้าไปได้เป็นกระสุนจุดสี่จุดสี่ห้าแปดแน่นอน เทพขาเอามือรูปคางคลางออกมาว่าอืมในลําคอดารินดาลินรีตามองซากเสือนิ่งค่ะเมิงยังก็จะเพ่งให้มันฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าเหตุการณ์ให้หล่อนฟังนั้นแหละแคยันเป่าลมออกจากปากนี่เป็นหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เราพบโดยคิดว่าจะโดยไม่คิดว่าจะพบแต่ดาวไม่ถือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนอย่างไรและพินจริงมาฟาดกับไอ้เสือตัวนี้เข้าบริเวณนี้ก็จะต้องเป็นเหตุการณ์แบบจวนตัวกระทันหันแน่ๆ ฉันไม่คิดว่าไอเสื้อตัวนี้จะกล้าบาังอาจโจเขาเล่นงานระพินโดยตรงอาจพุ่งเข้าใส่คนใดคนหนึ่งในคณะนายจ้าแล้วนายนั่นในฐานะพรานคุ้มกันระวังคุมเชิงอยู่ก็กดตูมเข้าให้รูปการมันไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกเชษฐาให้การคาดคะเนจากประสบการณ์ที่คุณเคยกับบุคคลผู้นั้นมาก่อนอนุชากับขยินชวนกันเดินสำรวจบริเวณใกล้เคียงอีกครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมในที่สุดก็เดินกลับมาที่เก่าพยักหน้ากับที่แอ่งน้ำคนเธครับขยินอาบน้าอาบท่ากันโดน ก็อาบกันเชโดยเร็วจะได้กลับแคมป์ทานอาหารกันอย่างงงๆตลอหลักฐานที่เห็นอยู่ทุกคนรวมทั้งขยินเดินเกาะหมู่ย้อนกลับมายัางแอ่งน้ําอีกครั้งพอรับมุมก้อนหินถึงตำแหน่งที่ขยินวางถังน้ําทั้งหมดก็แทบพงหกันอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณอนุชาชา ย, ยาและเชษดขาตรวจไรเ่ินที่ติดถือติดมุอยตลอดเวลาขึ้นไายในพริบตาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดาวดินร้องเอ็ดนล่นวะอย่ายิงนั่นจะด้วนของฉันคลายมือมาซึ่งปรากฏตัวอย่างลึกลับ แลเงียบกริบขณะนี้ยืนตระหงานทะมึอนอยู่ตรงตำแหน่งปากทาะดานอันจะนำสู่แอ่งนะ้ำทันศีรษะมาทาั้ฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดพร้อมกับใบหูโบกว่าช้ชะาสีผิวของมันกลืนกับสีหินทุกก้อนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้และทันทีที่ได้ยินเสียงของดารินมันเงยหน้าขึ้นพร้อมกับชูงวงร้องตอบเบาๆพร้อมกับเดินดุ่มเข้ามาหาทันทีดารินดีใจสุดขีดร้องตะโกนเรียกมันซ้ำลั่น พร้อทั้งวิ่งสวนเข้าไปหาในขณะที่เชิดาชายาและอนุชาก็โจรวูดเข้าบังหลังหินปืนยังคงประทับเตรียมพร้อมอยู่เช่นนั้นพยินเพ็นอ้าวไปแล้วไปตั้งหลกักตรงตำแหน่งที่สรากเสือนอนตายเน่าอยู่ด้วยความว่องไวของมันเสียงเชิดาตะโกนว่าน้อยระวังเนย่าเพิ่งเข้าไปแต่นั่นไม่มีความหมายอะไรเลยน้องสาวไม่ยินยนหล่อนกําลังวิ่งปลาสวนหน้าเข้าไปหามันด้วยความพิติจนลืมตัวไม่มีใครจําเจ้าดวนได้ดีไปกว่าหล่อนแม้จะมองเห็นจากด้านหน้าซึ่งช้างทุกตัวหน้าตามันแทบจะเหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละ จะแตกต่างกันก็แต่ขนาดของลําตัวและลักษณะของงาเท่านั้นทันทีที่เข้าถึงเจ้าพรายใหญ่โตโมโหลานตัวนะั้นเอางวงสูบกลิ่นตามใบหน้าและร่างกายหลอนดารินกอดงวงอันยาว ก, กระด้างนั้นไว้แน่นแล้วมันก็ใช้งวงรัดเอวหลอนยกชูลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยก ว, กวาดกวยใบมาเบาๆสแสดงความยินดีเช่นกันแต่ดูเป็นที่วาดเสียวมากสําหรับสายตาอื่นที่จ้องเขงมิงใจเต้นไม่เป็นซ้ำในขณะนี้ ด้วนหายไปเกือบทั้งวันเชียนะฉันนึกว่าเธอจะไม่มาพบฉันอีกแล้วดาลินพูดกับมันเสียงดังลั่นเจ้าด้วนจ ร, จริงๆนั่นแหละหาช่ช่างอื่นแปลกปลอมเข้ามาไม่มันค่อยๆวางล่างหลอนให้เช้าทั้งสองแตะพื้นตามเดิมและเอาปลายงวงสูดๆดมๆอยู่ตามตัวของหลอนเช่นนั้นทําเสียงในลําคอเบาๆเมื่อ น, นั้นเองเชษฐาชา ย, ยัญอนุชาจึงผ่อนลมหายใจออกมาได้ลดปืนลงหม่อมราชวงสาวัขามาทั้งพี่น้องและเพื่อนพูดอย่างเร็วปรือเต็มไปด้วยการตื่นเต้นยินดีอยู่เช่นนั้น กืบจะลืมเรื่องอื่นลงใดโดยชั่วขณะเห็นไหมในที่สุดเจ้าด้วนก็ไม่ได้พระทิ้งเราไปไหนมันมาดักรอรออยู่แถวนี้เองยังกับรู้ล่วงหน้าอ่านใจเราออกว่าเราจะบ่ายหน้าไปที่ไหนเธอเกือบไปแล้วไม่ล่าอยู่ไม่อยู่พเลี้ยวมุมก็จังหน้ากันเลยที่ทําไม่บังเอิญเธอมาด้วยโพร้อมไม่เห็นกระทันหันอย่างเนี้ยมิหวังเจอลูกปืนเข้าไปแล้วชา ย, ยันเก่าต้นคอแกรกๆบนออกมาไม่เพียงกระดารินเท่านั้นแม้ชา ย, ยันเองเทถาและอนุชาก็รู้สึกยินดีละคนประหลาดใจ ที่ได้พบเห็นเจ้าช้างตัวนี้อีกครั้งโดยไม่เชื่อว่าจะได้พบมันอีกหลังจากที่มันแยกเดินดุมด่มๆไปตามทางด่านของมันตามลาําพังชนิดไม่สนใจกับเสียงตะโกนเรียกของดารินเมื่อก่อนเที่ยงของวันนี้ทุกคนเดินเข้ามาใกล้พญาโคจสารใหญ่ที่แสดงอาการเชื่องและแสนพักดีกับหญิงสาวผู้เคยมีพระคุณกับมันราวกับเคยอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติก่อนทั้งดารินนั้นพร่ำพูดกับมันราวกับจะพูดกับคนที่ฟังกันรู้เรื่องต่อว่าต่อขานที่มันพระเดินทิ้งหล่อนไปเฉยเฉยๆ และหลงท้ายด้วยการเอากําปั้นทุบที่งวงมาแร็งๆเหมือนจะลงโทษนี่แน่คราวหลังจําไว้นะถ้าเรียกเราก็หยุดหรือหันมามองมั้งไม่จะเดินเท่ง์ๆไปตามอาเภอใจอย่างนั้นฉันโกรธเธอมากรู้ไหมเมื่อตอนสายเนี่ยหล่อนปั้นตากต่อว่าเจ้าด้วนยืนโยกตัวตั้งหานสูงงามอยู่เบื้องหน้าหล่อนเช่นนั้นมันคงอยากพูดเหมือนกันถ้ามันพูดได้อีกสามคนเดินเข้ามาถึงซึ่งบัดนี้แต่ละคนรู้สึกวางใจเจ้าด้วนพอสมควรแล้วว่ามันจะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อทุกคนในคณะ แม่เขาต่อว่าทําไมถึงไม่แก่ตัวหรือพูดเถียงอะไรมั่งละ่ะชัยยันพูดหน้าตาเฉยกับเจ้าด้วนแย่ดารินแล้วก้มลงหยิบต้านไม้เล็กๆแห้งเปลาะที่ตกอยู่ใกล้ๆส่งให้หญิงสาวอา้าวเขียนมันเส้นหนึ่งโหลค่าที่มันขัดคําสั่งไม่ฟังเสียงเธอหัวให้เจ็บเลยดาลินปัดไม้หักกระเด็นไปครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งกระชากเสียงว่าบ้าแต่ชัยยันอย่ามาประชดฉันนะเดี๋ยวฉันก็บอกให้เจ้าด้วนจับเธอโยนขึ้นไปแขวนอยู่บนยอดไม้น่นเสียเ้ยวนั้น แล้วหล่อนก็หันไปทางช้างป่าที่กลายมาเป็นมิตรสนิทคู่ใจอีกครั้งตาเป็นประกายชื่นชมหล่อน ร, รู้สึกปิติยินดีเป็นพิเศษทุกครั้งที่เห็นมันเข้ามาแสดงอาการพักดีรักใคร่อนุชาหันไปโบกมือเรียกขยินผู้ยังยืนตั้งทารีรออยู่อย่างปอดแหกเพราะขยินเห็นช้างทุกตัวเป็นศัตรูไปหมดมานานแล้วโดยเฉพาะไอ้ด้วนคู่ประซึ่งเคยกวดไล่มาจนป่าลาบไม่น้อยกว่าสองสามครั้งพอถูกเรียกเข้ามารวมกลุ่มด้วยมันก็ยิ้มแห้งๆค่อยๆจ ด, จ, ด, จ, ด จ, จ้องเข้ามา แต่แล้วก็สะดุ้งหยงร้องวากตั้งท่าจะเพ่นนี้อีกเมื่อไอ้ด้วนสะบัดงวงชูสูงขึ้นร้องแวดเข้าใส่เหมือนจะดา่าเพราะมันเองก็ดูท่าเขมรหน้าขยินอยู่เหมือนกันที่เคยเอาลูกซองยิงมันไว้ก่อนแล้วแม้จะไม่ละคายผิวก็ตามทุกคนเห็นอาการนั้นก็หัวเรอยอย่างขันขันดารินทำหน้าขึงขังดูสมทัพเจ้าด้วนไว้สั่งให้มันลดงวงลงและเรากับฟังภาษามนุษย์เข้าใจหรือมีฉะนั้นก็ยังรู้ด้วยกระแสจิต ช้างป่าจอมเกเรที่ขึ้นชื่อไปทุกระแวกสงบอาการที่ดูเหมือนจะคุกคามขายินลงทันทีขยีนมานี่ก่นอนทันไปเรียกขยีนเสียงแข็งๆเจ้านักเลงโตหล่มช้างอิดออดอยู่แต่พอหล่อนตะวาดเฉียบขาขายีนก็กระเดือกน้ำลายลงคอฝึดๆเดินขาสั่นเข้ามาหาหล่อนคว้าแขนจกกเจ้านักเลงตรงที่เคยมีอดีตร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนแล้วและรักมันเทอบกับลูกน้องพรานพื้นเมืองคนหนึ่งของรทพินจับแน่นลากตัวมันเข้ามายินประจันอยู่เบื้องหน้าของโคชสารใหญ่ โดยที่ตนเองยังคุมกำกำกับอยู่ประกาศขึ้นดังๆเป็นภาษากะเหรียงเอาละทั้งสองคนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคนกับหนึ่งตัวขยีนและด้วนฟังฉันพูดนะต่อไปนี้ไม่มีการอาฆาตจองเวอรอไลกันอีกทั้งสิ้นเรื่องที่แล้วมาทั้งหมดใครจะยิงหรือจะด่าใครและใครจะไล่กระทืบใครยุติเสียทีมาเป็นมิตรกันให้สนิทใจที่สุดขยีน ย่าดาเจ้าด้วนอีกและเจ้าด้วนก็ไม่ต้องแสดงอารมณ์ร้ายกับขยินอีกเข้าใจไหมช้างยืนสงบเฉยคนก็เลยตียิ้มแห้งๆส่วนพี่ๆและเพื่อนมองหน้ากันเองกับฟิปตาอยู่ปริบ ป, ปรปิเป็นยังไงน้องสาวแกถ้าจะเสียสติไปเสียแล้วพยายามจะเป็นทูตสันทวะไมตรีเรียกช้างตัวหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันให้ได้ชัยยันกระสิบเบาๆเชษฐาอนุชายยิ้มยิ้มไม่กล่าวเช่นไร มองจับตาเฉยอยู่ระหว่างอาการของไอ้ด้วนกับขยินดารินพูดกับขยินต่อไปว่าขยินจงทําตามที่ฉันสั่งถ้าไม่อยากจะเป็นศัตรูกับเจ้าด้วนอีกนายหญิงจะให้ขยินทํำยังไงจะพ่อหล่มช้างในอดีตซึ่งเกะกะเกะเรพอๆกับเจ้าด้วนนั่นแหละพูด อ, อ่อยๆอย่างขาสานพับๆอยู่เช่นนั้นเพราะมองเห็นตาเล็กยลลอย่ังฉลาและยังรู้ของช้างใหญ่ข้างหนึ่งทำเลืองจับอยู่ที่หน้ามันประหลาดเปลือกระยะห่างแค่งวงเอื้อมถึง ซึ่งระยะขนาดนั้นนายหญิงไม่มีทางจะสกัดกั้นอะไรเจ้าด้วนได้เลยถ้ามันเกิดบ้าขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกพูดเป็นไหมพูดในภาษาของเจ้านั่นแหละบอกขอโทษขออโหสิกรรมทุกอย่างต่อไปนี้จะไม่ด่าหรือจิกหัวเรียกเขาไวยด้วนอีกแล้วขยินทำหน้าพี่กนเยเกยอย่างไรบอกไม่ถูกนายหญิงขยินเป็นคนนะเจ้าด้วนน่ะมันเป็นช้าจะพูดกันรู้เรื่องได้ยังไง ทำไมจะไม่รู้เรื่องฉันยังพูดกับเขารู้เรื่องเลยบอกให้พูดก็พูดสิเอานายหญิงจะใช้ขยินยังไงก็ได้ขยินบนออยและฟืนยิ้มแย่ๆกับเจ้าด้วนพูดเฮาๆวะ่ะจะหายด้วนต่อ น, นี้ไปเรากับเจ้าจงมาเป็นมิตรกันนะตามคําสั่งของนายหญิงข้าจะถือเจ้าเป็นเพื่อนไม่ลวงเกินอะไรอีกส่วนเจ้าก็อย่าได้คิดร้ายกับข้าอีกดารินยิ้มออกมาได้อย่างพอใจได้ยินและยังด้วนต่อไปนี้ขยินจะไม่เป็นศัตรูอะไรกับเธออีกแล้วเธอก็เหมือนกัน ถ้ารับฉันปลาถนาดีต่อฉันก็จงเป็นมิตรกับขยินและพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันทั้งหมดให้ตลอดไปกระพินเขาก็คงยินดีมากที่รู้เช่นนี้กาวจอบรันก็หันมาทางขยินออกคำสั่งต่อว่าอ้าขยินเอื้อมมือไปจับงวงสหายของเขาเสียให้เกียรติเขาก่อนอย่างน้อยถ้าจะนับอายุด้วยก็เกิดก่อนเจ้ามานานนะเราได้ช้างป่ามาเป็นมิตรตัวหนึ่งไม่เสียหายหรอกมินําจาเราก็ยังเคยแสดงให้เห็นแล้วว่า เขาช่วยเราแน่เมื่อเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์หากมีเมตตาทำเป็นที่ตั้งมีความจริงใจต่อกันก็ย่อมจะเป็นมิตรกันได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าช้างเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสัตว์ในตระกูลสูงเหนือกว่าเดรัจฉานทั่วไปมากมีความรู้สึกนึกคิดแสนรู้และกะตันอยู่ซึ่งอย่าว่าแต่ในชั้นสัตว์เลยต่อให้มนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังหาได้ยากในคุณสมบัติราวนี้ ขยินกลั้นใจค่อยๆเอื้อมมือไปลูบงวงเจ้าดวงเบเาๆเจ้าด่วนเบเาๆพอเห็นมันยังสงบนิ่งก็ค่อ ย, อยๆลูบคำแล้วตบที่งวงนั้นช้างใหญ่ชูงวงขึ้นเล็กน้อยพอเพราะเนือศีรษะของขยินสูดสูดดมดมพ่นลมฟูดลงกลางกระบาลเจ้ากระเหลียงลมชาแล้วก็เคาะจะงอยงวงเบาๆเสียงดังป๊อกลงไปกลางหัวขยินเจ้าองค์คุรีมานแหงลมช้างรองเ อ, อิบแทบคอย่นเพนพรวดพ่นรัศมีงวงของมันออกไปบังหลังนายหญิง ทุกคนอดที่จะหัวล้ อ, อคลื่นกันออกมาไม่ได้ในอาการที่เล่นของเจ้าด้วนแม้แต่ดาเรียนเองขยินยังขยับปากจะดา่าขโมงโสงเชงอีกเพราะถูกเคกกระบาลแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้หูปากนิ่งแค่แต่คอเจ้าด้วนปรหลับประเหลือชา ย, ยันนั้นหัวร้ อ, อจนท้องแข็งเข้ามาประคองขยินไว้ปลอบใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกว่าขยินเองเคยยิงมันมาก่อนแล้วมันแค่เค ก, กระโหลกเองหยอกๆเท่านั้นต่อไปนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรกันแล้ว เบาๆอะไรล่ะนายทหารคือยินแทบคอย่นเจ้านั่นบนอู้อ้คำหัวป้อยเชษฐาสำรวจดูตามร่างกายของเจ้าด้วนยั่งถีท่วนไปยังไงมายังไงกันนี่เดินมาคนละทางแท้ๆโผล่มาดาักกันที่ตรงตรงที่พักของเราจนได้เอาน้อยกลางแล้วก็ชยนช่วยกันเดินตรวจดูรอบๆตัวมันหน่อยสิไปโดนบาดเจ็บมีแผลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเหมือนเหมือนสภาพช้างเลี้ยงทุกคนพากันเดินวนตัวดูตามร่างกายของเจ้าด้วนจนทั่ว ก็ไม่พบว่ามันจะมีบาดแผลอะไรมากไปกว่าเท่าที่ได้เคยประทะกระโขงช้างลึกลัที่ดักมุ่งร้ายหมายขวัญคณะเดินทางโดยชิงเข้าต่อสู้ป้องกันและให้สัญญาณเสียงเตือนให้ทุกคนรู้ตัวเสียก่อนดารินถึงกับเดินลอดใต้ท้องของมันได้อย่างสบายเจ้าด้วนก็คงยืนโยกตัวชา้าช้าปล่อยให้กลุ่มมนุษย์เดินตรวจอยู่รอบๆตัวมันด้วนเธอลองเดินให้ฉันดูหน่อยสิหมอมราชวงสาวตบที่ขาหลังพร้อมกับออกคําสั่งดังๆ ก็เป็นที่น่าประหลาดอยู่ภายหลังหล่อนพูดซ้ำๆอยู่สองสามครั้งพร้อมกับตบขาเช่นั้นเจ้าด้วนก็ออกเดินอย่างเช่มช้าให้ทุกคนเห็นทันทีไม่ได้ไปไหนไกลแต่เดินวนอยู่ใกล้ๆหมู่หินนั่นเองดาลินดีดนิ้วโดยแรงอย่างพอใจร้องว่าเรียบร้อยค่ะพี่ใหญ่ด้วยไม่ได้รับอันตรายจากอะไรเพิ่มขึ้นอีกเลยขาหลังที่ขย์ก็เกือบจะเดินได้เป็นปกติแล้วไม่ใช่ว่าเพราะโดนเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วจึงหวังจะมาให้น้อยช่วยให้อีกหรอกดีนะ ตามประพินในคราวนี้น้อยได้ลูกตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่าตึกคอยระวังดูแลมันให้ดีก็แล้วกันอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรมากนะจัดหน้าขนพี่ชายใหญ่ว่าจัดว์หน้าขนบางขณะก็ยังไว้ใจได้มากกว่าคนหน้าเกลี้ยงซึ่งคดในข้องอีนกระดูกจะอีกค่ะพี่ใหญ่น้อยรับผิดชอบเองเรื่องเจ้าด้วนนี่ขออย่างเดียวเท่านั้นบางขณะมันก็แยกห่างออกไปแล้ววกกลับเข้ามาหาใหม่สาคัญใครอย่าตาฝาดยิงมันเขาก่อนก็แล้วกัน ไห้เรื่องที่จะกลับเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราทุกคนน้อยรับประกันได้ไม่ว่าจะมีน้อยอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ตามถึงพี่ใหญ่พี่กลางชายัยนหรือทุกคนพวกเรานี่แหละก็น่าจะพูดกับมันได้รู้เรื่องภาษาไม่สําคัญกระแสจิตเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่มีใครในบรรดาพี่ชายและเพื่อนยังจะขัดใจน้องสาวคนเล็กเพราะเห็นว่าบอบช้ำและกำใจเกือบจะอยู่ในภาวะคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เป็นความพอใจความสุข หรือจะทําให้หล่อนมีกําลังใจอบอุ่นขึ้นได้บ้างก็เป็นสิ่งที่ควรอนุโลมอนุชาวิทยุเรียกไปที่นานอินตรงแค้มอีกครั้งพอแกพูดตอบรับมาเขาก็สั่งความว่าไอ้ด้วนโผลมาให้เราเห็นตรงแอ่งน้ําอีกแล้วนะลงอินเตือนพวกเราทุกคนไว้ด้วยถ้าเห็นช้างโผลให้เห็นก็ให้พิจารณาให้ดีเสีก่อนอย่าด้วนบุมบามยิงเข้าไปก่อนเชื่อว่าทุกคนคงจะจํามันได้ไอ้ด้วนโผล่มาอีกแล้วแล้วนายชดตอนนี้มันอยู่ไหนเสียงนานอินถามมาตื่นตื่น พ้นเปียกอยู่ใกล้คิดกับพวกเราที่แอ่งน้ํานี่แหละขากับอาจเดินตามเข้าไปด้วยสั่งให้ระวังไว้เท่านั้นกลัวจะยิงผิดตัวเพราะพวกเราเองก็อาจถูกช้างอื่นจู่โจมเอาเมื่อไหลก็ได้จึงขอให้ดูให้ทีถ้วนก่อนยิงนานอินรับคําสั่งเสร็จรู้เรื่องกันดีแล้วอนุจาก็หันมาบอกพี่น้องว่าเอาละอาบน้ํากันเธอประเดี๋ยวพวกนั้นคงจะมาลำเลียงน้ําไปเป็นน้ําดื่มของเราระหว่างทางต่อไปเรื่องเจ้าด้วนไม่ต้องไปสนใจกับอะไรกับมันอีกแล้วมันคงอยู่มาอยู่ใกล้ๆเราถ่ายวันนี้แหละ ว่าแล้วเขาก็สั่งดารินให้ยิ้วถังพลาสติกตักน้ําเต็มเปี่ยมทั้งสองถังยิวอวไปวางไว้ในซอกหินโขดหินล้อมรอบลักษณะเป็นห้องมิดชิดพอจะอาศัยเป็นห้องน้ําได้แลหันมาขยับจะสั่งให้ดารินอันเป็นผู้หญิงคนเดียวของคณะเขาไปอาบน้ําก่อนเป็นคนแรกแต่แล้วก็ชะงักเพราะเห็นหลอนกำลังยืนจ้องดูการเคลื่อนไหวของเจ้าด้วนอยู่ด้วยความพิศวงอย่างไรพิกโนเมื่อทุกคนมองตามไปก็เห็นมันเดินช้าๆย้อนตรงไปยังซากเน่าของเสือ ซึงทุกคนพระมาแล้วอันอยู่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนะความใหญ่โตและมีสันหลังที่สูงลำ้ำขึ้นมาจากระดับหมู่หินทั่วไปทําให้มองเห็นร่างกายของมันอันตรงไปยังตําแหน่งนั้นอย่างชัดเจนพอถึงที่เสือนอนตายอยู่มันก็ส่งเสียงสั้นๆขึ้นแผล น, นึ่งแสดงอาการหมุนวนหันรีหันขวางเอ๊ะนั่นมันไปที่ซากเสือท่าทางเหมือนอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งดารินพูดเบาๆจ้องเขมิงและป้องปากตะโกนด้วนซากเสือตัวนั้นพวกเราเห็นแล้ว และรู้ได้ว่าราพินเป็นคนยิงไว้เจ้าด้วนวนอยู่ตรงนั้นอึดใจเดียวก็ก้าวยาวๆในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งเหยาะย้อนกลับมาที่ดารินทันทีพอถึงงวงของมันก็ตวัดขวับไปจับข้อมือหญิงสาวไว้มีอาการเหมือนจะฉุดให้เดินกำลังของช้างสารกับกำลังของสาวน้อยนางมนุษย์ต่อให้แข็งแรงสักขนาดไหนหล่อนก็ยังเซถลาตามแรนฉุดของมัน แม้จะเป็นอาการที่สุภาพเบาแสนเบาสักเพียงใดก็ตามดารินร้องลั่นอะไรกันนี่ด้วนเธอจะเอาฉันไปไหนเชิดขาชา ย, ยันและอนุชาไว้ตัวทันทีโดยเฉพาะอนุชาร้องบอกน้องสาวว่าน้อยอย่าพยายามกระชากแขนหรือขัดขืนมันประเดี๋ยวแขนหลุดเดินตามมันไปพวกพี่จะตามไปด้วยรู้สึกว่ามันอยากจะให้เธอไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งดารินข้างห้าก็ตกใจพอพี่ชายบอกมาดังนะตอนก็รำล้ำรักกับเจ้าด้วนมาปล่อยไม่ต้องฉุดฉันหรอกจะพาไปไหนก็ไปปล่อยก่อนเดี๋ยวแขนฉันหกัก เจ้าด้วนคลายงวงที่รัดข้อมือหล่อนออกแล้วใช้วิธีเสยปลายงวงพรากหลอนให้ออกเดินนำหน้าโดยมีมันเดินตามไปหลังมุ่งหน้าย้อนลงไปทางดานที่ไต่กันขึ้นมาสู่แหล่งน้าอีกสามชายและขยินถือปืนตามจี้หลังติดติดมาอย่างประหลาดใจฉีดสุดช่วระยะเส้นทางสั้นๆจากตำแหน่งแองน้าแองน้าเท่านั้นเจ้าด้วนก็ผลัก ด้วงวงเบาๆกระตุ้นให้ดารินเดินแยกเข้าไปในหมู่ป่าหินเตี้ยๆด้านขวามือและอีกเพียงไม่กี่ก้าวมันก็นํามาหยุดอยู่ตรงบริเวณที่โลง่งใต้โคนสียใหญ่พื้นที่ตรงนั้นราบเรียบเป็นดินภูเขาสีแดงแต่มีก้อนหินขนาดครบําน้าพริกประมาณสิบ ก, ก้อนวางกองพูนอยู่เป็นกลุ่มลักษณะมันเป็นการกระทําของคนไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติช้างใหญ่ใช้งวงกวาดหินที่กองสมกันเหล่านั้นกระจัดกระจายออกไปทันที ทำให้มองเห็นพื้นดินมีรอยขุดและกรบไว้เมื่อไม่นานนี้นะมันเอางาแดงเสยตรงตำแหน่งที่มีรอยขุดกรบนั้นและร้องเสียงแหลมยาวกว่าทุกครั้งเฮ้ยอะไรกันนี่มีใครมาฝังอะไรไว้ตรงนี้ช ย, ยันกระโดดเข้าไปดูเป็นคนแรกพร้อมกับร้องขึ้นส่วนเชิฐาอนุชาก็พรวดเข้ามายืดปลายล้อมดูดารินนั้นยังไม่เข้าใจอะไรนะรู้แต่เพียงเจ้าด้วนต้องการนําหลอนมาตรงนี้ให้ได้เท่านั้นพขายินวิ่งตามมาด้วยพอเห็นก็ซุดตัวลงเอามือลูบพิจานะรณาพลางพูดห้าวในลําคอ นายละพินพวกนายละพินฝังอะไรไว้ตรงนี้แนะ่และคงไม่ลึกนะไม่เช่นนั้นคงไม่ขนออกก้อนหินมาวางทับสมไว้อย่างนี้ถ้าขุดเราก็จะรู้ไอ้ด้วนมาพาเราชี้ให้ดูกลางบอกลงอินให้เอาพ่วสนามกับลูกหามาสองคนที่นี่เร็ว พี่ชายใหญ่และคณะสั่งเร็วปรืออนุชาพูดวิทยุกับนานอินอีกครั้งทุกคนรออยู่ตรงตำแหน่งนั้นยังไม่ลงมืออะไรไปก่อนทั้งสิน้นนอกจากช่วยกันสำรวจโดยรอบๆ บ, บริเวณซึ่งพอจะพบก้นบุหรีใบจา่าของพวกลูกหาคณะเรพินทิ้งไว้บ้างสองสามมวลแถวๆนั้นเสียงอนุชาบอกออกมาอย่างพิสวงสขีดว่าเอถ้ามันพิรุแฮยิ่งเสือใหญ่ อยู่หมัดไปตัวหนึ่งแบกเอาไปทิ้งไว้ให้เน่าต่ตรงนี้รอยฝังชักสังหรณ์พี่กนมีใครในพวกเขาถูกเสื้อกัดตายแน่เพราะตามรูปการแล้วซากสัตว์เขาทิ้งไว้ได้แต่คงไม่ทิ้งศพคนไว้ให้ทุเรศหรอกจึงต้องเอามาฝังไว้ตรงนี้บริเวณอ่อนพอจะขุดได้พบถ้าศพคนทั้งคนก็น่าจะโชยกลิ่นขึ้นมาบ้างแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยนี่ยกเว้นจะฝังลึกมากๆลักษณะของหลุมที่ขุดนี่เคยยินบอกแล้วดูท่าจะไม่ลึกอะไรนะถ้าคนทั้งคนลงไปอยู่ใต้แผ่นดินตื้ น, นๆเพียงแค่ เจ็ดปีวันที่ผ่านมาสพจะต้องอืดเต็มที่ดันผิวดินปริฟูขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยเชิดถาว่าขณะนั้นจะาเรือนก็ยังคงยืนสงบอยู่ตรงนั้นแวงงวงไปมาเหมือนจะบ่งความหมายให้ทุกคนทราบว่ามันได้นําดารินและทุกคนให้มาพบกับสิ่งที่มันต้องการให้พบแล้วชั่วอืดใจใหญ่ๆเท่านั้นนานอินก็เดินเคี้ยวฟักหยับหยัเดินนําลูกหาสองคนไปอย่างรวดเร็วหนึ่งในสองแบกครัวสนามมาด้วย เกือบจะเดินผ่านทางแยกขึ้นไปยังแอ่งน้ําแล้วถ้าหาขยินไม่ยืนคอยดักตะโกนเรียกอยู่พอมาถึงอนุชาก็เล่าคร่าวๆให้ฟังพบซากเสือถูกยิงตายถูกนําไปทิ้งอยู่ตรงไหนต่อมาเจ้าดวนก็โผให้เห็นและเดินนํามายังตําแหน่งที่มีรอยขุดและกรกฝังนี้หลุมแค่นี้เองไม่น่าจะเป็นหลุมศพใครแต่เดี๋ยวรู้ครูพรานเท่าก็บงการให้ลูกหักที่ติดตามมาด้วยเชือกันขุดดินลูกรังอ่อนร่วนซุยนั้นทันทีการขุดดาเนินไปอย่างง่ายดายไม่มีอะไรยากเย็นทั้งสิ้น เพราะพื้นร่วนมากผู้ขุดลุมไว้มีอาการเพียงแค่ทําพื้นให้เป็นแองและโกลยดินกรบทับตื้นๆเสียมากกว่าจะเจตนาขุดให้เป็นหลุมกว้างลึกอะไรนะดังนั้นไม่เกิน5นาทีลึกจากระดับดินกลบหน้าลงไปแค่2ฟุตสิ่งที่ถูกกลบอยู่ก็โผล่ให้เห็นโดยการโกลยดินขึ้นมาจากโกยดนินขึ้นมาของลูหกหักเฮ้ยกระดูกหน้าแข้งกับหัวกระโหลกชายาตอุทานลั่นเพราะนั่ก็กระโดดโยงเมื่อสิ่งอันเคยเป็นร่างกายมนุษย์เพียงแค่2ชิ้นนั้น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 เหมือนเนื้อตาแห้งไม่ใช่ศพหมายที่ขึ้นเฟขุดต่อไปสิเผื่อจะพบส่วน อ, อื่นๆ อ, อีกบ้างเชิดาขโมดคิ้วอย่างพิศวงสั่งต่อไปโดยเร็วลูกหาบสองคนช่วยกันระดมขุดต่อไปอีกทันทีโดยมีขยินกับนานอินช่วยกันโกยดินอีกสองแรงต่อมาอีกพักใหญ่ก็พบหินดานอยู่ข้างใต้เลืกลงไปอีกเพียงแค่ฟุตเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะใช้พลวสนามขุดเจาะต่อไปได้และมีมีเศษกระดูกหรือชิ้นส่วนใดของมนุษย์ให้ค้นพบอีกเลยตำแหน่งที่ฝังกลบไว้นั้น เป็นเพียงแค่หัวกระโหลกกับส่วนหน้าแข้งผุๆเท่านั้นทำไมศพถึงมีอยู่แค่นี้แล้วมันเป็นศพของใครกันนี่อนุชาอุทานออกมาแต่ที่แน่ๆก็คือพวกของระพินเป็นผู้กรบฝังไว้แน่สภาพศพมันเก่าแต่รอยฝังมันใหม่ๆแสดงว่าเขาก็เพิ่งจะพบซากที่ไม่สมบูรณ์นี้เอาในวันที่มาถึงที่นี่เหมือนกันเชิฐาออกความเห็นครูพรานผู้เท่าย่นหน้าเอามือลูปคางติดอยู่คิดอยู่พักใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายทั้งหลาย นานอินพอจะมองเห็นอะไรเขาเขาขึ้นมามั่งและขอให้นานอินไปดูที่ซากเสือตัวนั้นหน่อยเหอะอนุชาสั่งให้ขยินนานานอินไปดูบริเวณที่ซากเสือนอนตายอยู่ที่นั่นทั้งสองหายไปพักใหญ่ก็หวนกลับมายังตําแหน่งหลุมฝังชิ้นเก่าส่วนเก่าของศพอีกครั้งพอมาถึงนานอินยังไม่พูดอะไรตรงเข้าไปที่กระโหล KN ั้นทันทีก้มลงพิจารณาอึดใจเดี๋ยวแกก็บอกเสียงดังได้ยินทุกคนในที่นั้นว่า ถ้าไม่เห็นกับตาพบหลักฐานแค่นี้นานอินก็เดาถูกหมดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรเดายังไงอนุชาถามแก้หัวล้วหืๆในลำคอลุกขึ้นปัดฝุ่นจากมือถึงนานอินไม่บอกในชดก็ควรจะเดาถูกถ้าคิดไปถึงเสือกินคนที่เข้ามาอารวาที่ซับบอลลากเอาลูกชายของไอปีหายไปชนิดตามร่องรอยไม่ได้แล้วคณะของนายลพินผ่านมาที่ซับบอนไอปีบอกเรื่องเสือของให้นายลพินช่วยตามแต่ฟารังมันไม่ยอมบอกให้เดินทางต่อ เออจริงสิลุงแล้วยังไงต่อชยันซักในขณะที่เชิฐาและดาวรินจ้องหน้านานอินเปงเมื่อไอฟ้าลังเห็นแกตัวพวกนั้นมันไม่ยอมให้นายละพินตามเสือนายละพินแกก็ไม่ตามออกจากที่นั่นก็เดินทางมาที่โป่งน้ําร้อนนี่เลยไอเสือเวีตัวที่ลากเอาทะเยลูกชายเจ้าปีไปกินก็ตามคณะของนายละพินมาที่นี่ด้วยเพราะมันน่าจะมีเหยื่อที่มันจะจับกินได้ง่ายกว่ามูจะไปเฝ้าอยู่ที่ซับบอนเพราะพวกนั้นเตรียมระวังตัวพร้อมดักยิง ดักจันห้าวกันอยู่เสือมันคงลากเอาทะเยมากินแถวแถวนี้แหละโดยคาบลากมาเรื่อยเรืชิ้นส่วนของศพถึงขาดขาดหายหายไปเหลือไม่ครบทั้งตัวเพราะมันอยู่ที่ไหนมันก็แทะที่นั่นยังเหลืออยู่ก็คาบติดปากไปแทะกินต่อเรื่อยๆนายลพินพาฝรังมาพักคืนที่นี่ไอ้เสือกินคนก็คงจะหมายเล่นงานใครสักคนใกล้ใรบริเวณแอ่งน้ํานี่แหละโดยซ่าเก่าของไอท้ทะเยะที่ยังแอบซ่อนอยู่แถวแถวนี้นายรพินแกก็เลย ต่อเข้ากลางกระโรกดับดิ้นไปแล้วให้เอาไอเสือไปทิ้งไว้ตรงโน้นส่วนด้านนี้เพื่อไม่ให้ทุเลตตาแกเห็นศพ บ, บางส่วนของไอทะเยแกก็เลยให้พวกนั้นช่วยกันกรบเซี๊ยเรื่องมันก็แค่นั้นเองอนุชาพยักหน้าช้าช้ยังเห็นด้วยแต่เชษฐานไปถามน้องชายว่าเธอลองสรุปสิพี่ฟังลุงอินพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแฮเสือกินคนตัวที่นายบ้านซับบอลเล่าให้เราฟัง มันพบจุดจบโดยละพินตรงนี้ครับแล้วละพินก็ค้นพบซากบางส่วนของทะเย่ด้วยจึงฝังเจือเขาไม่ต้องการออกตามให้เสียเวลาตามที่นายจ้างห้ามไว้แต่เสือมันตามพวกเข้ามาเองจึงถูกกำจัดลงได้ตอนที่เราผ่านซับบอรลกเรียงปีก็บอกกับพวกเราไว้แล้วภายหลังจากก็พินเดินผ่านค้นหมู่บ้านไปแล้วเจ็ปวันมานี้ไอ้เสือกินคนที่ลากเอาลูกชายของมันไปไม่ปรากฏร่องรอยได้ใดอีกเลยซึ่งก็จะปรากฏร่องรอยได้ยังไงในเมื่อ เพียงแค่วันต่อมาเท่านั้นมันก็จะเอากระสุนของเราพินดับเสียแล้วเรายังทายกันไม่ถูกท่อนนั้นว่าการพบซากของลูกชายกระเลี่ยงปีกับการยิงเสือตัวนั้นของเราพินอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเขพบซากก่อนหรือยิงเสือก่อนและจึงพบภายหลังส่วนระหว่างยิงนั้นเราก็ลงความเห็นกันแล้วว่าคนยิงในขณะที่มันกําลังกระโจนเข้าใส่คนใดคนหนึ่งแน่นอนอาจเป็นลูกหาหรืออาจพวกฝรั่งพวกนั้นคนใดคนหนึ่งที่อาบน้ําแถวๆนี้ก็ได้อืออดีตบ่าวนายคู่นี้ เขารู้ใจอะไรเขารู้เขาเข้าใจอะไรกันได้ดีฮะชา ย, ยันพึมพำเบาๆสือนดารินยังกังขาแล้วเดินไปที่หลุมที่ขยายกว้างออกไปนั้นเพื่อจะตรวจดูให้แน่ว่าไม่มีชิ้นส่วนอื่นๆของศพอยู่อีกและถามหนานอินว่ะลุงอินสันนิษฐานตามเหตุผลจริงแวดล้อมแต่บอกฉันหน่อยได้ไหมศพที่เห็นแต่หัวก็โหลกและหน้าแข้งอันเดียวแค่นี้ลุงได้ยังไงว่าเป็นทะเยลูกชายของกะเหลี่ยงปีที่ซับบอลจะตอบหน้าตาเฉยก็หนานอินรู้จักไอทะเยลูกชายของไอปีดี จากซากนี่ตายมาร่วมเดือนแล้วเหลือแต่หัวกระโหลกกับเศษผมบางส่วนเท่านั้นลุงอินจําได้ยังไงว่าเป็นทะเยหล่อนซักต้องการความจริงมากกว่าจะลองภูมิอะไรอะไรแกซึ่งความจริงนะนานอินก็ไม่มีภูมิอะไรมิแต่ความชํานาญในอาชีพเดินป่าและรู้จักคุ้นเคยกับชาวป่าเท่านั้นนานอินจําหน้าไอ้ไทเยไม่ได้หรอกานายหญิงเพราะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าของไอ้ไทเยแล้วแต่เป็นหน้าผีถึงนั้นก็เหอะไอ้ไทเย่ฟันหน้าข้างบนมันมีสีฟันหน้าข้างบนของมันสี่ซี่ไม่มี ไอหัวกะโหลกนั่นก็ไม่มีเหมือนกันนานอินก็ว่ามันจะเป็นใครอนได้ไปยังไงนั่นคือหลักการที่สูตรตามแบบนิติเวชวิทยาเปรียบซึ่งนานอินไม่ได้เรียนมาแต่มันก็ตรงกับหลักเกณฑ์ที่น่าจะสันนิษฐานเช่นนั้นได้เชิดากับชยันหันดูหน้าดารินเหมือนจะถามว่าพอรับฟังได้ไหมหนอนก็รอพยักหน้าช้าๆเพราะตัวเองก็ตรวจสอบไว้เช่นกันศพนั้นฟันหน้าด้านบนหักไปสี่ซี่จริงๆเสียงนานอินเอ่ยถามรวมๆต่อว่าไปว่า แล้วนี่ยังไงล่ะนายไอ้ด้วนมันพามาที่หลุมกบซากนี้เลยใช่ดารินตอบมันทําอาการประหลาดอยู่คือไปดูที่ซากเสือจากนั้นก็ฉุดทั้งดึงฉันให้มาที่นี่ทีแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องการให้มาดูอะไรพอเห็นมีรอยขุดดินกบก็เลยสั่งให้ไอ้ลุงเอาพลั่วมาลองขุดดูนี่แหละห่าถ้างั้นก็ชัดไอ้ด้วนมันจะต้องรู้อะไรดีๆถ้ามันพูดได้มันก็คงจะบอกนายหญิงจ้อยๆไปหมดแล้วว่านายระพินไปทางไหนเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่เราก็รู้กันแล้วว่าศพเทเยที่เสือลากหายไปถูกพวกของนายละพินคนพบและช่วยฝังให้ตรงนี้เองโดยไม่ได้ย้อนไปส่งข่าวบอกให้พ่อมันรู้ส่วนไอ้เสือที่ลากทะเยไปกินก็ดับสิ้นไปแล้วโดยนายละพินไม่ต้องไปตามให้เสียเวลามันโดดเข้ามาชนลูกปืนของแกเองไม่มีเสือกินคนตัวไหนอยู่ในป่าละแวกนี้ได้หรอกท่านนายละพินยังอยู่เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วแกก็หันไปทางเจ้าด้วนซึ่งยังยืนอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนและไม่แสดงอาการตื่นกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้จะมีคนมารวมกลุ่มกันมาก ร้องถามว่าว่ายังไงไอ้ด้วนพ่อของเองตอนนี้ไปอยู่เสียที่ไหนช่วยพาไปให้พบทีเหอะเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้พูดปรึกษาและดูซากรกระโลงกันอีกเพียงครู่เดี๋ยวเชษฐาก็สั่งให้กรบซากไว้ที่เดิมจากนั้นก็บอกให้น้องสาวและเพื่อนกลับไปยังแหล่งน้ําตามเดิมเพื่อจัดการน้ํำให้เรียบร้อยเพราะเริ่มจะมืดลงทุกขณะแล้ว นานอินกับลูกหาบสองคนที่ถูกเรียกมาก็กลับไปแคมป์สวนเจ้าด้วนพอเห็นดารินเริ่มเคลื่อนที่มันก็ออกเดินตามต้อยๆ ย, ยไปเหมือนช้างเลี้ยงตามความและประพฤติตัวมีมารยาทดีที่สุดไม่ทะลึ่งลงไปเล่นแลอย่ำกวนน้ำในแอ่งที่มีอยู่จำกัดให้คุณเลยหากแต่ไปยืนหกักยอดไม้กินอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งที่ดารินเข้าไปชาระสะสางกายเป็นคนแรกดารินอาบน้าไปพางก็คอยสังเกตดวการของไอ้ด้วนไปพรา มันยืนเหมือนผู้พิทักษ์อยู่ไม่ห่างจากวงล้อมของหมู่หินที่ใช้เป็นห้องอาบน้ำนั้นนะักใช้งาเสยมูลดินอันมีลักษณะเหมือนปลวกและเอางวงกวาดใส่ปากซึ่งโดยประสบการณ์หลอนรู้ว่านั่นคือดินโป่งหรือ ด, ดินที่มีรสเค็มและแคลเซียมซึ่งสัตว์ป่าต้องการแน่และตำแหน่งนี้ก็มีชื่อเรียกรวมกันแล้วว่าโป่งน้าร้อนคือมีทั้งดินโป่งและมีแอ่งน้ำซับซึมขึ้นมาจากใต้ดินความเย็นของอากาศ ที่มืดลงอย่างพวาัวพ่าพอันเป็นธรรมชาติของป่าดงทําให้รู้สึกหนาวสะท้ า, านยังก็ทันหันแต่น้ําทั้งสองถังใหญ่ที่ขยินตัดมาให้ซึ่งเราจะต้องพยายามใช้อย่างประหยะัดเพราะไม่ต้องการให้มันต้องหิ้วมาเพิ่มเติมบริการซ้ําซากบ่อยๆครั้งนั้นมีอุณหภูมิอุ่นสัมผัสผิวได้ชัดบริเวณนี้จึงถูกขนานน้ำจากชาวป่าอย่างถูกต้องแล้วมีดินโป่งจริงมีแหล่งน้ําจริงและอุณหภูมิของน้ําก็อุ่นอยู่ชั่วนิดนี่ันจริง เสีงพี่ชายทั้งสองชายยันและขยินนั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไปไหนเป็นเพื่อนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ผู้หญิงชินป่าพจนภัยหนักมาแล้วอย่างดารินไม่เคยหวั่นเกรงอะไรทาหาไรไกลเฟื่องวางอยู่ใกล้ๆมือหล่อนเช่นนี้หล่อนอยากจะตะโกนพูดคุยอะไรกับช้างเพื่อนแก้วตามที่หัวใจร่ําปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากถามมันไปถึงชายคนรักว่ารู้บ้างไหมป่านี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรช่วยนําทางประหพบโดยเร็วที่เถอะ แต่ไม่กล้าที่จะเอ่ยคำใดออกมาดังใจไปเพราะพูดไปพวกพี่ๆเพื่อนๆก็จะหาว่าบ้าเสียเปล่าๆแล้วอีกประการหนึ่งคำตอบของเจ้าด้วนถ้าจะมีได้สำหรับหลอนก็มีสำเนียงอยู่อย่างเดียวคือแอะแอก็เท่านั้นเองหลอนแปลไม่ออกว่าแอะแอของมันหมายถึงอะไรนอกจากรู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นการเปล่งเสียงแสดงถึงความพักดีเป็นมิตรเท่านั้นตะวันลอยตัวต่าลงทุกขณะทางหุบด้านล่าง แดดผีตาพระอ้อมสาสลัวลงมาจับใบหน้าของหลอนขณะที่ประสานมือทั้งสองวักน้ําในถังรูปใบหน้าอยู่เสียงเช น, นีที่ไม่เคยเห็นวิวแววมาตลอดเริ่มโมกโวยมาแต่ไกลดงจากดงในหุบลึกเบื้องล่างหล่อนซึมหยุดการเคลื่อนไหวไปอีกตามเมืองมองดูลําแสงตะวันชิงครบลักษณะอันวังเวงนั้นแต่แล้วขณะนั้นเองในโซดส่วนลึกสุดหรือมิฉะนั้นก็โดยทางจิตสัมผัสยังได้อย่างหนึ่งที่แยกไม่ออกหล่อนแวว ล, ลานําเพลง อ่อนหวานซึมเศร้าเพลงหนึ่ง ล, ลีลาทุ้มต่ำทั้งไพเราะของเนื้อแบบกวีและท่วงทำนองเยือกเย็นเยือกเย็นใจว่าจำได้ชนิดไม่ลืมเลือนไม่ควรจะเป็นเสียงของใครนอกจากแง่สายอดีตคนใช้ชาวดงในยุคนั้นถ้อยคาอันเกือบจะเป็นบทรักร้อยถ้อยคาอันเกือบจะเป็นบทร้อยกรอนนั้นหล่อนคับคล้ายคร้่าวว่าเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนานนมแล้ว เบ้นแต่จะไม่เคยสนใจหรือเงียโสตั้งใจสดับในความหมายของมันเท่านั้นเพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องสนใจแต่ในบรรยากาศเช่นที่แวดล้อมตัวหลอนอยู่ในขณะนี้หลอนจำต้องใคร่ครวนตั้งใจฟังไปทุกวักทุกตอนเพลงนั้นมีใจความว่าสนธยาฟ้าแดงสุรีร้อนแรงโอยอ่อนรอนแสงหมุนมัวสกุณารีกหารังตัวชนีพเพียกผัว รัวร้าวร่ำกลำํากาสวนโอ้ชีวิตชีวิตจิตใจมันหมองมัวเป็นไข้พี่ไรพี่ราบครวนสิ้นตะวันสวงสันจารันรันจวนเห็นลลางพกพลางล่างนวนให้โหยหวนชวนเศร้าสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฝงแดนใจเราสายันเงื้อมเงา ลบลางสล่างสลาจากพ่วงหาวพราวใจฟ้าแดงฟ้าแดงผันแปลเปลี่ยนแปลงแผลงไปกราบอาสันฉันยังฝันไฟจูบแดนฟ้าอาไลฝังรอยลักใกรฝากเธอดารินวราฤทธิยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าน้ำตาไหลพร่ากายสั่นเทิม การร้องไห้ไม่ช่วยอะไรใครได้ขึ้นมาหรอกนายหญิงเสียงอันปราศจากที่มาแน่นอนนั้นกระซิบรอนสันชิษาทั้งที่ยังปิดหน้าสะอื้นอยู่ฉันฉันทนไม่ไหวแล้วแง่ทรายเสียงเพลงของเธอมันบีบขั้นหัวใจฉันเหลือเกินทําไมนะเธอถึงได้แทรกซึมเข้ามาแฝงอยู่ในอนุสติของฉันตลอดเวลาทําไมฉันไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของเธอบ้างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้จะได้เป็นคู่คิดคู่ปลอบใจให้ใครกังวลบ้าง ตอนนี้แม้ฉันจะอยู่ถาำกลางพี่น้องเพื่อนสนิทและเบาปู้พักตีแต่ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของฉันเลยหาความอบอุ่นใจไม่ได้สักนิดเมื่อปราศจากเขาด้วยเธอผิดกับเมื่อสมัยก่อนนี้นะไม่มีเสียงต่อมมาจากแงซายในจิตใต้สํานึกของหล่อนแ ล, แล้วก็มีอีกเสียงชราก่อไปด้วยความการุนยิ่ง แผ่วแทรกมาแทนเหมือนจะเป็นการเตือนสติว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือลุกคเทพอากาศเทพใดๆทั้งสิ้นแต่น่าจะเป็นเสียงเทศนาของอรหันต์มหาฤาษีโกนธัญญะแห่งเทือกเขานินการที่หล่อนเคยไปนมาสการกราบไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งนนไม่คิดจะอาบน้าต่อไปอีกแล้ว ในเรือนร่างเปลือยเปล่าดารินคุกเข่าปิดหน้าร้องไห้ยอยู่ในหมู่โขดหินหน้าถังน้ําที่ขยินตักมาให้อาบสองถังเต็มๆนั่นเองก่อนจะหลับไปได้วยความอ่อนเพลียในสายยันนั้นพระพิน์ไพรวันจําได้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เพียงว่าคริสติน่าได้เข้ามาดูตรงที่เขานอนอยู่ใต้ล้มไม้สอบถามว่าไม่สบายหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาว่าไม่ได้เป็นอะไรนอกจากจะคอ ง, งีบสักครึ่งชั่วโมงหล่อนก็กระซิบบอกว่าหลับและฝันดีนะเช่นไปละ่ะ แล้วชายผู้เกิดไมได้ความอาภัพอับโชคที่สุดผู้นี้ก็หลับไปในทันทีแต่แทนที่เขาจะฝันดีอย่างที่คริสอวยพรให้ในฝันมันกลับร้ายกาศเหลือประมาณฝันชนิดใดเล่าจะร้ายสำหรับผู้ชายทุกคนเท่ากับว่าฝันเห็นหญิงอันเป็นยอดสุดที่รักโดยแต่เห็นแต่เพียงภาพเงาอันห่างไกลโบกมืออำลาห่างออกไปทุกทีชนิดที่ร้องตะโกนเรียก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 นกเขาป่าเหนือยอดไม้ขึ้นไปสะบัดขนเบาๆดูเหมือนตัวโดโดโดดร้องจู้หุกกรูอยู่บนนั้นเป็นนกเขาใหญ่ประสาทสัมผัสบอกว่าตาหลับแต่ทำไมถึงมองเห็นไอ้ภาพในแสงสีหมากสุขของทิวาการก่อนจะลาลับไปนั้นแงซายใช่ไอ้หมอนั่นแหละไม่มีใครกำลังเดินตัดแสงสนธยาการเข้ามาและสุดตัวลงนั่งบนถุงข้อสารปลายเท้าเขา เยอะออกไปเล็กน้อยพอแลกันได้ถนัดใบหน้าที่หมดจดเหมือนสตรีเพศเต่สง่างามแบบบุรุษเพศนั้นยิ้มให้เขาอย่าเพิ่งตื่นผู้กองหลับต่อไปเถอะแงซ า, ายจะกล่อมให้เอาไหมไอ้บ้ามาอีกแล้วเอาแล้วกันทิแต่ผู้กองนี่ไม่อยากพบไล่แงซ า, ายไปก็ได้ร่างในชุดเกรียงดงนั้นช่วยวินจุดสี่สี่ ยืนขึ้นแตระพินถอนใจเอาละไม่ต้องไปหรอกนายแกว่าจะร้องเพลงกล่อมฉันโอละเหโอละหึกลุกขึ้นดึกๆึกทำขนมแชงมาโทวเวนตะไลนี่แงสายเอามือที่วางอยู่บนเข่าเท้าขางตาเป็นประกายคมปราบจับนิ่งมาที่เขากำลังฝันร้ายเหรอเอออย่าฝันร้ายไปเลยนายหญิงยังรักผู้กองอยู่ยังไม่มีวันเสื่อมสลายแกรู้ได้ยังไง เฮ่นหน้ารู้กันแล้วกันว่าแต่ผู้กองเหอะฉันทำไมเฮอะเหอะหัวเราะแบบยัว่วแล้วก็ร้องเพลงออกมาว่าน้ำตาลใกล้มดใครอดได้รสหวานเอมใจเตืนอนฤทัยให้ต้องพันพัวหวานสนิทอมฤตเอมรสมดเห็นก็สันรัวคนอย่างฉันไม่เคยเป็นมดใกล้น้ำตาลกับผู้หญิงคนไหนทีนี้ถ้า น้ำตาลมันดันมาใกล้มดเองล่ะเลิกพูดหรือร้องเพลงบ้าๆนั่นจะียทีถ้างั้นเอาใหม่นะเอร้องเพลงอะไรให้ผู้กองฟังดีล่ะตอนนี้ผู้กองนอนเดียวดายอยู่ในป่าไม่ใช่หรือก็เห็นอยู่นี่ได้ยินเสียงนกเขาบนยอดนั่นไหมล่ะมันร้องยังไงนะคุกคลุกคุกคูปาโลมา ไอใหญ่ๆญใหญ่ยาปาโลหมานี่แกจะยั่วให้ฉันลุกขึ้นเตะแกให้ได้ว่างั้นเหอะเอาใหม่เอาใหม่ผู้กองฟังให้ดีนะบางทีถ้าตั้งใจฟังดีๆผู้กองอาจได้ยินเสียงของนายหญิงลอยลมต่อเพลงของแงซ า, ายมาด้วยโอ้ป่าเขาลำเนาไัยโอบฝันร้ายไว้ในอ้อมพลึกเศร้าจูบด้วยลมชมเชยเงาแทนรักเขาเคล้าร่างพรางร้างหายฉันยังรักเธอณ น, นี่ แล้วเจ้าหนุ่มโฉมงามผู้มีเสียงราวกับกรเวก็ทำหน้าถึงขังที่มาที่เขาถามคาดคั้นมาว่าใช่ไหมใช่ไหมรู้ว่าไม่รักและตอนนี้แง่าสายแกรู้จักฉันดีกว่าแกรู้จักฉันดีว่าฉันรักนายหญิงของแกเพียงใดเขาพูดเสียงเครือเอ้าถ้างั้นคอยฟังให้ดีว่าแล้วแง่าสายในจินตนาการก็เอามือป้องหูเอียงหน้าแต่ตาล้อจับมาที่เขาแล้วก็จิงดังว่า ระพินได้ยินเสียงเหมือนแม่ดอกฟ้าดารินของเขามากที่สุดแววมาจากที่ใดที่หนึ่งในท่วงทำนองเพลงของแง่สายที่ร้องคางไว้ประสาน ร, รับต่อกันได้พอดีว่าน้องยังรักพี่มิคลายแล้วใหญ่รักจางร้างง่ายแง่สายแงนหน่าร้องถามไปเหมือนจะเป็นตัวแทนเขาเสียงดารินแววจากฟ้าตอบมาอีกเพราะเราแพ้ไพ่เคราะห์กรรม อดีตเจ้าหนุ่มพนเจนจรหัวรอดเบาๆและร้องต่อรักหนอยังล้อหลอนโศกสั่งเถื่อนสะท้อนครอนหัวใจไหวชำ้ำรักติดตามข้ามดินฟ้ามาครวนคร่ำเสียงมันเร้ามันร่ำพร่ำไพรพิไยสาเรานกเขาบนยอดไม้ร้องขึ้นพอดีพร้อมกับเสียงดารินจู้ฮูฮุกครูเขาคูคร่ำครวน จู่ฮูฮุกกรูเจ้าร้างนวลโศกส่วนซพเศราภาพเงาของแง่ทายแผ่วเสียงลงต่อเพลงนั้นอย่างผสมผสานกลมกลืนท่อนจบเขาเจ้าเอยอย่าเลยร้องทํานองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปคว้านสวงรับพินไพรวันชาดิกไปหมดทั้งระบบประสาทเสียงดารินจริงจริงที่ร้องตอบคําร้องถามของแง่ทายมา ตามท่วงทํานองเพลงนั้นน้ำตาของเขาซึมแง่าสายลุกขึ้นยืนช้าๆบอกยิ้มยิ้มมาว่าแง่สายไปแล้วนะผู้กองแล้วก็โน่นน้ำตาลกำลังเข้ามาหาหมดแล้วแล้วก็อยากกลายเป็นไอ้มดตัวที่ตะกระไปเสียนล่ะรักแท้ยังรออยู่ข้างหลังกำลังติดตามมาด้วยโชคดี ขาดเสียงเจ้าเพื่อนยากในสมัยอดีตอันเห็นในภาพขนาที่ปิดตานั้นก็ก้มศีรษะให้เขานิดหนึ่งพร้อมกับถอยห่างออกไปและพร้อมกันฝ่ามืออ่อนนุ่มก็วางลงบนอกเขาแตะและสั่นเรียกเบาๆประพินคุณหลับไปกับสองชั่วโมงแล้วนะตื่นขึ้นมาทานอาหารเย็นเสียก่อนเถอะแล้วค่อยนอนต่ออาจารย์ให้ฉันมาปลุกคุณเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆคริสตินากรูบิน น้ำตาลของแง่สายกำลังก้มลงมองเข้าอยู่ก่อนแล้วด้วยดวงตาสีฟ้าเต็มไปได้วยแววอาทรห่วงใยระพินดึงกายที่มีลักษณะเหมือนผีอมเมื่อครู่นี้ขึ้นมานั่งทันทีมือทั้งสองยียิ้มแล้วลืมขึ้นกวาดมองไปรอบๆ อ, อีกครั้งแสงแห่งทิวาการกำลังจะหมดสิ้นไปแล้วความมืดสลัวลยตัวปกคลุมอนาบริเวณ และกองไฟที่พวกลูกหาบก่อไว้เป็นหย่อมๆเริ่มส่องแสงพรอมแพรมห่างออกไปบนเรือนของกระเลียงห้วยเสือร้องที่คณะทั้งหมดมาหยุดยังพักแรมอยู่ก็ปรากฏแสงใต้ปักอยู่ตามเสาเรือนระหว่างผมหลับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคริสเขาถามเป็นประโยคแรกยังสุภาพปล่อนพยักหน้าเรียบร้อยดีที่สุดพวกเรารอเวลาตื่นของคุณเห็นค่าลงแล้วเขาก็เลยให้ฉันมาปลุก พวกเรากำลังรออาหารเย็นพร้อมคุณหลอนบอกเสียงเย็นเย็นเรียบเรียมองประสานสายตาเขานิดหนึ่งก็หลบไปยังละอายใจเมื่อหัวนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนบ่ายที่หลอนเกือบจะระเบิดกระสุนปืนเข้าใส่แผ่นหลังเขาเสียแล้วด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบและเขาก็ไม่ได้โตตอบรุนแรงอะไรเลยตรงข้ามก้วใช้คำพูดและอาการที่สุภาพอ่อนโยนและกินใจที่สุด ซ้ำอย่างช่วยกลบเกลื่อนปิดบังไม่ให้ใครอื่นที่ร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยในขณะนั้นได้ละแค่ละคายถึงอารมณ์ดีเดือดหมดสติยึดเหนียวไปชั่วขณะของหล่อนหากแต่บอกว่าหล่อนทำปืนลั่นโดยไม่ตั้งใจคุณล่วงหน้าไปก่อนเธอผมขอเวลาสักสองนาทีเท่า น, นั้นขอล้างหน้าสักนิดคริสตินาปฏิบัติตามคำสั่งของเขาโดยดีลุกขึ้นช้าๆเดินกลับไปยังกระโจมพักของหลอน ในขณะที่ละพินลุกขึ้นยืนบิดกายลั่นกรอบแกลไปหมดแล้วหันเข้าหากระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆเทออกรองไว้ในฝ่ามือและลูบขยี้ใบหน้าและต้นคอเพื่อขับไล่ความงุนงงงงงงเงียออกไปการได้พักหลับไปได้แม้แค่เกือบสองชั่วโมงภายหลังจากกรมหนักมาตลอดคืนและวันเต็มๆก็ยังดีกว่าไม่ได้พักเลยพอได้น้าก็พอจะแช่ชืนขึ้นบ้างไม่อยากจะคิดถึงฝันร้ายของตนเอง ไม่อยากจะคิดถึงแง่ทายในจิตใต้สำนึกและเสียงเพลงเศร้ากินใจที่แววเข้ามาทางสมองและดวงจิตบัดนี้เขากลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นรับพินภรรยวันพุดเต็มไปด้วยภาร ก, กิจที่จะต้องปฏิบัติรั บ, รบใช้ในายจ้างต่อไปตามหน้าที่อัญเชลีเลี่ยงไม่ได้ใช้พาเขามาผืนเก่าที่เคียนพุงอยู่นั่นแหละซับหน้าล้วงกระเป๋าหลวง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 ที่เฝ้ารอคอยอยู่สักคำเดียวก็ขอตัวไปนอนพักยังอิดโรยเต็มที่ซึ่งพวกนั้นก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขาเพราะให้นอนพักผ่อนโดยดีดารินวราฤทธิ์นั่งคุกเข่าซบหน้าร้องไห้เงียบๆกับฝ่ามือของตนเองนานเท่าใดไม่ทราบได้หลอนได้สติรู้สึกตัวขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงพี่ชายใหญ่ร้องเรียกดังๆข้ามโขดหินมาว่าน้อยตื่นจากผวาเศร้าผวาเงยหน้าขึ้นแล้วขานต่อไปอยังรีบด่วนคะพี่ใหญ่ อะไรกันนะ่ะอาบน้ำหรือทําอะไรทําไมมันถึงช้านะหายเงียบเข้าไปตั้งร่วมสิบนาทีแล้วไม่ได้ยินเสียงน้ําซักสู้เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่าค่ะพี่ใหญ่น้อยเสร็จเดี๋ยวนี้แหละละล่ำละละักตอบออกไปแล้วใช้หม้อสนามตักน้ํารดกายอาบอย่างรวดเร็วเสียงชายยันบนอู้มาวะคนเข้าคิวรอจะอาบน้ําอยู่ตั้งสามคนทอดหุยละเลียดอยู่ได้เห็นเงียบฉี่ไปเลยนึกว่างูฉกตายเสอีกล่ะ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 จุดบุรี่สูบอัดควันหนักๆไม่มีใครสนใจกับหล่อนอีกเมื่อเห็นอาบน้ําและโผล่กลับออกมาแล้วเช่นนี้ขยินวิ่งไปทําหน้าที่บริการตักน้ําไปตั้งไว้ในตําแหน่งเดิมโดยใช้ถังคู่เกา่าชายยันเป็นคนที่สองที่เข้าไปอาบ พ, พลับเข้าไปในซอกมูหินของห้องอาบน้ําจําเป็นนั้นเขาก็ร้องตะโกนเรียกเจ้าด้วนดังๆเฮ้ยด้วนมายืนเฝ้าตรงที่เองยืนเฝ้าแม่ของเองหน่อยสิวะหน่อยแนะ่ พอแม่ของเองอาบเสร็จเองก็ไม่ยอมเฝ้าอีกเลยนะไม่ยุติธรรมนี่หวา่ชาชัยยันมีนิสัยเหมือนเดิมสนุกสนานขี้เล่นและพยายามทําให้คณะพ่อนคลายความตึงเครียดได้เสมอเจ้าด้วนนั้นเดินเข้ามายุดยืนอยู่ด้านหลังของดารินหลอนหันไปลูกงวงบอกด้วยเสียงอ่อนหวานว่าไปด้วนไปยืนดูต้นทางให้เขาหน่อยทางด้านโน้นไม่มีพวกเราคนไหนเฝ้าอยู่เลยมันนั่งกันอยู่ตรงนี้หมดประเดี๋ยวอะไรมันคาบชัยยันไปพวกเราไม่มีทางรู้ได้ ช้างป่าแสนรู้ไม่ขยับขยื่นหรือปฏิบัติตามที่หล่อนจะขอร้องใดใดทั้งสิน้นคงยืนอยู่ใกล้ใกลหล่อนเฉยเช่นนั้นเชิดทากับ อ, อนุชามองเห็นเขาก็หัวเราะ บ, บอกเข้าไปว่าหมดหวังชัยยานันแกอาบไปคนเดียวเถอะเรื่องที่จะให้เจ้าด้วนไปคอยเป็นการ์ดให้แกหน่อยให้แกเหมือนน้อยนะไม่มีทางหรอกมันมายืนอยู่ตรงนี้รีบๆอาบเข้ากัาแล้วกันมือจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วชัยยานันบนอีกด่าเจ้าด้วนเงืองำ ทกแรงพูดสนุกๆไปงั้นเองอาบน้ำไปพรางก็ร้องเพลงไปพรางทำจิตใจให้ผ่องใสครึกคลื่นฝืนความรู้สึกของตนเองแต่และอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็มีอาการเงียบงันไปเช่นเดียวกับดารินเมื่อสักครู่นี้เช่นกันเมื่อแงนมองขึ้นไปบนยอดไม้เห็นชนีตัวเหลืองอ๋อยเกาะกิ่งไม้สองมือก้มหน้าลงมามองเขาอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าที่อกของมันมีลูกน้อยเกาะติดนางแม่อยู่ด้วย ทำให้ต้องหวนคิดไปถึงลูกชายที่เพิ่งเกิดและตัวเองก็มีความจําเป็นจะต้องพระจากมาอย่างไม่รู้อนาคตป่านนี้ลูกเมียข้างหลังจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบเจ้าหนูไพรวันน้อยผู้อายุได้แค่สองวันณนะวันที่จากมากับมาเรียเมียรักความรู้สึกของชายยันยามิแทบจะไม่ผิดอะไรกับดารินเลยในการพรัดพรากจากสิ่งที่รักหากจะเพี้ยนกันออกไปบ้างก็เพียงแต่ว่า สำหรับชัยยันนั้นเขารู้แน่ว่าทั้งลูกและเมียอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยแน่แล้วตัวเองจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรจะได้กลับไปเห็นหน้าอีกหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนดารินนั้นไม่มีหลักประกรัในใดๆที่จะเชื่อมั่นได้เลยว่าจะพบชายคนรักของหล่อนได้ที่ไหนในสภาวะใดเพื่อนหนุ่มอาบน้ําเสร็จอย่างรวดเร็วและกลับมานั่งเป็นเพื่อนดารินต่อไปก็เห็นเชิดถาและอนุชาที่พลัดกันเข้าไปอา่า ใช้เวลาไม่นานนกะพอเสร็จสับเรียบร้อยทั้งสี่คนรวมทั้งขยินก็บายหน้าตัดป่าหินตรงบริเวณแอ่งน้ํานั้นกลับลงมายังบริเวณแคมป์ที่พักโดยมีช้างใหญ่เดินดุ่มดุ่มตามหลังมาได้อย่างกระชั้นชิดเล่กับว่ามันจะเป็นคณะด้วยตัวหนึ่งในการร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ดารินนั้นเดินล้าหลังเพื่อนคอยกวักมือเรียกให้มันตามมาทุกระยะเพราะโดยใจจริงแล้วหล่อนไม่ต้องการให้เจ้าด้วนแยกทางห่างตาไปไหนทั้งสิ้น เมื่อถึงแคมป์ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วโดยการจัดเตรียมอย่างชำนาญของหนานอินลูกหาจับกลุ่มกันกินอาหารอยู่ก่อนแล้วในหมู่ของพวกตนฟืนไฟก่อลายล้อไมไปทุกทิศเท่าที่จําเป็นและอาหารกระป๋องสําหรับฝ่ายเจ้าหน่ายก็ถูกนาออกมาตั้งเตรียมพร้อมไว้ให้รอแต่การเปิดฝาแล้วอุ่นเท่านั้นแม้จะมีการรู้กันล่วงหน้าก่อนแล้วในบรรดาลูกหาว่ามีช้างป่าที่คุ้นเคยกับคณะเดินร่วมอยู่ด้วย พอทุกคนมองไปเห็นร่างใหญ่โตในเงาสลัวที่เดินดุ่มตามหลังคณะเจ้านายมาก็อดที่จะสะดุ้งผวาไม่ได้แต่เมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าด้วนแน่นอนจึงคลายความตะกนกลงดารินเป่าประกาศให้ทุกคนทราบอีกครั้งว่าคืนนี้หล่อนจะให้เจ้าด้วนอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์ด้วยและย้ำอย่าให้ใครหลงผิดตาฝาดเป็นอันขาดเพราะกลัวพวกนั้นจะยิงเอาเนื่องจากเข้าใจผิดแล้วฝ่ายเจ้านาย และฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ลงมือรับประทานอาหารเรียกขยินกับนานอินจึงจัดว่าเป็นบุคคลพิเศษของฝ่ายพื้นเมืองให้เข้ามาร่วมวงด้วยเพื่อถือโอกาส ห, หาหรือกันไปพงังพงคืนนี้คืนนี้กลางกับลุงอินอย่าประมาทนะดูแลจัดเบญยามให้ดีที่สุดพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นในระหว่างล้อมวงอาหารกันอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีครับยังไม่มีอะไรต้องห่วง พรานชดบอกอยังไม่มีอาการเฉลียวรือฉุก ค, คิดใดๆทั้งสิน้นตามปภาษาอดีตนักผจญภัยผู้มีการเป็นอยู่อย่างง่ายๆเช่นเขาแต่พี่ชายจ้องหน้าแต่พี่สังหรณ์ยังไงพี่กนรู้สึกบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีนักหรอกความจริงก็จะไม่รู้สึกกังวลอะไรนะถ้าไม่ใช่เพราะตอนที่เราเดินมุดลอดใต้ถ้ำออกมาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมันพยายามย่องติดหลังเราอยู่ตลอดเวลาล่าสกุลนุมใหญ่ ที่เอ้ยของคณะพูดขึ้นตามตรงหมอม่าช่วงอนุชาเพิ่งจะหวนนึกขึ้นมาได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมกับลุงอินจะสั่งกำชับพวกลูกหาบเองและจะระมัดระวังเป็นพิเศษน้อยก็เหมือนกันคืนนี้พี่ขอร้องอะไรสักอย่างขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งพี่อย่างเชียบขาดด้วยเชษฐถาหันไปทางน้องสาวเลยที่นั่งเอาซ่อมแคะเนื้อกระป๋องใส่ปากอยู่อย่างไม่สนใจกับรสชาติใดใทั้งสิ้น อะไรเลอคะเดี๋ยวกินอาหารเสร็จคุยสักพักเราจะนอนพร้อมกันห้ามไม่ให้น้อยลุกขึ้นจากที่นอนไปชมวิวที่ไหนกลางดึกนอกบริเวณแคมป์เหมือนอย่างคืนที่แล้วอีกเป็นอันขาะและห้ามไม่ให้แก้ตัวที่หลังด้วยว่าเจ้าด้วนมาชวนให้ออกไปเที่ยวไหนกับมันประโยคหลังเป็นการห้ามชนิดดักคอยอย่างรู้ทันค่ะรอนรับคาง่าย สมมุติว่าเกิดความจำเป็นจะต้องขยับขยื่อนลุกขึ้นจากที่นอนต้องปลุกบอกพี่เสีก่อนเข้าใจไหมอย่าแอ บ, บออกไปตามลำพังแม้จะเห็นว่าใกล้ๆก็ตามไม่เพียงแต่น้อยเท่านั้นถึงชัยยันเองก็เหมือนกันเรามาทำความเข้าใจกันเสียก่อนทุกคนไม่ว่ากลางพี่เองน้อยชัยยันลุงอินหรือขยินคนใดคนหนึ่ง สัมผัสได้กับอะไรที่มันผิดปกติไม่ชอบมาพาคนค่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปลุกพวกเราทุกคนบอกให้รู้กันเสียก่อนคาพูดของเชษฐาไม่ใช่เปลยเล่นเด่นแต่เป็นคําสั่งอย่างเฉียบขาจริงจังที่สุดทุกคนรับคําสั่งของเขาลุงอินตอนที่พวกเราลงไปที่แอ่งน้ํานั่นบอกให้ลุงลื้อคนกองขยะที่พวกนั้นกรบไว้พอจะพบอะไรบ้างไหมประโยคต่อไปก็ถามนานอินอย่างคนรอบครอบและไม่ลืม อ, อะไรง่ายๆ ครูพรานทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ล้วงลงไปในย่ามของแกแลกควักสิ่งหนึ่งขึ้นมาส่งให้เชดิดขาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกนายใหญ่นอกจากเศษเครื่องกระป๋องที่ใช้แล้วอย่างที่เราพบกันทุกครั้งแล้วก็มีกระดาษตะ ก, กั่วนนี้ไม่รู้ใส่ลูกกวาหรือยาอะไรละมั่งเที่ยงอยู่แค่นี้เองอดีตท่านทูธอาหารบกเชื้อพระวง์หยิบไปพิจารณาดูโดยเร็วแล้วพึมพำออกมาว่าอมพิซิริน500มิลลิกรัมมีรอยแกะฉีกออกจากแผง3เม็ด แล้วพี่ชายใหญ่ของคณะก็ส่งต่อไปให้น้องสาวดารินรับไปดูด้วยความชำนาญหลอดไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะสัญญกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแม่อายุรกรรมหรือการวินิจฉัยโรคตลอดจนการให้ยาก็ได้บอดมาแล้วจึงพอจะถ่ายได้ถูกทันทีพระพิษไม่มียาชนิดนี้ติดตัวไว้หรอกค่ะนอกจากจะเป็นของอเมริกันพวกนั้นและที่มีรอยฉี ก, กินไป3เม็ดทิ้งกระดาษตะกัวที่ซีลยาไว้ก็คงเนื่องจากให้ใครกินแก้อาการอักเสบ กันเป็นหนองจากบาดแผลอาจเป็นแม่หมองเบลนั่นก็ได้ที่ให้ละพินกับนายคีตกินเพราะเราทราบจากปากคำของกเหรียงหมู่บ้านซับบอนนั่นว่าสองคนวางมวยกันจุตาแต่แหก่อนจะยิงช้างลมไว้แล้วหล่อนก็หันไปหยิบตัวอย่างหลอดยาฉีดเล็กๆในกระเป๋าพิเศษขนาดกระเป๋าที่ติดอยู่ในเครื่องหลังประจาตัวส่งให้นานอินดูตัวดูละเอียดหมดแล้วหรือลุงอินมีหลอดรูปล่างอย่างนี้หรือ ใหญ่เล็กกว่า น, นี้ตกทิ้งไว้ในกองขยะที่พวกนั้นกรบไว้บ้างหรือเปล่านานอินซันหัวไม่มีนายหญิงมีอยู่แค่นั้นแหละทางนั้นก็แปลว่าไม่มีการฉีดยาอะไรกันเลยในระหว่างมาพักกันอยู่ที่นี่เพียงแค่ให้ยากินแก้กเสบเท่านั้นควรแปลว่าอาการบาดเจ็บของคนทั้งสองไม่มากมายนะให้ตายเฮอะสองคนพี่ใหญ่กับน้องเล็กนี่ยิ่งกว่านักสืบสกอตแลนด์ยกษ์ซะอีกชยยันพูดขึ้น ล, ยลอย ขณะที่สดกาแฟแล้วทำตาปลือง่วงเต็มทีเราจะต้องไม่มองค่มแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆชัยยันเพราะหลักฐานทุกชนิดที่เราค้นพบมันจะชี้บอกพฤติการของกลุ่มคนที่ล่วงหน้าไปก่อนเราได้อย่างดีที่สุดทำให้เราพอจะคาดคะเนหรือทายอะไรได้การรู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มระพินมากเท่าไหรก็จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามของเราเท่านั้นเพียงแค่2วันที่ระบุตามเข้ามานี่ เฉพาะแค่ล่องรอยอย่างเดียวเท่านั้นเราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าเขาหยุดที่ไหนทำอะไรกันบ้างรู้แม้กระทั่งอาหารที่กินแต่ละมือ้อยาที่จะใช้แต่ละประเภทและยานั้นๆใช้ในกรณีอะไรใครเจ็บป่วยเป็นอะไรอืมเด็ดมากแม้กระทั่งบราเซียของใครขาดก็ยังอุตส่ารู้ได้จะว่าอันที่จริงแล้วคณะ ข, ของเรานี่ก็เก่งจริงๆพับผ่าชายันพูดพร้อมหัวเราะืห ห, หันสกิทสโพคดาลินถามต่อไปว่า ไหนบลา ส, สวยๆตัวนั้นเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเอามาดูหน่อยสินั่นเป็นเรื่องของการกระเซ้าเยาแย่ดารินตวาดเบาๆวะ่ะปุบปากเะทีเธอชัยยันแล้วก็อย่ามายุ่งอะไรในเรื่องนี้เธอไม่มีหน้าที่อะไรทั้งนั้นมีอยู่อย่างเดียวเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกอาตัวเองให้รอดก็แล้วกันกระปากหาอยู่บวดร้อนใช่คไป เพื่อนชายไม่ว่าละอีกยักไหลาภายหลังสดกาแฟหมดแล้วก็คานเข้าไปประจําที่นอนของตนเองด้วยความอ่อนล้ารอให้สามพี่น้องและพรานครูพูดเท่าหาเรือกันต่อไปอีกครู่ว่าถึงพรุ่งนี้เชฐาถามน้องชายกับนานอินตามรอยไปเรื่อยก่อนครับยังไม่มีการก้าวสกัดอย่างน้อยที่สุดผมก็มีความเห็นว่าเราจะต้องแกะทับลอยเข้าไปก่อนในระยะต้นๆนี่จนกว่าจะถึงห้วยเสือร้องแล้วนั่นแหละ เพราะจากจุดที่เราพักกันอยู่นี่จะต้องผ่านเขตหมู่บ้านชาวป่าอีกสองหมู่บ้านแห่งแรกคือตะเคียนทองและแห่งที่สองก็คือห้วยเสือร้องต้นไม้ในป่ามันบอกอะไรเราไม่ได้แต่คนในหมู่บ้านที่คณะของรพินผ่านไปคงจะให้รายงานได้แน่นอนถูกต้องได้มากกว่าพี่ใหญ่พยักหน้ายังเห็นด้วยตกลงเอาตามที่เธอว่านั่นแหละ ดีเหมือนกันถ้าพวกเขาผ่านหมู่บ้านที่เธอบอกควรจะผ่านอีกสองแห่งเราจะได้สอบถามและกะคำนวณได้ถูกว่าพวกเขาล่วงหน้าผ่านแต่ละแห่งไปกี่วันบ้างแล้วมีทิศทางมุ่งไปด้านไหนว่าแต่ระยะทางอีกไกลไหมกินเวลาสักเท่าไหร่ถ้าเราจะไปให้ถึงห้วยเสือร้องอนุชาหันไปหารือนานอินและตอบว่าถ้าจากนี่เรามุ่งตะเคียนทองก่อนทันทีก็สองวันเต็มๆและจากตะเคียนทองถึงห้วยเสือร้อง ก็ยังน้อยอีกวันครึ่งนั่นหมายถึงเรามุ่งหน้าตัดทิศทางให้เข้าถึงหมู่บ้านทั้งสองโดยอิสระแต่ถ้าเราตามทับรอยเข้าไปก็ยังเดาไม่ถูกเพราะตลอดเส้นทางระยะนี้ระพินอาจนำคณะเดินช้าไปบ้างเร็วไปบ้างหรือแยกแนวค้นหาตำแหน่งเครื่องบินตกฉีกทางออกไปทางอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะคานวณเวลาแน่นอนไม่ได้เลยเรารู้จุดมุ่งหมายของเขาว่าจะไปที่ห้วยเสือร้อง ซึ่งนั่นเป็นคำบอกเราที่เขาบอกกับคุณอัมพลไว้ก่อนออกเดินทางทีนี้ระหว่างทางมันเอาแน่ไม่ได้อาจมีจุดดนใจหรือเหตุอย่างอื่นทำให้เราพินแยกไปทางด้านอื่นโดยไม่ผ่านหมู่บ้านทั้งสองแห่งนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราถ่ายเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าไม่ได้ทั้งนั้นผมถึงได้บอกว่าควรจะแกะอรอยเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสอบทิศทางเดินให้แน่ชัดเสียก่อนจว่าไปแล้วอดีตพรานชดก็รอบคอบพ อ, พอใช้ทีเดียว ซึ่งพี่ชายใหญ่ก็เห็นด้วยทุกประการจากคำอธิบายและเหตุผลนั้นแล้วเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเข้านอนอนุชากับนานอินเดินตรวจอนาบริเวณโดยรอบอีกครั้งรวมทั้งสั่งการจัดเวรยามจากพวกลูกค่ะเวลามันแค่สามทุ่มเท่านั้นแต่สงัดเงียบและดูคล้ายดึกเหลือประมาณในพื้นภูมิประเทศเปล่าเปลี่ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบค่ะภายในบริเวณที่พักมีแต่เสียงพวกลูกคคุยกันเบา ต่างแยกนอนกันเป็นกลุ่มๆนานอินกับขยินยึดที่นอนโดยดักเส้นทางด้านใหญ่อยู่กันคนละทางไม่ไปรวมกันอยู่แห่งเดียวเพราะต่างรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วอนุชากลับเข้ามายัางที่นอนภายหลังจากดูแลทุกอย่างจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยก่อนจะเอนกายลงนอนเห็นน้องสาวคนเล็กที่มายึดที่นอนอยู่ระหว่างตำแหน่งนอนของเขากับเชิท้ายังลืมตาแป๋วมือมองหลังคาพลาสติกเตี้ย ที่มุงกันน้ำค้างไว้ก็บอกว่าพี่ไม่ใช่ปรัชญาเมทีหรือมีคำคมอะไรนะกลอกน้อยจึงขอบอกด้วยคำพูดง่ายๆชัดๆว่าอย่าไปมัวคิดอะไรให้เปลืองสมองอยู่เลยนอนหลับเอาแรงไว้พรุ่งนี้ดีกว่าว่าแล้วก็เอื้อมือมาปิดที่ดวงตาน้องสาวด้วยอาการเอนดูยาวๆแล้วก็ลงนอนใกล้ๆเสียงดารินพูดมาแผ่วๆ ว, ว่าที่กลางคะอะไรอีกล่ะยายนี่ บอกว่าให้ปิดตาเสียเดี๋ยวก็หลับเองแหละพี่กลางบอกว่าตัวเองไม่ใช่ปรัชญาเมธีหรือมีคาคมอะไรงั้นหรือคะก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่เป็นคนส่งเดชจะตายไปคุยคุยง่ายง่ายอาจพอๆกับระพินของเธอกระมังหล่อนสันศีสะแช่มช้าน้อยไม่ได้เห็นอย่างนั้นหรอกคะ่ะพี่กลางไม่ได้เป็นแค่เพียงนักปรัชญาอย่างเดียวเท่านั้น ยังเป็นกวีอีกด้วยเท่าๆกับที่ระพินไม่ใช่คนคุยๆง่ายๆแต่เป็นคนมีอารมณ์ละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่สุดเพียงแต่ว่าทั้งสองคนนั่นแหละมีบุคลิกอ่ำพรางภายนอกที่เข้ามาปิดบังซ่อนงามไว้ทำให้คนที่ไม่หยั่งซึ้งจิตใจกันจริงๆและอัดมองข้ามอนุชาเอามือปัดผ่านใบหน้าของตนเองเธอสนิทใกล้ชิดกับระพินมาก เพราะฉะนั้นอาจมองเห็นอะไรในส่วนลึกซึ้งที่สุดของเขาเรื่องนี้ใครก็คงไม่รู้ดีไปกว่าเธอได้หรอกแต่สำหรับพี่ถึงเราจะเป็นพี่น้องกันแต่เธอก็ไม่รู้จักพี่ถีท่วนนักหรอกจึงอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับรระพินเป็นเชิงว่าเธอรู้จักกระพินอย่างไรเธอจะต้องรู้จักพี่อย่างนั้นด้วยถ้าน้อยจะเอ่ยบทกวีอะไรขึ้นมาสักบทหนึ่งที่กลางคิดว่าพอจะจาได้ไหมคะ น้องสาวซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเลยพลิกตะแคงหันหน้าไปทางพี่ชายกลางผู้นอนหงายหลับตาอยู่ใกล้ๆวางมือลงบนท่อนแขนของเขาบทกวีอะไรอย่างเสียไม่ได้หมอมลาชวงอนุชาหรืออดีตพรานชดถามมาทั้งหลับตาณที่ใดดวงใจไม่ไหวหวันแล้วยังไงอนุชาคงถามอย่างไม่เฉลียวคิดอะไรอยู่เช่นนั้นแสดงว่าช่วยจริงๆ จะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากน้ําเสียงแผ่วของน้องสาวเอยต่อมาเป็นจังหวะช้าๆอยู่เช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งสงบฟังแม้สิ้นชาติวาสนาชะตาสามขอฝากนามโลกให้รู้กูก็ชายกวีตกยากคนไหนคะที่เอาเศษฐานเขียนไว้ในผนังถ้ำหินแห่งหนึ่งกลางป่าลึกกันดานที่สุด ป่อยให้พี่น้องและเพื่อนที่ออกติดตามค้นหาไปพบข้อความนั้นเข้าโดยเฉพาะน้องสาวเพียงเห็นข้อความนั้นก็น้ำตาแทบไหลจะเป็นสายเลือดด้วยความสงสารและห่วงหาอาธรพี่ชายคนโตยืนซึมเพื่อนอีกคนไปยืนด้วยยืนมองดูลายมือนั้นด้วยอาการตะลึงคอแข็งเพราะมันเป็นข้อความที่ดีบคั้นความรู้สึกของคนที่มาเห็นเหลือประมาณ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 มองจับอยู่ก่อนแล้วก็พงกษ์ศีรษะขึ้นจูเบาๆอย่างปลาณีที่หน้าผาอีกมือหนึ่งรูปศรีรษะน้อยช่างจดช่างจำเหลือเกินนะตัวพี่เองรับว่าลืมไปเสียแล้วว่าได้เขียนข้อความอะไรลงไปอย่างไรบ้างที่ผนังหินในถ้านั้นจําได้แต่เพียงว่าได้เขียนเท่านั้นขณะที่เดินทางกระเซาะกระเซิงตุลาตุเลทุกยากบอบช้าใจอยู่กลางป่ากับนานอีกและไม่คิดด้วยว่าใครจะไปพบเห็นเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายหรือน้องสาวเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสนใจห่วงใ ย, ยออกติดตามพี่อ๋อพี่เขียนไว้ข้อความอย่างนั้นหรือยังมีอีกบทหนึ่งสืบเนื่องต่อไปอีกด้วยค่ะน้อยท่องใส่ใจมาจนกระทั่งทุกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไหนลองเตือนความทรงจําพี่ต่อไปสิณนะที่ดีไร้ญาติและขาดมิตร ยังก็แต่เบาสนิทพิษสมัยคงหมายถึงนานอินนะคะเสมอเพื่อนเสมือน ญ, ญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวาพรานชดผู้อนาถาในครั้งนั้นเขียนไว้อย่างนี้ค่ะกวีหรือเปล่าคะพี่ชายกลางฝืนยิ้มเอานิ้วเขี้ยจมูกน้องสาวเก่งอุตสาหจำได้ตัวคนเข็นเองลืมสนิทแล้วอจริงสินะคนเรา เ, าเวลาเกิดความทุกข์ยากกดดันทางอารมณ์ อย่างหนักอารมณ์ทางกรีมันไหลหลังพร่งพลูออกมาได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ความจริงไม่สันทัดนักหรอกในเรื่องนี้จะเรียกว่าไม่เป็นเลยก็ได้ไม่เป็นแล้วทำไมทิ้งเขียนได้กินใจถึงขนาดที่คนซึ่งติดตามไปพบเข้าต้องยืนอ่านน้ําตาซึมอย่างนั้นได้ละคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบอกแล้วยังไงวะไม่เจตนาจะให้ใครไปพบไปอ่านเห็นเข้าหรอกเป็นการระบายความรู้สึกของตนเองเสียมากกว่า พยายามเรียกวิญญาณกวีชนิดนั้นกลับขึ้นมาอีกสักครั้งสิคะและพูดให้น้อยฟังในความหมายข้อความอย่างไรก็ได้น้อยจะนอนฟังเพื่อจะหลับลงได้บ้างขณะนี้น้อยเหงาเหลือเกินมันมันบอกไม่ถูกเอและพี่จะเอา ก, กวีบทกรอนที่ไหนมากล่อมให้น้อยหลับได้ละ่ะบอกแล้วว่าไม่ชำนาญเอางี้ก็แล้วกันพี่จะขึ้นต้นให้และน้อยต่อเองก็แล้วกัน สองพี่น้องคุยกันหนุงหนิงแต่ฝ่ายพี่ชายเริ่มอู้อีเพราะง่วงเต็มแก่ลองขึ้นต้นมาสิคะจะขึ้นต้นยังไงดีเอ่ยพี่รู้ว่าน้อยกำลังคิดถึงใช่ไหมใช่ค่ะก็เอาง่ายๆตรงตัวก็แล้วกันอา้าวขึ้นต้นให้ว่าคิดถึงดารินพริกนอนหงายต่อคำของพี่ชายมาแผ่วเบาเช่มช้าแต่ชัดเจนว่าใครจะซึ้งคานี้ดีเท่าฉัน คนเริ่มต้นบทกวีให้หลับไปเสียแล้วอย่างง่ายดายที่สุดแต่คนต่อกรอยังลืมตาโพรงอยู่เช่นนั้นถูกแล้วใครล่ะจะมาซึ้งในคำนี้เท่ากับมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศขณะนี้นานต่อมาหลอนพนมมือทั้งสองไว้กลางสวงอกในท่าที่นอนหงายอยู่นั้นเริ่มตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสงบจิตทำใจให้แนวนิ่งบูชาคุณพระรัตนตรายเป็นอันดับแรก ต่อมาก็น้อมจิตสักการะไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลจักรวาลไม่ได้ขอพรสวัสดิภาพขอความปลอดภัยให้แก่คนตนเองดอกแต่วิงวอนขอพรให้เขาผู้นั้นขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงขอให้หล่อนได้ตามพบเห็นหน้าเขาอีกสักครั้งแม้จะแค่วินาทีเดียวก่อนตายจากก็ยังดีแล้วก็ระลึกบูชาไปถึงมหาฤาษีโกลทันยะ ซึ่งเป็นอรหันต์ในร่างหินแห่งเทือกเขานินการที่ตนเองได้เคยไปกราบไหว้าฝากตัวเป็นศิษย์ไ้ก่อนแล้วในครั้งนั้นไม่สามารถจะบอกกับตนเองได้ว่าเคลิ้มหรือหลับและอยู่ในภาวะฝันอย่างใดกันแน่หล่อนพบตนเองหมอบกราบอยู่ณนะตำแหน่งอันเป็นที่สถิตของมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่องค์นั้นตามลำพังคนเดียวรัศมีที่เปล่งออกมาจากเกือนร่างที่เข้าสมาธินิ่งดุจศิลาจำหลักนั้น เปล่งสว่างเรืองรางโสดก็แววสำเนียงชัดเจนกล่าวมาอย่างการุนว่าลูกเอ๋ยสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมลิขิตนั้นแหลเจ้าอย่าได้ทุกข์กังวลให้เกิดความเศร้าหมองในดวงจิตจนเกินการนะเมื่อมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้วว่าจะกระทำการใดก็จงมุพยายามไปตามเจตนาที่มุ่งมั่นไว้เถิดและอย่าได้ถามพ่อเลยว่า เจ้าจะได้พบกับชายอันเป็นที่รักหรือไม่เพราะเป็นอาบัตในการที่พ่อจะตอบแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เจ้าได้เคยมาพบพ่อและขอถามเกี่ยวกับเรื่องติดตามพี่ชายของเจ้าในครั้งนั้นซึ่งพ่อก็ไม่อาจตอบคําใดได้เช่นกันสําหรับราตรีนี้สิ่งที่พ่อจะช่วยเจ้าใดก็เพียงแต่เตือนว่าจงระวังภัยพิบัติที่จะมาสู่คณะของเจ้าและเตรียมรับมือแก้ไขไว้เถิดภัยพิบัติ หล่อนร้องขึ้นภัยพิบัตจะมาสู่คณะของลูกในลักษณะอย่างใดรูปไหนร่างประดุดหินนั้นไม่ได้ตอบคำถามของหล่อนแต่กลับบอกด้วยเสียงกังวานว่าจงปกป้องระวังบริวารอันเป็นช้างป่าตัวนั้นของเจ้าไวใช้อำนาจบา ร, รมีของอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งที่เจ้ามีคุ้มตัวอยู่ในขณะนี้เข้าเป็นขายเพรคุ้มครองป้องกัน อย่าให้มหาเวทกฤตยาโมนกาลีของวิญญาณร้ายเข้าครอบงำเพื่อว่ามันจะได้เป็นบริวารที่พักดีและคอยช่วยเหลือพวกเจ้าได้ต่อไปหาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นบริวารฝ่ายศัตรูไปในทันทีที่มนคต ส, สารเข้าครอบงำและจะจูเข้าทําร้ายพวกเจ้าโดยไม่ทันให้ฝ่ายเจ้ารู้ตัวเลยพ่อขอเตือนเจ้าเพียงแค่นี้แหละจบคําภาพนั้นก็จางเลือน ลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นความดํามืดสนิทตามเดิมภายใต้เปลือกตาที่ปิดของหล่อนดารินลืมตาโพรงขึ้นอีกครั้งเสียงของมหาฤุษีโกนธัญญะยังก้องอยู่ในหูหล่อนจําได้ทุกถ้อยกระทงความสิ่งแรกที่หล่อนทําก็คือเอามือตะคุบไว้ที่ซวงอกไข่เล็กๆทักไว้ด้วยเชือกอยางเหนียวแน่นที่สุดซึ่งกระพินไพยวันเคยมอบไว้ให้แก่หล่อนก่อนที่จะจากกันในยุนยคนั้น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 เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อผมผมไม่มีอะไรจะมอบให้แก่คุณหญิงในวันจากกันวันนี้นอกจากหัวใจที่จะติดตามไปทุกคนทุกแห่งแล้วขอได้โปรดเก็บสิ่งประเสริฐนี้บูชาติดตัวไว้ตลอดเวลา พ, พยันตรายใดๆจะไม่เข้ามาแผ้ว่านคุณหญิงได้เลยโปรดรับไปด้วยถ้าคุณหญิงแน่ใจว่ารักผม วันนั้นหล่อนจบไทยนั้นขึ้นเหนือศีรษะอาราธนาตามคําที่เขาบอกให้ไปครบจนทุกประโยคแล้วเขาก็คล้องคลอหล่อนให้ด้วยเชือกกลมต่อมาเมื่อกลับเข้าไปในแผ่นดินอริยะธรรมแล้วหล่อนก็นําไปเลี่ยมขอบทองและใช้สร้อยทองใช้สร้อยทองขาวแขวนติดคอไว้ตลอดครั้นมื่จะเดินทางเข้าป่าอียงในครั้งนี้การจะแขวนห้อยคอด้วยสร้อยทองขาวอันแบบบางเกรงว่าจะหลุดหายใจกลางทาง เพราะต้องสมบุกสมบันมากจึงเก็บลงทยตามเดิมรวมกันแล้วกััดด้วยเข็มกัดทองขนาดใหญ่ติดกั บ, บราเซียซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าต่อให้ขึ้นเขาลงห้วยเชิญภัยสักแค่ไหนก็จะไม่มีวันหลุดจากตัวแน่นอนทั้งสามสิ่งนั้นภายหลังจากหล่อนได้นำออกมาเลี่ยมทองในเมืองจึงพอจะทราบจากผู้รู้ว่าเป็นพระเครื่องรางชั้นเยี่ยมสามองค์ องหนึงคือสมเด็จวัดะระฆังรุ่นแรกองค์ที่สองคือสมเด็จหลวงพ่อวัดปากน้ําและองค์ที่สามคือสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห่หล่อนไม่เคยเห็นลพินแขวนพระเครื่องชุดนี้เวลาเข้าปา่าแต่ในวันจากกันที่หนองน้ําแห้งครั้งที่เพิ่งกลับจากเทือกพระศิวะเขาไปหยิบมาจากหิ้งพระและมอบให้แกหล่อนไว้พี่ชายทั้งสองมาเห็นอภาภัยหลังและพยายามจะขอแบ่งจากหล่อนคนละองค์สุดแล้วแต่หล่อนจะให้องค์ไหนก็เอาทั้งนั้น แตดาลินไม่ให้ใครสักองค์เดียวเก็บบูชาไว้กับตัวทั้ง3องค์ครบไายพาคีสัมผัสที่รูปคมขณะนี้ทําให้ขนในเรือนกายของหลอนลุกชันสู้ขึ้นทั้งกายหลวงพ่ออยู่ครบทั้งสามองสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวั ด, วดปากน้ําและสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างหา้าไม่ต้องแกะออกมาดูแต่คำก็รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหน หญิงสาวดึงกายลุกขึ้นนั่งท่านทีรอบด้านพี่ชายทั้งสองและเพื่อนหลับหมดแล้วหล่อนมองออกไปยังบริเวณปางพักก็เห็นแต่พวกอยู่ยามนั่งกับผ้าผุยคลุมตัวตะคุ่มตะคุมะ่มแสงไฟในกองยังลุกอยู่เป็นปกติดีเพราะเวลามันก็ยังไม่ดึกอะไรนักนับตั้งแต่หล่อนลงนอนคุยกับพี่ชายกลางจนกระทั่งเขาหลับทิ้งหล่อนไปและหล่อนสวดมนต์ภาวนาจนเกิดนิมิตประหลาดขึ้นมันห่างกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี่เอง แลไปก็ไม่เห็นวี่แววของเจ้าด้วนช้างใหญ่ตัวนั้นเลยไม่ทราบว่าขนานี้มันอยู่ตรงไหนการลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพราดของหล่อนดึงเอาแบล็งเก็ตผืนใหญ่ที่ใช้โหมร่วมกัน4ี่คนเลิกร่นขึ้นมาด้วยนั่นเท่ากับเป็นการทดสอบสภาพการนอนของพี่ชายสองคนกับเพื่อนได้ดีที่สุดเพราะทั้งอนุชาผู้นอนขวาสุดขวามือสุดของหลอนเชิฐาด้านซ้ายและช ย, ยันปลายซ้ายสุดตางไว้ตัว ขยับเปลือกตาขึ้นทุกคนน้อยนั่นอะไรอีกล่ะนั่นลุกขึ้นมานั่งทําไมเสียงพี่ชายใหญ่ผู้โงกศีรษะขึ้นถามมาต่ำตํำๆดารินกัดริมฝีปากเบาๆพูดเบาแต่เป็นงานเป็นการว่าน้อยมีอะไรบางอย่างข้าพี่ใหญ่และจะปฏิบัติตามคําสั่งของพี่ใหญ่ทุกอย่างคือถ้าจะมีการลุกขึ้นจากที่นอนก็ให้ปลุกพี่ใหญ่และพวกเราทุกคนด้วยจะไปไหนปวดเบาหรือมาที่ไปเป็นเพื่อน เชษดขาบอกโดยเร็วลุกขึ้นนั่งตามทันทีคว้าไร่เฟินแตดารินบอกว่าเปล่าค่ะแค่นั้นก็เงียบไปยังไม่พูดอะไรก่อนลุกขึ้นได้ก็ตรงไปที่กองหีบผอสัมภระค้นหาอะไรง่วนอยู่อึดใจเดี๋ยวก็คว้าได้ขดเชือกไนลอนสำหรับผูกมัดของสาออกมาได้ยาวกะประมาณสองวาแล้วลวงไลเตอร์ออกมาจุดเป็นเปวลวโวนจนขาดขมวดติดมือไวอนุชาและชยยันพลอยลุกตามขึ้นมาด้วยความสงสยัย ถ้าจะคิดผูกคอตายตอนนี้แล้วก็ยับยั้งไว้ก่อนนะอาให้รู้แนะ่ว่ารพินไปแต่งงานกับแหม่มคนใดคนหนึ่งในสองคนนั่นแน่นอนแล้วค่อยผูกรับรองว่าสนับสนุนเต็มที่ไม่ขัดขวางหรอกชา ย, ยันกําลังง่วงเนียเพราะรับไปได้ครึ่งไปได้ชั่วโมงเดียวพูดโปร่งออกมาพร้อมกับตบที่ไหลเบาๆดาวรินร้องว่าบ้าแล้วสตาร์กลับปั้นที่หน้าอกเพื่อนหนุ่มดังปึกจนชา ย, ยันสะดุ้งโหยงหายง่วงเป็นปริดทิ้ง พี่ชายทั้งสองเพียงแต่เข้ามารมดูการเคลื่อนไหวของน้องสาวตาจับขมิงแต่ยังไม่พูดอะไรถามอะไรทั้งสิ้นพอได้เชือกเช่นขนาดกระทัดรัดความยาตามต้องการมันก็ออกเดินไปยืนอยู่ใจกลางแคมป์ที่พภายในวงล้อมของป่าหินใช้ไฟฉายกราดไปรอบๆการเคลื่อนไหวของฝ่ายนายจ้างทําให้นานอินขยินและลูกผาบทั้งหลายที่ล้วนจะนอนใยกันทั้งสิ้นขยับตัวลุกขึ้นนั่งทันทีแต่ดารินโบกมือไว้บอกดังให้ได้ยินทั่วๆ ว, วะ่ะ ทุกคนนอนเธอไม่มีอะไรหรอกฉันจะออกมาดูอะไรหน่อยคนเหล่านั้นสงบแต่ก็ยังไม่มีใครล้มตัวลงนอนนอกจากสังเกตดูกลุ่มนายจ้างที่ยืนกันอยู่ใจกลางที่พักคงมีแค่ขยินและนานอินเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาสมทบพวกนายจะไปไหนกันนี่พรานครูพูดเท่าถามหน้าตื่นไม่มีใครตอบได้เพราะไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ดารินถามสวนมาว่า นี่เจ้าด้วนอยู่ไหนลุงเห็นบ้างไหมเอ่ก่อนนั้นอินเข้านอนเห็นมันยืนอยู่หลังปรวกด้านที่เจ้านายนอนกันอยู่นั่นแหละตอนนี้ไม่รู้ไปไหนเสียแล้วดารินฉายไฟไปทางด้านนั้นไม่พบเห็นอะไรเลยนอกจากหมู่หินและลำต้นไม้ใหญ่ที่ยื่นอยู่ห่างๆจินตโกนเรียกขึ้นเจ้าด้วนอยู่ไหนด้วนสิ้นเสียงของหล่อนเท่านั้นก็มีเสียงร้องแอขานรับมาเบาๆจากอีกด้านหนึ่ง ด้านที่นานอินนอนอยู่นั่นเองพร้อมกับหินพริกเบาๆและเสียงเป่าลมออกจากงวงดารินสีหน้าดีขึ้นมาทันทีตาเป็นประกายร้องเรียกออกไปอีกด้วนมานี่แลว้วฉันเรียกเข้ามาเดี๋ยวนี้ปรากับจะฟังภาษาคนรู้เรื่องช้างใหญ่เริ่มปรากฏตัวพ้นเหลี่ยมบางของก้อนหินใหญ่โผลออกมาให้เห็นด้วยอาการเดินที่เบากริบของมันไฟฉายหลายดวงสาดจ้าไปจับอยู่ที่นั่นทันทีเจ้าด้วนเดินแช่มช้าเข้ามา ทุกคนหลีกเป็นทางเหลือเพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยื่นเด่นอยู่พร้อมทั้งกวักมือร้องเรียกกระชั้นอยู่เช่นนั้นมันเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของหญิงสาวตามบัญชาหล่อนทำมือจากสูงแล้วลดลงต่ำชา้าช้าพร้อมกับบอกว่าหมอบลงมอปล ง, ปล ง, ปลงเป็นคำพูดสั่งและแสดงอาการซ้ำซ้ำซากๆอยู่ประมาณเจ็ดแปดครั้งทุกคนที่ยืนอยู่อยู่ด้ ว, วดูอยู่ด้วยความประหลาดใจและไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเงียบกริบได้แต่จับสังเกตอ ย, อย่างเดียว เจ้าด้วนคุกเข่าหน้าลงก่อนต่อมาก็ย่อนขาหลังลงกลายเป็นซุดหมอบตามที่หล่อนต้องการโดยไม่หล่อช้าให้เวลาผ่านไปเลยไม่แต่นิดเดียวพอเจ้าด้วนหมอบตามสั่งดารินก็ทะลันปราดเข้าถึงตัวเหยียบปีนขึ้นไปบนขาหน้าของมันเอาเชือกในลอนที่ถือติดมืออยู่พาดครองคอความใหญ่โตของลำคอมันทําให้หล่อนไม่สามารถจะพันรอบได้โดยง่ายจึงร้องสั่งนานอินว่าเลวลุงอินช่วยกันหน่อยดึงปลายเชือกทางด้านโน้ต วกมาพันให้รอบคอของมันและส่งปลายมาให้ฉันนานอินงงทําตามคําสั่งของหล่อนแต่ก็ถามหน้าตาตื่นว่านายหญิงจะเอาเชือกคล้องคองมันไว้ทําไมเธอหน่าไม่ต้องถามทําตามที่ฉันสั่งก็แล้วกันนานอินดึงสายเชือกข้ามคออันกว้างใหญ่ของมันแล้วมุดรอดใต้คางนาปลายเชือกไปส่งให้นายหญิงที่รอรับอยู่ก่อนแล้วพอได้มามันก็จัดการถูกปลายเชือกทั้งสองด้านเข้าหากัน ทำในลักษณะบวงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดโดยแน่ใจว่ามันจะบกป่าตะลุยพงไม่อย่างใดก็ไม่มีวันหลุดได้ง่ายๆและผูกพอให้ครืือๆลำคอพอดีไม่ให้มีส่วนห้อยยาวชนิดที่อาจจะไปสะดุดเกี่ยวพันกับกิ่งไม้กระชากหลุดตลอดเวลาเชิดถาชัยยนันและอนุชายืนมองอยู่ด้วยสีหน้าพิกลและมองดูตากันอยู่ไปมาเอนี่น้อยจะทาอะไรนี่ เรียกเจ้าด้วนเข้ามาเอาเชือกเส้นปัติ๋วเดียวทำเป็นบ่วงผูกคอไว้และอยู่ไม่อยู่ก็ลุกขึ้นมาทำกันกลางดึกแบบนี้ชายันกระซิบถามเบาๆกับพักพวกเดี๋ยวเฉยๆไว้จะทำอะไรก็ให้ทำไปก่อนดูไปก็แล้วกันเชิดขากระซิบบอกตัวเองก็ขโมดคิ้วจ้องอาการของน้องสาวตาไม่กระพริบพอผูกเชือกเป็นสร้อยคลองคอเสร็จสับแน่ใจว่ามั่นคงที่สุดแล้ว หล่อนก็ดึงเอาผ้าพันคอของตัวเองออกมาวางไว้บนศรีรษะมันก่อนตัวเองนั่งครึ่งยืนครึ่งอยู่บนขาหน้าของเจ้าด้วนเช่นนั้นล้วงลงไปในอกเสื้ออึดใจเดียวก็ดึงเข็มกลัดที่ร้อยไท้สีคล้ำออกมาค่อยๆขยายปากไท้ออกมีอาการเหมือนจะตัดสินใจอยู่ครู่แล้วก็เลือกเอาพระเครื่ององค์หนึ่งขึ้นมาอีกสององค์ใส่ไท้สอดเข้าเข็มกลัดเน็บกับอกเสื้อชั่วคราวก่อนเฉพาะหลวงพ่อที่หยิบขึ้นมานั้นหล่อนบรรจงห่ออย่างมิดชิดแน่นหนาะ ในผ้าพันคอพ่อหอเสร็จก็พนมไว้ในมือจบขึ้นบูชาและนิ่งไปชั่วขณะจิตเหมือนจะสวดมนต์อาราดนานิ่งไปอึดใจใหญ่ตลอดระยะเวลานี้เจ้าด้วนหมอบสงบนิ่งเป็นดุษฎีไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นงัดหลวงพ่อมาทำอะไรนะ่ะเสียงชา ย, ยันคลางออกมาเมื่อมองเห็นพ่อราดนาเสร็จสับหล่อนก็จบไหว้ขึ้นเนื้อศีรษะแล้วบรรจงเอาผ้าพันคอ ที่หอพระเครื่องสำคัญนั้นแนบติดลงไปกับเชือกซึ่งทำเป็นบ่วงครองขอเจ้าด้วนอยู่ก่อนแล้วค่อยๆมัดซ้ำทีละเปราะกับจะเป็นการถักเพื่อให้ผ้า พ, พันคอหอพระเครื่องนั้นติดสนิทกับสายเชือกเป็นส่วนเดียวกันโดยไม่มีวันหลุดหล่อนใช้เวลานานพอที่พอสมควรทีเดียวในระหว่างที่สามชายรวมทั้งขยิ่งกับนานอินยืนมองดูอยู่จนกระทั่งเชิขาชัยยันและอนุชา ต้องงัดบุหรี่ออกมาสูบทดลองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการกระชากดึงแน่ใจว่าผ้าแพรที่ห่อพระจะไม่ลุดออกมาจากสายเชือกแล้วดารินก็ถอนใจยาวกระโดดลงจากขาของมันพร้อมกับบอกว่าเอาละด้วนขอความสวัสดีจงเป็นของเจ้าบัดนี้เจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดคุ้มตัวแล้วแต่อย่าไปไหนไกลนะอยู่แถวนี้ใกล้ๆพวกเราไว้ เจ้าด้วนยันกายลุกขึ้นยืนทันทีพอทรงกายได้ถนัดก็ซายหัวไปมาแล้วเดินถอยหลังไปก่อนสองสามเก้าจากนั้นก็หมุนตัวกลับเดินช้าๆรับหายออกไปทางด้านเดิมของมันน้องสาวก็หันหน้ากลับมาเผชิญพี่ชายและเพื่อนซึ่งบัดนี้ดูเหมือนพอจะเข้าใจบ้างเราๆแล้วแต่ไม่กระจ่างนะพี่โทนึกว่าอะไรเสอีกที่แท้ก็เรียกเจ้าด้วนมาแขวนพระเครื่องให้ ชยยันโครงหัวอยู่ไปมาร้องขึ้นเบาๆสิ่งสูงเขาไม่ใช่กับสัตว์ดิรัชานหรอกน้อยพี่ชายกลางบอกมาสัตว์ดิรัชานชันประเสริฐขนาดช้างไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตและรักชีวิตของมันหรอกลึกคาพี่กลางและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะเป็นดิรัชานเจ้าด้วนก็ไม่ใช่เพื่อนของเราหรอกหรือใช่ทุกคนเห็นว่าน้อยเอาพระแขวนคอให้กับมัน แล้วก็ลุกขึ้นมาแขวนให้มันยังกระทันหันภายในคืนนี้และต้องเดี๋ยวนี้ทุกคนคงนึกว่าน้อยบ้าแต่น้อยมีเหตุผลค่ะถ้าถามก็จะบอกง่ายแต่ถ้าไม่ถามก็คิดเส้ว่าน้อยสติไม่ดีกันแล้วกันไปเรากลับไปนอนได้แล้วแล้วก็อย่างที่พี่ใหญ่เตือนไว้ตอนหัวค่ำแล้วนั่นแหละคืออย่าเอาแต่นอนสบายกันนะหูไวตื่นไวกันหน่อยพี่ใหญ่สังหรณ์ก่อนใครเพื่อนแต่น้อยเพิ่งจะมาสังหรณ์เอาเมื่อกี้นี้ ก่อนที่จะปลดลุกขึ้นมานี่เองกล่าวเพียงแค่นั้นหล่อนไม่ยอมให้ใครตั้งคำถามตรงนั้นอีกโบกมือไล่ขยินกับนันอินให้ไปนอนตามเดิมส่วนตนเองนั้นก็เดินเดินไม่รอใครตรงไปที่กระจมพักพี่ชายทั้งสองและเพื่อนเดินตามหลังมาช้าช้ได้ความรู้สึกปแปลกๆในบางอย่างจากอาการที่เห็นเชษฐาอนุชาและชายยันเข้ามานั่งประจาที่ยังไม่มีใครคิดที่จะนอนในขณะนั้น ตาส่งสายตาจับมาที่น้องสาวเป็นตาเดียวขณะนั้นดารินกำลังก้มลงม้วนอยู่กับการกัดเข็มกัดเข้าไปในคอบราเสียซึ่งหล่อนเพียงจะเนบไว้ลกลกก่อนขณะที่จัดการกับเจ้าด้วนเมื่อกี้นี้เอาพระอะไรแขวนคอให้เจ้าด้วนอนุชาถามหลวงพ่อทวดค่ะตอนนี้น้อยเหลืออยู่สององค์เท่านั้นสมเด็จกับวัดปากน้าพระเครื่องชุดของรพินที่ให้เธอไว้ใช่ไหมค่ะเอาละ เรานี่ลองอธิบายสิว่านึกยังไงขึ้นมาเชิถาถามเพื่อนขณะที่จ้องหน้าเปงเหมือนจะค้นหาความจริงภายในกระโจมพักขณะนี้จึงกลายเป็นสภาพนั่งล้อมวงอีกครั้งสามชายมองมายัางน้องสาวคนเล็กซึ่งเดิลุกขึ้นมาทําอะไรเป็นปริศนาให้ทุกคนต้องสงสัยเป็นตาเดียวดารินนั่งจ้องนิ่งไปยังลาวป่าหินที่เห็นดําทะมึนมืดอยู่นอกเขตแคมป์เป็นเงารูปร่างแปลกๆอยู่อึดใจ ก็ตัดสินใจเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนชายและพี่ชายทั้งสองทราบในนิมิตรประราดของหล่อนอันเป็นต้นเหตุให้ต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติตามข้อแนะนำของมหาฤุษีโกนธัญญอย่างปัจจุบันทันด่วนเชษฐาอนุชาชัยยันฟังแล้วก็นิ่งถึงกันไปชั่วขณะไม่มีใครคิดจะหัวเราะอร่อนหรือว่าเห็นเป็นเรื่องเลวหลายทั้งสิ้นเพราะในเรื่องสัญชาตญาณในการรับรู้ เรื่องประสาทสัมผัสส่วนพิเศษของดารินนั้นต่างประจักษ์กันมาดีแล้วทุกคนว่าแม่นยำยิ่งนะไม่ได้หลับและฝันนะขณะนั้นอนุชาเน้นถามรอนซันซิสตอบหนักแน่นที่สุดไม่ได้หลับแน่นอนค่ะระยะเวลามันไม่ห่างกันจากที่พี่กลางนอนพูดคุยกับน้อยและพี่กลางก็หลับไปห่างกันแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นพอน้อยบูชาและลึกถึงท่าน ก็มองเห็นภาพท่านทันทีนทเหมือนกันเพียงแต่ขณะนั้นอยู่ในสภาพหลับตาเท่านั้นเป็นการเห็นจากดวงจิตสัมผัสอย่างที่พวกเพ่งกระสินหรือนักวิปัสนาเห็นเชิดทากล่าวขึ้นต่ำๆพร้อมกับพยักหน้าช้าๆหลยนี้พี่เชื่อแน่เพราะพี่เองก็เคยประสบมาบ้างก็าตามเมื่อจุดทูบน้อมจิตระลึกถึงท่านก็อยากจะเชื่อว่า ท่านคงจะส่งพลังจิตบารมีมาคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่น้อยในทุกครั้งที่เราเลื่อนถึงท่านว่าแต่ท่านบอกหรือเปล่าว่าภัยมันจะมาถึงสู่เราในลักษณะไหนหล่อนสันซิสะน้อยถามแต่ท่านไม่บอกค่ะเพียงแต่แนะนําให้น้อยทําอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนั่นแหละท่านสั่งให้อาบารมีของอรหันต์อันเป็นพระเครื่องรางที่น้อยมีอยู่เข้าคุ้มตัวเจ้าด้วนไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มัน ตกอยู่ในอำนาจมนต์สะกดของวิญญาณแล้วก็จะกลายเป็นศัตรูจู่เข้าเล่นงานเราท่านเรียกกริกตยาอาคมชนิดนั้นว่ามนคตสารน้อยก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจอัญเชิญหลวงพอ่อทวดครองขอเจ้าด้วนไว้กันไม่ให้อาถันกาลีใดๆเข้ามาสิงมันได้น้อยอยากจะกราบท่านอีกถามท่านอีกหลายอย่างหลายกรณีแต่ท่านก็มาปรากฏกายให้เห็นและพูดสั่งความกับน้อยแค่นี้เองไม่ยอมบอกอะไรมาก วะเห็นจะนอนไม่หลับใะแล้วแฮคืนนี้ชา ย, ยันอุทานออกมากลางเธอชํานาญป่ามากกับพวกเราทุกคนคู่มากับนานอินพอจะรู้อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับมนคชสารพี่ชายใหญ่ถามไปยังน้องชายกลางซึ่งกําลังนั่งคบคิดอะไรอยู่เท่าที่ผมรู้จากการพูดคุยศึกษากับนานอินมาตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกลางป่า งานอินบอกกับผมว่าสัตว์ป่าทุกชนิดล้วนมีวิญญาณหรือจะเรียกว่ากระแสจิตของมันทั้งนั้นเรามีเวทมนต์คาถาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องสายเวทลึกลับเข้าควบคุมมันไม่ได้เราก็จะสามารถบังคับบัญชาหรือใช้อะไรมันได้ทุกชนิดเหมือนเป็นนายของมันมนเขาจสารก็คือหัวใจช้างนั่นเองเป็นคาถามหาเวทประเภทหนึ่งในคมภี์ดึกดําบรรใครก็ตามที่สามารถใช้มนชนิดนี้ได้ ก็สามารถจะใช้ช้างป่าหรือช้างบ้านก็ตามให้ตกอยู่ในอำนาจบงการได้ทุกชนิดผมไม่เคยเชื่อในเรื่องอย่างนี้หรอกครับแต่ก็เห็นกับตามาแล้วสำหรับนานอินเวลาเราออกเวลาเราอดอยากเข้าจริงๆหาอาหารอะไรไม่ได้เลยแต่ในป่าแถบที่เราผ่านเข้าไปมีสัตว์เล็กประเภทกระจงและนกกระทานานอินให้ผมนั่งรออยู่เฉยๆตัวแกเองเดินหายเงียบไปพักใหญ่ก็สามารถไปหากระจงหรือบางทีก็นกกระทามาเป็นอาหารได้ โดยไม่ได้ยินเสียงแกยิงสักโป้งเดียวถามแกว่าได้มาอย่างไงแกก็ตอบง่ายๆว่าแกมีมนเรียกสัตว์เล็กประเภทนี้โดยทําพิธีเรียกมันให้เข้ามาหาแล้วก็คว้าตัวมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแกเคยบอกผมด้วยซ้ําว่าสมัยที่แกยังเป็นเด็กอยู่และอยู่ในเมืองยองรัดไทยใหญ่แกเคยเห็นคนแก่กล้าอาคมในถิ่นนั้นบางคนแปลงร่างเป็นเสือโคร่งได้ตัวแกเองเข้าใจดีแกก็ร่ำเรียนมาไม่ถึงขั้นนั้น สยศาสตร์เป็น ส, สิ่งที่เรารู้กันแล้วว่าลึกลับเหนือโลกและพิสูจน์กันไม่ได้จะแจ้งซึ่งทั้งพี่ใหญ่เองชัยยันหรือน้อยที่เดินป่ามาก่อนแล้วก็เคยพบเห็นอะไรแปลกๆค้านกับหลักเกณฑ์ของทางวิทยาศาสตร์มาเสียนักต่อ น, นักแล้วไม่ใช่ลึกถามจริงๆเหอะระหว่างนานอินกับรอพินใครจะเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าในความรู้สึกส่วนตัวของแกชัยยันถามตรงๆง เมื่อถามจริงๆก็จะบอกจริงๆเหมือนกันแต่เฉพาะในความรู้สึกของฉันเองเท่านั้นนะผิดถูกไม่รับรองถ้าเฉพาะในด้านไสยาส์การอย่างซึ่งเข้าใจในเรื่องของมนุ์มืดต่างๆนานอินเรียนรู้เชี่ยวชาญกว่าระพินแน่นอนแต่ความคล่องแคล่วว่องไวฝีเท้าในการเดินป่าฝีมือยิงปืนไหวพิปฏิพา์ระพินต้องเหนือกว่านานอินเป็นธรรมดาและถ้าจะตามล่าสัตว์ไล่อะไรสักอย่างหนึ่งระพินก็อาจได้เปรียบนานอิน ตรงที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าไว้พริบดีกว่าแต่ถ้าจะแก้เคล็ดแก้อาถันของป่ากันแล้วลราก็ละพินไม่ทันหนานอินหรอกละพินอยู่กึ่งกลางระหว่างพรานป่ากับคนที่เจริญแล้วด้วยวิทยาการสมัยใหม่ส่วนหนานอินเป็นลูกไพรโดยกําเนิดเป็นครูพรานระดับเดียวกับครูพรานของละพินคือคู่หูของแกที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างที่ละพินเคยเอ่ยอ้างถึงอยู่บ่อยๆพรานไพรไงล่ะ เชษฐาชัยยันและดารินสงบงันไปและเห็นด้วยกับเหตผลความเชื่อถือของอดีตพรานชดนานอินนั้นถ้าไม่เก่งจริงก็คงไม่นําอนุชาวราริศบุกเข้าไปถึงเทือกพระศิวะและมรกรนครรับแลได้แน่นอนทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไปกันเพียงสองคนเท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ครบครันอนุชาหรือพรานชดเองก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของนานอินนั่นเองแม้ว่าจะมีฐานนะเป็นนายก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของปลาใหญ่ไพรกันดาน เขาเรียนรู้ศึกษา ม, มาจากหนานอินซึ่งถ่ายทอดให้ทั้งสิ้นและนี่เธอคิดหรือว่าหนานอินรู้สึกผิดปกติรู้ไหวตัวอะไรบ้างไหมที่อยู่ไม่อยู่น้อยกวลุกขึ้นมาเอาพระเครื่องคล้องคล อ, คอให้เจ้าเจ้าด้วนเมื่อตะ ก, กี้เชิฐถาถามผมเชื่อว่าแกต้องรู้ครับเว้นแต่จะไม่พูดเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้อุ่นใจเถอะว่าถ้าหนานอินยังร่วมอยู่กับเราแบบนี้แกพอจะแก้ตกได้ทุกอย่างแหละ ยกตัวอย่างง่ายๆในเส้นทางที่จะมุ่งไปเทือกเขาศิวะครั้งก่อนนั้นผมไปกับนานอินเพียงสองคนเว้นจากความอดอยากทุรกันดารต่อเส้นทางแล้วผมสองคนไม่พบกับอาถานบ้าบ้าบอไร้กะง่าเสพงกลัวของดงหลงสำรวจนี่เลยแต่พอรพินนำพวกพี่ใหญ่ตามหลังไปก็เจอเรื่องมหัศจรรย์ห น, น้ากลัวสารพัดอย่างแสดงว่ารพินสะกดป่าได้ไม่เก่งเท่านานอินของผม แต่เรื่องความสามารถนั้นผมไม่เถียงว่าประพินยิ่งใหญ่จริงๆแม้จะพบกับสิ่งที่ไม่น่าพบเขาก็แก้ตกทุกกรณีไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนส่วนทางด้านผมนานอินเบิกปากให้ไม่ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะถ้าพบกับนานอินก็ไปไม่รอดแน่คงตายเสียระหว่างทางแน่นอนอืมถ้าจะจริงพี่ชายใหญ่ของคณะยอมเห็นด้วย แล้วตอนนั้นระพินก็ยังมีแงซายเป็นคู่คิดช่วยกันด้วยสองคนน้อยยอมรับไม่ในข้อนี้ประโยคหลังเขาหันมาถามน้องสาวคนเล็กถ้าเรื่องเวทมนตยศาสตร์อาคมรู้เคร็ดรู้วิธีแก้น้อยก็ยอมรับเขาว่ราระพินอันเป็นคนสมัยใหม่คงสู้นานอินไม่ได้แน่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ประสีภาษาเสียเลยเขาก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันและครูเขาก็ไม่ได้ดอยไปกว่านานอิน อย่างที่พี่กลางก็ยอมรับอยู่แล้วนันอินนั้นเล่นแต่ทางสายศาสตร์เป็นหลักใหญ่แต่ละพินใช้ทั้งสยศาสตร์นํามาประยุกต์กับวิทยาศาสตร์เมื่อมาสรุปกันถึงข้อ น, นี้แล้วระหว่างนันอินกับละพินถ้าจะเลือกเอาคนใดคนหนึ่งให้อยู่กับเราในพาภาวะกลางป่านแต่ไมได้วยอันตรายเช่นนี้น้อยขอเลือกเอาข้างละพินไว้ก่อนละ่ะแต่ตอนนี้ยอดชายนายละพินของเธอไม่รู้ไปอยู่เสี้ยที่ไหนเราก็ต้องพึ่งนันอินก่อน คนเก่งของเธอไม่ได้อยู่กับเราในขณะนี้ด้วยนี่ชัยยันว่าดารินถอนใจเยือกพยักหน้าเอาละ่ะเรามาดูกันรพินนั้นเคยตามทั้งพรานชดและนานอินได้ตัวกลับคืนมาสําเร็จคราวนี้พรานชดกับนานอินเป็นฝ่ายติดตามเขาบ้างจะตามเขาพบหรือไม่ก็คงได้รู้กันออกไปแต่อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าก่อนจะตามพบหรือไม่พบนั้น ทั้งสองคนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันหมายถึงความเป็นความตายของพวกเราให้ผ่านพ้นไปเป็นปราะๆก่อนเถอะคืนนี้มหาฤาษีองค์นั้นมานิมิตบอกฉันล่วงหน้าแล้วว่าภัยมันจะมาถึงพวกเราแน่หลอนพูดพร้อมกับยิ้มเกลียมเียเอื้อมมือไปควา้า3 0 0เวแม็กขึ้นมาขยับลูกเลื่อนดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในลังเพลิงเพื่อความแน่ใจอีกครั้งและลวงเป้หลัง หยิบกระสุนทั้งกล่องยี่สนัดออกมาเทใส่ฝ่ามือแบ่งใส่กระเป๋าเสื้อไว้ทั้งสองข้างกระดุมกันหล่นอาการของหล่อนประกาศชัดถึงความแน่ใจว่าจะอย่างไรเสียก็จะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นกะจะทำสงครามกับอะไรถึงขนาดนั้นเชียวรุน้อยชา ย, ยันถามขึ้นพระท่านบอกไว้แล้วว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ใครไม่เชื่อฉันก็ตามใจแต่ถ้ายอมเชื่อในประสาทสัมผัสของฉันบ้างก็ควรจะเตรียมให้พร้อมฉันบอกไม่ได้ก็จริงว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่คืนนี้รู้สึกว่ามันไม่เข้าทีแน่กลางป่านนี่หนานอินนอนหลับหรื อ, อยังนี่เชิถาถามน้องชายกรึมๆึมคงยังหรอกครับทำไมรือแกจะคิดว่าพวกเราปลอดแทงวันไวไปเกินเหตุไหม ถ้าหากจะเรียกแกมาปรึกษาอะไรหน่อยตอนนี้แทนคําตอบอนุชาป้องปากตะโกนเรียกชื่อนานอินออกไปไม่ดังนะแต่ในความเงียบมันก็ดังไปทั่วมีเสียงขานรับตอบมาทันทีเมื่ อ, อรุชาบอกให้เข้ามาทุกคนก็แลเห็นร่างสูงผอมของพรานชลาเดินดุ่มเข้ามาถึงอนุชาพยักหน้าบอกว่านั่งลงเดี๋ยวลงอินในายใหญ่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยยังไม่ง่วงไม่ใช่หรือครูพรานพูดเท่าย่อนกายลงขัดสมาดกับพื้น ดารินส่งถ้วยกาแฟไปให้แกยกมือไหว้และรับไปจิบพลางมองดูเชศถาถามว่าในายใหญ่มีอะไรหรือถามอะไรหน่อยลุงดูเลิกยามไว้บ้างหรื อ, อยังป่ารอบตัวเราคืนนี้เป็นยังไงบ้างแกหัวรอเสียงลึกอยู่ในลำคอถ้ามันไม่ชอบกล้นอยู่เหมือนกันแหละนายใหญ่นายหญิงทำถูกแล้ว ที่เรียกไอ้ด้วนเข้ามาเอาพระเครื่องรางห้อยคอมันไว้ลุงรู้รู้ว่านายหญิงเอาพระห้อยคอไอด้วนไว้ทําไมเชษฐาสอบความคิดของแกโดยไม่ยอมถามอะไรตรงๆนานอินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ดารินผู้มองอยู่ก่อนแล้วพลางยิม้มนานอินไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่นายหญิงก็ตื่นขึ้นมาเอาพระแขวนคอไอ้ด้วนทําไมแต่ถ้าเป็นพระครั้งศักดิ์สิทธิ์จริงก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ผีมันลงไอ้ด้วนได้ เพราะถ้าผีมันลงไอ้ด้วนได้เมื่อไหร่แทนที่มันจะเป็นเพื่อนกับนายหญิงหรือกับพวกเราทุกคนมันก็จะไล่เหยียบไล่แทงเอาโดยไม่ทันรู้ตัวกันไว้ก่อนอย่างนี้นแหละดีแล้วเชษฐาดารินและชัยยันมองศบตา ก, กันจริงตามที่อนุชาบอกไว้ไม่ผิดครูพรานไว้ทันความรู้สึกนึกคิดของดารินได้เป็นอย่างดีสําหรับเหตุการณ์ในครู่นี้ก็ผีอะไรล่ะที่มันจะมาลงไอ้ด้วนชยันถามขึ้นบ้างสอบดูท่าทีและคําตอบของแก นานอินจิบกาแฟอีกและหึหยในลาคอเช่นนั้นก่อนจะตอบว่าวิญญาณที่ไม่ดีวิญญาณร้ายก็เรียกว่าผีทั้งนั้นแหละนายทหารนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นผีอะไรถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำหรือนางไม้ที่ใจดีให้แต่คุณไม่ให้โทษใครถ้าไม่ไปดูมินดูแครนเราจะเรียกว่าเทวดาเป็นชั้นภูมเทพ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 ผีประเภทไหนมั่งที่จะมาลงช้างได้อนุชาถามย้ำมาเพื่อให้แกเข้าใจในคำถามของชายยันนานอินกรอกหน้าและซดกาแฟโฮกเดียวหมดเอาผ้าเคียนเอวขึ้นเช็ดปากนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีอะไรที่มันจะลงสิงไอด้ดวนหรือช้างทั้งหลายได้แต่ถ้ามันทำได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าผีป่าเล่ลอนธรรมดาเป็นผีที่มีวิชาอาคมกล้าฤทธ เป็นวิญญาณที่มีอำนาจมากพวกเจ้านายทั้งหลายผ่านดงลึกสุดกันมาแล้วก็คงจะรู้จักกันดีว่าในป่ามันมีอะไรอยู่บ้างที่เราจะต้องสู้กับมันทั้งเห็นตัวและไม่เห็นตัวลุงพร้อมหรือเปล่าคืนนี้เชษฐาถามเรียบเรียบเมื่ออยู่ในป่านานอินพร้อมเสมอไม่ว่าป่าพวกเจ้านายคงไม่รู้หรอกว่านานอินสั่งไอ้พวกนั้น แกชี้มือไปทางกลุ่มลูกหาบที่แยกย้ายกันอยู่เป็นกลุ่มให้นอนไวๆอย่าขี้ซาวลูกปืนก็เปลี่ยนให้มาเป็นลูกโดดให้หมดนันอินเองก็ถึงจะนอนก็ระวังตัวอยู่เสมอตื่นได้ทันทีถ้าอะไรมันมาใกล้แล้วก็นอนขวางปากทางสำคัญโน่นไว้ด้วยพวกเจ้านายนอนให้สบายเธอมีอะไรนันอินปลุกเองถึงไอขยินก็นอนวแปลว่าเราอาจถูกช้างบุก ค, คืนนี้ใช่หม ก็ไม่แน่หรอกนายถ้าช้างป่าธรรมดาทั่วๆไปจะให้ดุร้ายแค่ไหนมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ถ้าช้างผีลงอย่างที่มันดักงัดหินใส่พวกเราเมื่อวานนี้ตอนไต่เขาฉันไอ้พวกนั้นมันไม่กลัวลูกปืนถูกปืนตายก็ตายไปไอที่ไม่ตายก็จะพุ่งเข้าใส่แต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรช้างตัวมันโตยิงไม่ค่อยผิดสำคัญให้ยิงให้ทันและกะตอกหัวเขมง็ง มันเข้าไว้นัดเดียวจะล้มตึงไม่ต้องซ้ำมากนะัดช้างโขรงที่ดักเล่นงานพวกเราเมื่อวานลุกลุงว่าเป็นช้างผีลงหรือเชษฐาย่างเสียงถ้าผีไม่ลงมันจะบ้าระหัำ ม, มีเล่กลนอุบายถึงขนาดนั้นเชียวหรือนายใหญ่นานอินรู้มาตั้งแต่ต่อ น, นั้นแล้วร ว, ว่าอาการของไอช้างโขรงนั่นมันพิลึกอยู่ผิดธรรมชาติช้างป่าธรรมดามาก แต่ก็ไม่อยากพูดเพราะกรัวพวกเจ้านายจะไม่เชื่อแต่นี่เจ้านายก็เรียกนานอินมาถามขึ้นเองเอาละพูดกันตรงๆเลยลุงคิดว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอตัวลึกลับนั่นที่มันเดินตามหลังเราในถ้ำเมื่อตอนที่เรามุดรอดมานั่นหรือเปล่านานอินไม่รู้อาจเกี่ยวหรือหรืออาจไม่เกี่ยวแต่ที่รู้แน่ๆก็อย่างที่บอกกันานายใหญ่ไปแล้วไม่ใช่เจ้าถ้ำเจ้าเขาที่แปลกที่สุดก็คือมันมีสองตีนเดินตามหลังเรามาได้เหมือนคน เสียงสีตีนมันก็หนักมากยํามมาตึกตึกได้ยินถนัดทีเดียวนายใหญ่เดินหลังคู่กับนารอินก็ได้ยินแล้วแต่มันก็ฉลาดไม่ตามเราชิดนักพอเรารู้ตัวมันก็หลบไม่ยอมให้มองเห็นเจตัตัวได้เลยก็ถ้าคืนนี้มันมาเดินตึกตึ ก, ตกอยู่รอบๆบริเวณที่พักของเรานี่อีกล่ะชัยยันโล่องออกมาก็ดีสิ้นนัยให้มันมาเฮอานารอินจะจับตัวไว้ให้ดูว่ามันเป็นอะไรถ้าจับได้แต่ถ้าจับด้วยได้ด้วยอาคมไม่ได้ ก็จะจับมันได้ลูกปืนลักษณะของนานอินผิดกับบุญคำมือขวาของระพินมากเพราะแกะไม่พูดไม่โม้อะไรทั้งสิ้นในด้านวิชาอาคมและจะไม่ทําอะไรแบบพ่อมดหมอผีให้ฝ่ายเจ้านายเห็นเลย ท, ทั้งที่แกเนื้อกับบุญคำมากนักในเรื่องเช่นนี้ซึ่งทุกคนรู้ดีบุญคำนั้นครั้งแรกที่เห็นเชษฐาชา ย, ยันและดารินก็ยอมรับว่าแกพอตัวทีเดียวในเรื่องมลดํำสายเวทแต่พอเอาจริงเอาจังเข้าขนาดระพิน ก็ยังขังบัตะเท่าจอมกระล่อนนั่นซะอีกจึงเทียบอะไรกันไม่ได้เลยกับครูพรานขนาดนานอินผู้อาวุโสกว่าในทุกด้านลวงอินรู้เรื่องเกี่ยวกับมนคศารไม่ใช่หรือดารินพุ่งตรงเข้าจุดทันทีมนคศารก็คือมนหัวใจช้างมนสมิงก็หัวใจเสือสัตว์ป่าทุกอย่างมีอาคมบังคับมันได้ทั้งนั้นนายหญิงเพียงแต่ว่าใครจะเรียนรู้หรือไม่เท่านั้น ก็มีอยู่สองประเภทที่จะเรียนรู้ได้แต่ละแนวทางกันคือพวกเรียนในทางด้านนี้โดยตรงจากเดเรชานวิชาชั้นต่ำกับชั้นสูงไปเลยอย่างพระโสดาบาันหรืออรหันต์พวกแรกใช้บีบบังคับควบคุมโวยกริตยาโมลอันอาคมพวกหลังใช้การตรัสรู้และแผ่เมตตาบารมีให้เชฐดาขามวดคิ้วอย่างฉงนเขานึกไม่ถึงมาก่อนว่าพรานป่ายางนานอีจะพูดอะไรได้อย่างมีหลักเกณฑ์เกินฐานะของแกจึงถามในทันทีว่านี่ลุงอิน รู้สึกว่าลุงจะพูดอะไรเข้าเขามากนี่เคยบวชเคยเรียนมาก่อนเอยนานอินหัวรอดเบาๆไม่อตอบแต่นุชาบอกมาว่าผมไม่ได้บอกพวกเราทุกคนมาก่อนเองเลยครับลุงอินบวชมาตั้งแต่เป็นเนรแล้วติดต่อมาจนกระทั่งเป็นพร ะ, พระในพมา้าเคยทุดดงได้เรียนหนักไปทางโลกียานมาแล้วเพราะอายุเกือบสามสิบนั่นแหละก็จึงศึกเอามาเป็นพรานป่าเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ากรรมจะชาติปางก่อนทําให้แกร้อนพระเหลืองอยู่อยู่ต่อไปไม่ได้ ขืนอยู่ต่อไปก็จะฆ่าคนทั้งในผ้าเหลืองอดีตก็เคยเป็นเสือปล้นมาก่อนแล้วภายหลังศึกเพราะฉะนั้นแกจึงพอจะเรียนรู้อะไรมาบ้างในหลักของพุทธและพรามตรอจนมนมืดทุกคนจ้องแกเป็นตาเดี๋ยวด้วยความประหลาดใจคาดไม่ถึงมาก่อนเป็นความรู้ใหม่ของเราทีเดียวเกี่ยวกับเบื้องหลังความเป็นมาของลุงอินนิมีหน้าละถึงได้เก่งในทางนี้เป็นพิเศษชยันคลางออกมา แล้วลุงเคยเรียนรู้ในวิชามนคตสาหรือมนสมิงบ้างไหมนันอินรู้แต่ว่าในคัมภีรไสยเวทมีอยู่จริงแต่ก็ยังเรียนไปไม่ถึงพวกที่เรียนรู้แตกฉานในทางนี้ส่วนมากจะไม่ใช่พวกพุทธเพราะพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะรู้ท่านก็ไม่สั่งสอนไว้แต่มักจะเป็นพวกนักบวชในนิกายอื่นๆนมนากาเลมาแล้วก่อนสมัยพระพุทธเจ้าของเราจะอีกพวกขอมพวกกเขมินก็เรียนรู้กันมากพวกโยคีจิตไม่บริสุทธิ์ก็ทํากันได้มันเป็นสิ่งที่ พูดกันให้เข้าใจได้ลําบากนะ น, นายโดยเฉพาะพวกนายก็เป็นคนสมัยใหม่นานอินไม่เคยเล่าให้ใครหรอกนอกจากในชดเท่านั้นเพราะเดินป่าทุกยากอยู่ด้วยการมองเห็นหน้ากันอยู่สองคนเท่านั้นใครรู้อะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังถึงในชดเองนานอิงก็รู้ว่าคงไม่เชื่อหรอกแต่ในชดก็ได้ไปก็ได้ไปจนถึงมรกตนครมาแล้วนั่นแหละเชื่อไม่เชื่อก็ลองคิดกันดูเองถ้าพวกเจ้านายทั้ง3มคนนี้ก็เหมือนกันทุกคนได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนกันแล้วทั้งนั้น ในคราออกโดนติดตามในชดกับนานอินครั้งนั้นทุกคนอึ้งไปหมดเชิด้าเอามือรูปคางดวงตาทั้งคู่ลีลงอย่างใช้พลังงานหนักในสมองทำไมเขาจะไม่เชื่อในเมื่อตัวเองเคยหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ของภูมิศาสสากลมาแล้วได้รู้ได้เห็นได้เผชิญประจนประจันกันมากับทุกสิ่งที่คน ท, ทั่วไปจะต้องพูดว่าเป็นไปไม่ได้นี้มาเส้นนักตอนนักแล้ว แล้วก็ไม่กล้า น, นําออกไปเล่าให้ใครผู้ใดในยังโลกภายนอกฟังได้นอกจากจะพวกเดียวกันที่ผ่านพบมาด้วยกันแล้วเท่านั้นแม้แต่ในซี่โลกที่เจริญแล้ววิชาของพ่อหมดก็ยังเป็นวิชาที่รับรองกันทั่วไปว่ามีอยู่จริงถึงกับตั้งกันเป็นสมาคมของพวกตนเองโดยเฉพาะและพวกนั้นก็สามารถที่จะทําอะไรได้แปลกแปกนอกเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ได้จริงเหมือนกันลุงอิน ในที่สุดดารินก็เอ่ยขึ้นแถวเบาอย่างระมัดระวังในฐานะที่ลุงบวชเรียนและศึกษาในทางนี้มาแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าคนเราที่ตายไปแล้วโดยร่างกายเดิมคือไม่กินไม่หายใจไม่รู้ร้อนหนาวไม่เคลื่อนไหวร่างกายอาจกลายเป็นท่อนไม้ท่อนหินหรือเน่าเปื่อยผุพังไปแต่ดวงวิญญาณของเขายังอยู่และยังมีอิจฉาลิตทําอะไรได้สิ่งนี้เป็นจริงได้ไหม ทำไมจะเป็นจริงไม่ได้นายหญิงนั้นอินตอบโดยไม่มีอาการต้องคิดลังเลเลยอรหันทุกองคท่านละร่างของท่านไปแล้วแต่ดวงจิตของท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเท่านั้นไม่งั้นเวลาเรานับถือกราบไหว้บูชาท่านจะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารมาช่วยเราได้ยังไงแต่ถ้าไม่ใช่อรหันผู้ประเสริฐล่ะแต่เป็นพวกนักบวชแก่กล้า ว, วิชาอาคมไปอีกด้านหนึ่ง บิญญาณจะคงเป็นอมะตะอยู่เช่นนั้นได้ไหมมีอรังหันได้ก็มีมารร้ายได้นายหญิงมารผู้ไม่รู้จักพุดเกิดเปลี่ยนพฤภูมิหากแต่ล่องลอยคอยสร้างบาปก ร, รมชั่วร้ายอยู่นับโกดธปีมีฟ้าก็มีดินมีสวรรค์ก็มีนรกนันอินพูดไม่ไม่เป็นอธิบายไม่ถูกก็ขอพูดสั้นๆอย่างนี้แหละหม่อมราชวงศ์สาวหันไปทางพี่ชายทั้งสองและเพื่อนทันทีกระซิว่า ถ้าเงานน้อยก็คิดว่าซอต่อพอได้แล้วค่ะนั่นก็คือวิญญาณร้ายของไอ้นักบวชมันไตรแห่งนิทรานครยังไม่ไปไหนสมตามที่แงาซายเคยมาเข้าฝันบอกน้อยไวย้ถึงแม้มันจะพ่ายแพ้เราไปแล้วในครั้งหนึ่งมันก็รวบรวมกระแสจิตของมันเข้ามาอีกครั้งในขณะนี้กำลังจะหวนกลับมาแก้แค้นลองดีเราอีกด้วยความพยายามเชษฐาอนุชาชัยยันนิ่งตื้อในคาพูดของหลอน ทุกคนอยู่ในสภาพครุ่นคิดที่ไม่เป็นสุขอย่างไรบอกไม่ถูกเธอมีอะไรเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือน้อยผู้เอ่ยถามคือชัยยันกระแสเสียงของเขาเคร่งขรึมจริงจังผิดกว่าเคยฉันแน่ใจถึง 99% เปอร์เซ็นต์มีโอกาสให้ผิดพลาดได้แค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นหล่อนย้ำแผ่วเบาอยู่เช่นนั้นมือกำอยู่ที่หน้าอกตรงตำแหน่งกรัดพระเครื่องไว้แน่นเชิถามมองหน้าชัยยานัน เพราะเคยร่วมระจญเหตุการณ์มาด้วยกันแล้วเมื่อครั้งรพินนําหลงพลัดเข้าไปในดินแดนอาถรรพ์ของนิทรานครส่วนอนุชานั่งกอดเขาหลังพิงกองสัมภรธาตุทางด้านหัวนอนฟังอยู่เงียบเพราะทางเขาและหนานอินไม่ได้พบมากับตาตัวเองเพียงแต่ภายหลังไม่ได้พบปะกับฝ่ายที่ออกติดตามแล้วก็มาได้รับฟังเรื่องราวโดยพิสดารจากคําคุยบอกเล่ากันภายหลังซึ่งก็ไม่รู้รายละเอียดทีท่วนอะไรนะ มันไตรไอ้ผีดิบร้ายนั่นน่าจะพินาศดับศูนย์ไปแล้วในครั้งนั้นไม่ใช่หรือเชษดขาอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปหาหรือขอความเห็นพี่เอื้อใหญ่ของคณะซากเสือโครงดำอันเป็นหินที่อาศัยสับเปลี่ยนสำแดงฤทธิดเดชได้กับซากนักบวชโลนซึ่งเป็นร่างเดิมเก่าแก่ของมันล้วนถูกทาลายไปแล้วทั้งสองร่างจากเสือหินนั้นฉันเป็นคนวางกับระเบิดด้วยมือตัวเอง แย่เป็นเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนซากนักบวชโลนก็ถูกกระยิงร่วงลงมาจากหน้าผาสูงและบุญคําเป็นคนเผาหมดไหม่ไปกับมหาคำภีมายาวินของมันวิญญาณของมันหมดทางที่จะเข้าสิงในซากใดซากหนึ่งที่เคยอาศัยสับเปลี่ยนไปมาเพราะแหลกปนไปหมดทั้งสองร่างแล้วมันจะหวนกลับมาได้อีกยังไงก็นั่นสิฉันก็ยังงงอยู่เหมือนกันในคําพูดของน้อยที่แสดงความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้น เราทำลายอาถรรพ์ของนิทรานครนภายใต้คำสาปของมันรวมทั้งตัวมันเองพินาศสิ้นไปแล้วปลดปล่อยวิญญาณแทนทนทุกทรมานของพันทุมวดีตลอดจนฆ่าราชบริพารทั้งหมดให้เป็นอิสระเื่อไปผุดไปเกิดแล้วเราก็ผ่านอาถรรพ์ต่างๆของนิทรานครไปได้โดยสวัสดิภาพมันก็น่าจะแปลว่าวิญญาณชั่วร้ายของมันตรายสูญสลายไปเสียทีมิฉะนั้นเราก็คงจะผ่านกันไปไม่ได้แล้วทำไมน้อยถึงคิดว่า มันไตร ย, ยังอยู่อดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์พูดต่ำๆเต็มไปด้วยความพิศวงครางแคลงพี่ใหญ่กับชัยยันจำได้ไหมคะว่าการเดินทางผ่านผจนกับสิ่งอันเร้นรับที่เรายังไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ในครั้งแรกๆนั้นพวกเราจะปรึกษ า, าหาหรือถกเถียงและสมมุติฐานกันขึ้นก่อน โดยคาดการว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และจากสมมุติฐานของเราเนี่ยทำให้เราแก้อะไรตกได้เปราะๆไปแม้จะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ส่วนน้อยเท่านั้นสมมุติฐานที่เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะเข้าไปสู่การค้นคว้าแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอยู่ในสภาพมืดมนหล่อนพูดช้าๆเซลล์ทุกส่วนในสมองและกระแสจิตทำงานอย่างเต็มที่ มีอาการเหมือนจะเข้าฌานสะกดตัวเองเพื่อเข้าไปสู่โลกซีกส่วนที่มืดมิดที่สุดพี่ชายใหญ่ตบมาที่ไหลเบาๆเอาละน้อยตั้งสมมติฐานยังไงในครั้งนี้เกี่ยวกับไอ้ผีดิบมันตรยซึ่งมันพังไปแล้วด้วยฝีมือของพวกเราในครั้งนั้นซากเสือโครงดาอันเป็นหินนั่นพินาศ ด, ด้วยกับระเบิดของชั ย, ยันดารินกาวเนิบๆชัดเจนเป็นจังหวะดวงตาหลีลง ซากตัวของมันเองมอดไหม้เป็นเท่าถานด้วยการเผาของบุญคำกับประพินทุกวิญญาณจมบาปได้มนสาบถูกปลดปล่อยวิญญาณของมันตายไปไหนชีวิตจริงตัวจริงของมันได้ตายไปแล้วนานนับเท่าใดไม่ทราบได้พร้อมๆกับการถล่มล่มของอาณาจักรนิทรานครแต่ดวงวิญญาณอันแกร่กล้าฤทธิ์เป็นอมตะของมันในครั้งนั้นก็ยังอยู่และควบคุมวิญญาณของนิทรานครทั้งหมดเอาไว้ได้ ทว่าแต่แล้วเราก็มาล้างอาถรรพ์มนตรายามือลีลับของมันได้ใช่เราเข้าใจว่าเราล้างได้โดยทำลายซากทั้งสองของมันระหว่างร่างรูปร่างที่เคยเป็นมนุษย์กับซากเสือโครงดำสําเร็จนั่นแปลว่ามันจะต้องตายซ้ำอีกงั้นหรือคะในเมื่อคุณสมบัติดั้งเดิมของมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วนั่นหมายถึงกระแสจิตดวงวิญญาณ ลองว่าไปสิตามสมมุติฐานที่คาดคะเนของเราเชษฐาพยักหน้าเตือนให้พูดต่อดารินเอามืออันเย็นเชียบของหล่อนเท้าคางไว้เมื่อกี้เราได้ยินนานอินผู้บวชเรียนและรู้เรื่องเช่นนี้พูดให้เราฟังแล้วว่าเมื่อมีอลรหันได้ก็มีมารร้ายได้เป็นของคู่กันเป็นดวงจิตที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่สิ่งแรกนั้น เป็นสิ่งสูงส่วนสิ่งหลังเป็นสิ่งต่ําช้าน้อยขอตั้งเป็นสมมุติฐานดังนี้ค่ะคือเมื่อมันพลาดท่าเสียทีไฟลเราในครั้งนั้นเป็นการพ่ายแพ้เพียงชั่วขณะเท่านั้นวิญญาณไม่มีร่างกายจะเข้าสิงสู่ได้ก็กระจัดกระจายตเตลเิดเปิดเปิงไปก่อนยังไม่สามารถจะรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อนสร้างพลังอํานาจขึ้นได้คล้ายๆข้าศึกที่ค่ายแตก เสียเมืองตัวเองหนีรอดไปก่อนต่อมาพอตั้งหลักได้มันก็เริ่มรวบรวมพลังจิตของมันเข้ามาอีกถึงแม้มหาคัมภี์มายาวินจะถูกทำลายพินาศไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของมันเองก็เป็นดวงวิญญาณของนักบวชที่แกรร่กล้าฤทธิ์อาคมเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจสยเวทกริยามนอยู่ก่อนแล้วแม้จะไม่เทียมเท่ากับสมัยที่มหาคัมภีร์มายาวินของมันยังคงอยู่ โดยจิตวิญญาณความทรงจำของมันเกี่ยวกับมนลมืดชนิดนี้ก็จะต้องหลงเหลืออยู่บ้างตามคุณสมบัติเดิมของมันซ้ำอย่างเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่มันต้องเสียถีพ่ายแพ้เราไปในคราวนั้นดวงวิญญาณของมันล่องลอยวนเวียนอยู่ในเขตแดนนี้ไม่ยอมสลายตัวไปไหนครั้นพอไฟเราอันมันถือว่าเป็นศัตรูเดิม มีความจําเป็นจะต้องเดินผ่านเข้ามาในอนณาจักรของมันอีกครั้งมันก็พร้อมที่จะเล่นงานเราอีกแต่อาจแตกต่างเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้น้อยก็ยังอเนกไม่ถูกว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าจะต้องเป็นผลมาจากมันแน่ๆคือไอ้ผีดิบมันไตรหรือดวงวิญญาณเดิมของมันนั่นแหละมันแค้นที่เราไปทําลายอํานาจคําสาปของมัน และปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีให้หลุดพ้นจากการควบคุมไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าเดิมเราช่วยนางอันเป็นที่รักที่ปราถนาอย่างผิดทํานองครองธรรมของมันให้หลีกหนีพ้นอำนาจของมันไปได้ข้อนี้พี่ใหญ่กับชั ย, ยันยอมรับไหมคะพี่ชายใหญ่และเพื่อนงานไปช่วยขณะแล้วเชษาก็หัวเราะ ก, กร่อยๆ่อยยักไหล่เฉพาะข้อหลังยอมรับว่าใชา่พวกเราภายใต้การนาของระพิน ทำให้มันต้องสูญเสียนางพญาพันธุุมวดีกับข้าทาสบริวารภายใต้มนตราของมันไปเสียความจริงเราก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรด้วยแต่มันดนันพามาเล่นงานเอาพวกเราก่อนนี่ด้วยความหวงแหนที่เราร่วงถิ่นหลงเข้าไปเมื่อมันเอาเราก่อนเราก็ต้องชะกับมันชนิดใครดีใครอยู่ตอนนั้นมันก็จะเอาพวกเราตายกันหมดทั้งคณะนั่นแหละถึงได้เกิดการต่อสู้ทาลายล้างกันขึ้น มันไม่ใช่ความผิดของเราพินและพวกเราที่จะต้องป้องกันตัวค่ะไม่ใช่ความผิดของเราและเราก็จําเป็นต้องทําอย่างนั้นด้วยเราช่วยวิญญาณจากคํำสาปนับพันนับหมื่นให้มีโอกาสได้ไปพุดไปเกิดแต่มันในฐานะที่เป็นเจ้าครอบครองอยู่มันก็ต้องเคียดแค้นพยาบาทไม่ใช่หรือคะในเมื่อมันเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ตายทรงความเป็นอมาตะอยู่ตลอดนิรันดร์การแบบนี้ บอกได้ไหมว่ามีอะไรที่ทำให้น้อยคิดหรือตั้งสมมติฐานแบบนี้หมอมราชวงศ์อนุชาผู้สงบนิ่งฟังอยู่นานเอ่ยถามมาเป็นประโยคแรกจากพื้นความรู้เดิมๆจากคำบอกเล่าเคร่าๆที่ทราบมาบ้างพอสมควรน้อยสันส่นศีรษะเช่มช้าถามอย่างนี้ก็บอกไม่ถูกหรอกคำมันคล้ายๆมีอะไรมากระซิบบอกในดวงจิตของน้อยตลอดเวลา นับตั้งแต่คืนแรกที่ฝันร้ายเห็นระพินเดินตามการล่อของมันอยู่กลางป่าน้อยเล่าให้ฟังแล้วนี่เขาว่าน้อยฝันเห็นระพินในสภาพไหนและเมื่อพูดกันมาถึงเช่นนี้แล้วน้อยก็จะขอบอกความจริงเสเลยดารินหยุดกลืนน้ําลายลงคออันแห้งผะคืนที่เรามาพักกันอยู่ที่บ้าน น, น้องน้ําแห้งของระพินก่อนจะออกเดินทางมาในวันรุ่งขึ้นตอนนั้นน้อยอยู่ในห้องคนเดียว พี่ใหญ่ชา ย, ยันและพี่กลางยังคุยกันอยู่ที่นอกชานน้อยไม่ได้นอนหรอกแต่ยืนมองดูอะไรในความมืดอย่างปลาเจากจุดหมายออกไปทางหน้าต่างแล้วน้อยก็ยิงปืนขึ้นนัดหนึ่งทุกคนตกใจวิ่งเข้ามาถามกันหมดว่าน้อยยิงอะไรแต่น้อยก็บอกว่ายิงอะไรส่งเดดเล่นงั่นเองแล้วน้อยเห็นหรือยิงอะไรเชษฐาถามโดยเร็วคิ้วขมวดน้อยไม่กล้าบอกในตอนนั้นค่ะเพราะเข้าใจว่าตัวเองในตาฝาดไปเหมือนกัน สิ่งที่น้อยเห็นก็คือร่างของเจ้าผีดิบมันไตรนั่นเองมันยืนอยู่ที่ลานดินตรงลานเรือนพระของระพินมันมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนภาพมายาน้อยยิงไปที่มันภายหลังจากเฝ้าสังเกตยอยู่นานเห็นแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวโบกมือเหมือนจะเรียกของมันแต่พอทุกคนใายไฟออกไปปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงซากต้นไม้แห้งที่มีเถาต้นฟักข้าวขึ้นเลื้อยพันอยู่ วิญญาณของมันมาหลอกหลอนจองเวรจองกรรมเอากับน้อยสามชายอึ้งไปอีกครั้งทุกคนจําเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ดีเพราะผ่านมาไม่กี่วันนี้เองและในคืนนั้นไม่มีใครสงสัยอะไรนอกจากเข้าใจว่าเกิดจากอารมณ์วิปริตฟุ้งซ่านของหล่อนเองจึงทําอะไรแพรงแปลงขึ้นน้องสาวเลขาของคณะเพิ่งจะเปิดเผยเอาเดียวนี้เองว่าหล่อนเห็นอะไรอย่างไร พวกเจ้านายจะคิดยังไงนานอินไม่รู้ <c oughs> พรานครูผููเท่าเอ่ยขึ้นในความเงียบงานของทุกคนแต่นานอินเชื่อตามที่นายหญิงว่าไอผีนะักบวชหมื่นปีหรือแสนปีตัว น, นั้นยังไม่ไปไหนแต่ยังคอยดักเล่นงานเราอยู่แน่ๆถ้าเรื่องราวในหนหลังเป็นอย่างที่นายใหญ่เคยเล่าให้พรานชดกับนานอินฟังและมันก็คงไม่จ้องจะเล่นงานเราฝ่ายเดียวหรอกถ้าฝ่ายระพินที่ร่วงหน้าไปก่อนแล้วก็คงเจอดีเข้าด้วยเหมือนกัน เออครั้งก่อนนานอินกับพรานชดไม่ได้เห็นด้วยแต่คราวนี้ถ้ามันเอาจริงก็คงได้เห็นแน่แล้วแกก็หัวร่อเสียงพี่โกลร้องถามไปทางคู่พระจนพายเก่าว่าเอาก็มันนะนายชดอดีตชดประชากรหัวเราอต่อเพือ่อถ้าเป็นอย่างที่น้องสาวชันว่าถึงเราไม่เอาก็มันมันก็เอาก็เราอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็หันไปปลอบใจน้องสาวว่าทําใจให้สบายเธอน้อยแปลว่า พวกเราเตรียมพร้อมเต็มอัตราเสุดตลอดเวลาจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วน้อยก็อย่าห่วงอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้รพินจับคู่อยู่แล้วกับบุญคํา ส, ส่วนทางด้านเราพี่กับลุงอินรับผิดชอบเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะลายนี้เนื้อกว่าตาบุญคํามากนะักเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาบุ้ยปากไปทางพรานครู แต่ตัวแกเองล่ะได้อย่างระพินหรือเปล่าชัยยันถามโระงคมาไม่ใช่ฉันคนเดียวนะพี่ใหญ่อีกทั้งคนแก่แล้วก็น้อยด้วยทั้งสามคนก็เคยผ่านเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วจะต้องมาวิตกวิจารณ์อะไรถั่วเฉลี่ยแล้วคณะของเราก็ไม่เสียเปรียบฝ่ายของระพินนะหรอกทุกคนก็รวแล้วแต่มือดีๆทั้งนั้นจะต้องกลัวอะไรที่เรามาพูดกันอยู่นี่เราไม่ได้กลัวอะไรแต่เรากําลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือตั้งหา เอาละน้อยสำหรับพี่กลางชัยยันจะยอมรับฟังสมมุติฐานของน้อยเอาไว้และจะเตรียมตัวดำเนินการในแนวทางที่เราตั้งสมมติฐานไว้แล้วนี้จะไม่มีใครเผลอตัวหรือประมาทเห็นเป็นเรื่องเลวไหลหรอกถึงเวลาที่เราควรจะนอนกันได้แล้วละ่ะคืนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้เองกำชับลูกค่ะอย่าให้กองไฟทุ ก, กองดับมอดอย่าให้ใครหลับยามยางเด็ดค่ะ อนุชาสั่งนั่นอินเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่แกจะเดินออกไปทุกสายตาในกระจมพักของนายจ้างพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาขณะที่ประพินไพร์วันก้าวเข้าไปถึงอาหารเย็นเตรียมคอยเขาอยู่ก่อนแล้วรวมทั้งฝ่ายนายจ้างทุกคนด้วยยังไม่มีใครลงมือรับประทานเพราะรอเขาอยู่เป็นยังไงเลียมากหรือรับพินสตนลี่เอยทักเป็นคาแรกยิ้มยิม ตาสีฟ้าเป็นประกายชื่นชมยินดีเมื่อมองมาที่เขาจอมพรานยิ้มให้ทุกคนด้วยสีหน้ า, าการปกติได้พักไปหยีบนึงก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับความจริงทุกท่านไม่จําเป็นจะต้องรอผมเลยรับประทานอาหารเย็นล่วงหน้าไปก่อนได้ผมตื่นขึ้นมาผมก็หากินเองได้เพรากลัวว่าคุณจะนอนหลับโดยไม่ยอมตื่นเลยน่ะสิถึงได้ให้คริสไปปุกอา้าวทานอาหารรองท้องจะก่อนแล้วค่อยไปนอนต่อพวกเราทุกคนรู้ดีว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา กับวันนี้อีกตลอดทั้งวันคุณเหนื่อยยากกรากกล้ำแค่ไหนมนุษย์เหล็กเบลพูดเสียงเริงราพร้อมกับเรื่อนกระป๋องซุปที่อุ่นควันขึ้นกลุ่นส่งไปให้เขาอย่างเอาใจพลานใหญ่ไม่กล่าวอะไรรับมาและใช้ช้อนตักกินเงียบๆ เ, เสียงในคีตร้องทักมาว่าเฮกินไปพลางคุยไปพรางทิเพื่อนยากตั้งแต่คุณโผล่กลับเข้ามาในแคมป์พร้อมกับเอาตัวคนที่เราคิดว่าตายไปแล้วกลับขึ้นมาให้เราได้ คุณยังไม่พูดอะไรกับเราสักคำผมคิดว่าระหว่างที่ผมนอนพักคุณเชิดวุดก็ดีคริสก็ดีหรือบุญคำจัน์ก็ดีคงจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกคุณที่รอคอยฟังข่าวอยู่ละเอียดดีที่สุดแล้วทั้งด้านผมที่ออกติดตามและด้านสองคนที่หายไปจนกระทั่งไปพบกันเข้าใช่เราได้รายละเอียดเกือบทั้งหมดจากฝ่ายของคุณและฝ่ายของเชิดวุฒแล้ว แต่มันยังไม่สมบูรณ์นะจนกว่าจะได้ยินอะไรบ้างจากปากคำของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งป่าภาคพื้นเอเชียนี้ผมแทบไม่เชื่อฝูเลยที่ได้ยินเสียงวิทยุรายงานเข้ามาก่อนของคุณว่าคนพบตัวสองตัวสองคนนี่แล้วในสภาพเรียบร้อยและต่อมาก็เห็นคุณนำเอาชดวุแ ล, และคริสกลับคืนมาให้เราได้จริงๆหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวนแจ่มใส ผมก็ไม่ทราบจะเล่าซ้ำยังไงทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกับที่คุณเชิดวุตรเพลสและคนของผมอีกสองคนเล่าให้พวกคุณทางด้านนี้ฟังแล้วนั่นแหละครับเอาว่าถ้ายังไม่สงสัยอะไรก็ถามผมเป็นข้อข้อไปดีกว่าอย่าให้ผมต้องเล่าเลยเสียงของเขาเรียบธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยตรงข้ามกับสแตนลีย์คีตและอิซาเบลที่มองจับนิ่งมายัางเขาอย่างปิติตื้นตันในผลสาเร็จอันไม่น่าเชื่อกอไปได้วยความประหลาดใจ เพราะทั้งสามเป็นฝ่ายรอคอยอยู่ส่วนเชิ์บุ๊กกับคริสนั้นดูเป็นปกติเรียบร้อยดีที่สุดแล้วเพราะได้พบปะพูดคุยกับเขามาก่อนแล้วเมื่อตอนตามพบกันระวังติดตามด็ตอร์แซนลี่ถือโน้ตของเขาที่เขียนสั่งข้อความไว้สะบัดอยู่ในมือและชูให้ดูผมคีดและเบลแทบช็อกเมื่อตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าแลวเห็นโน้ตของคุณชินนี่ แต่คุณทั้งสามก็ปฏิบัติตามที่ผมขอร้องได้อย่างเคร่งครัดดีมากนี่ครับคือเคลื่อยนย้ายมาถึงห้วยเสือร้องและรอคอยอยู่ที่นี่แสดงว่าพวกคุณฉลาดและเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัยได้ดีมากต่อไปก็ขอให้ถือหลักปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปด้วยคือถ้าผมแนะนำอะไรก็โปรดทำตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามขึ้นเองเขาบอกหน้าตาเฉยไพรวันในโน้ตเนี่ย คุณไม่ได้บอกความจริงกับเราเลยว่าโดยแท้ที่จริงนั้นบุญคํากับจันทรแอบกลับเข้ามาถึงแคมป์ของเราบนยอดซักดำเมื่อตอนดึกแล้วภายหลังจากค้นหาทางเชื่อมต่อระหว่างโพรงถ้าเพื่อเข้าไปช่วยเชิด ว, วุฒกับคริสไม่พบแม้ผมแดงตั้งปุชชาทันทีหล่อนรอให้เขาตื่นด้วยความร้อนใจอยากจะกซักไซส์มานานแล้ว ท, ทั้งทั้งที่ความโดยละเอียดทั้งหลายก็ได้ทราบจากเชิด ว, วุฒและคริสฝ่ายหนึ่งกับบุญคําอีกและจันอีกฝ่ายหนึ่งไปหมดสิ้นแล้ว ใช่ผมไม่ได้บอกเพราะเห็นว่ามันยังไม่สมควรจะบอกพวกคุณจะยิ่งตกใจสักแค่ไหนเมื่อเห็นบุญคำกับจันร์รอดมาได้โดยไม่มีคุณเชิดวุธกับคริสกลับมาด้วยขณะนั้นคุณทั้งสามนอนหลับเพราะควรจะให้หลับไปก่อนมันเป็นหน้าที่ของผมโดยตรงเอาละสมมติว่าคุณตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องออกตามด้วยตัวเองแล้วเอาบุบญคาและจันไปด้วยอีกครั้งทาไมคุณไม่ปลุกให้พวกเรารู้ตัวบ้าง คิดถามเห้าๆแต่สีหน้ายิ้มพวกคุณไตรตรองให้ดีแล้วก็น่าจะได้คำตอบเองว่าทำไมผมถึงไม่ปลุกบอกโดยแอบไปเงียบๆเราต้องการได้ยินจากปากของคุณเองเบลสวนมาทันทีการสูญหายไปของแม่เพื่อนสาวผมทองและเชิดวุฒิหล่อนแสดงความวิตกห่วงใหญ่และวันไหวโดยแทบจะระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้ยิ่งกว่าหัวหน้าคณะและคิด ผู้มั่นคงและเก็บงำความรู้สึกได้มากกว่าซึ่งรพินก็สังเกตเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่เย็นวานทำไมคุณคิดว่าผมจะหนีงั้นเนอะเขาแกล้งรวนอิสเบลสายหน้าช้าๆอย่างระอาใจแล้วยักไหลทางงั้นฉันไม่ถามคุณละ่ะคุณสุภาพบุรุษไพรหล่อนเน้นประโยคหลังอย่างแดกดันผมรู้ว่าถ้าผมปลุกบอกความจริงทั้งหมดให้ทั้งหมดให้พวกคุณทราบผลที่ตา ม, มาก็คือหนึ่ง พวกคุณจะยิ่งวิตกทุกร้อนเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งจะเชื่อแน่เข้าไปอีกว่าสองคนนี้หมดหวังแน่แล้วส่วนข้อที่สองถ้าผมจะออกตามกลางดึกเลยคุณทั้งสามก็จะต้องตามไปด้วยแน่ๆอยากนักที่จะยอมเชื่อฟังผมโดยไม่รอให้อยู่ในแคมป์พักเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะห่วงคริสและคุณเชิร์วุธได้ทั้งนั้นส่วนทางด้านผมนั้นถ้าคุณสามคนตามไปด้วยผมจะเกะกะเป็นภรระแน่ เพราะผมรู้ว่าเส้นทางมันแทบเลือดตากระเด็นทีเดียวจึงขอสารภาพว่าไม่ต้องการให้ไหวตัวรู้ตัวอะไรทั้งสิ้นแอบหนีไปกับคนของผมเท่านั้นให้พวกคุณอยู่รอฟังข่าวและพักผ่อนดีกว่าขณะเดียวกันเพื่อประหยัดเวลาระหว่างที่ผมออกตามสองคนที่สาบสูญภายใต้ภูเขาถลม่มผมก็ต้องการให้คุณทั้งสามกับลูกหาบทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาที่นี่ด้วย เพื่อจะได้มีเสียเวลานี่คือเหตุผลของผมมันอาจดูเป็นว่าผมไม่ให้ความกระจ่างอะไรแก่พวกคุณเลยแต่ผมก็เลือกทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องดีงามที่สุดถ้างั้นอาจารย์ก็เข้าใจถูกแล้วค่ะสำหรับความรู้สึกนึกคิดของชายผู้นี้เรียกว่าอ่านใจเขาออกเบลพูดกับหัวหน้าของหล่อนระหว่างการสนทนาสอบถามกันอย่างรวดเร็วฉับไวราวกับการสอบสวนนี้ เชดิดบุดนั่งกินอาหารยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยตามองจับอยู่เฉพาะอัลพินส่วนคริสก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารของตนอยู่เงียบเงียบเนื่องมาจากคนทั้งสองพูดอธิบายอะไรให้พักพวกฟังจนหมดเปลือกแล้วแน่ละ่ะคงยกเว้นในบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะปล่อยให้พักพวกที่ยังสงสัยอยู่สอบถามพรานใหญ่เอาเองโดยนั่งฟังเฉยเฉยถามจริงๆริงเหรออัลพินขณะที่คุณเห็น ขณะที่คุณเห็นคนของคุณสองคนรอดตายกลับมาได้กลางดึกโดยรายงานให้คุณรู้ว่าเขาทั้งสองหมดหนทางที่จะค้นหาเชิดวุฒกับคริสได้แล้วตอนนั้นคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจอมพรานเอาช้อนพลาสติกคนในกระป๋องซุปอยู่นานเขาหยุดตักเข้าปะเบลถามอ่ะเขาไม่สบายหรือเปล่ารพินรีบ ป, ปฏิเสธห่อนจึงส่งอาหารกระป๋องชนิดอื่นและเนื้อย่างรมควันเรื่อนไปให้เขาพึมพำว่า ถ้าคุณจะไม่ได้เป็นอะไรทางกายแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่สบายทางใจอยู่มากนะนี่เราคุยกันไม่ได้มาจับผิดรู้ว่าคุณเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยอะไรตรงข้ามฉันคีดและอาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเสอีกในการตามเอาคนสองคนของเรากลับคืนมาจนได้ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าหรอกแต่พระเจ้ายืนอยู่ข้างคนสุจริตและตั้งใจทางานจริงอย่างผมเสียมากกว่า เขาตอบอย่างสัมารวมและเงยหน้ามองไปทางด็อกเตอร์สแตนลีย์จากนั้นก็เปลี่ยนสายตาไปยังเชิญวุดและคริสท่านั่งอยู่คนละมุมโดยมีคีตกับสแตนลีย์ขั้นกลางในลักษณะล้อมวงสองคนนี้ไม่น่าจะรอดตายได้เลยเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผมเขาพูดช้าๆออกมาจากแก่นแท้จริงใจและตรงไปตรงมาเมื่อผมเห็นคนของผมสองคนแอบย่องกลับมาโดยไม่มีคุณเชิญวุฒและคริส ผมก็ไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกเหมือนกันแต่ที่ผมจำเป็นจะต้องไปก็เพราะหน้าที่ของผมอย่างน้อยก็จะได้กลับมารายงานพวกคุณได้ถูกว่าทั้งสองคนตายอยู่ในตำแหน่งไหนแน่แต่ถ้าจะเป็นไปได้ก็จะเอาศพออกมาให้ได้เป็นระยะนิดหนึ่งยักไหล แต่ผมก็โชคดีมากที่ยังอุตส่าห์รักษาชื่อเสียงของตนเองไว้ได้ในกรณีที่ว่าในชีวิตพรานอาชีพอย่างผมไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะพานายจ้างไปเสียชีวิตทั้งที่ททนายจ้างก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วปัญหาของผมมีมากเหลือเกินห่วงหน้าพวงหลังยุ่งไปหมดการพูดตรงๆแบบนั้นทำเอาทั้งเชิดวุฒิและคริสนาจอยไปถนัด ชดวุฒิยิ้มแห้งๆแต่คริสก้มหน้าระพินกล่าวเนิบๆต่อไปแต่ถึงอย่างไรผมก็ขอเรียนตามตรงว่าทั้งสองคนไม่ว่าคุณเชิวดวุฒิหรือคริสก็ล้วนมีขีดความสามารถสูงสุดเกินคาดหมายของผมเช่นกันแม้ตัวเองจะพลาดหลบเข้าไปทางช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ทนันแต่ก็ไม่ได้ท้อท้อถอยทอดอะไรเลยทั้งสองคนพยายามสแสวงหาทางออกสู่โลกภายนอกใต้ภูเขาถล่มทับนั้นได้ด้วยตัวเอง โดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องตามกับผมกับคนของผมบุกตามเข้าไปในช่องซึ่งทั้งสองเข้าไปติดอยู่ได้ก็จริงแต่ก็พบว่าทั้งสองคนหาทางออกมาได้แล้วและไปพบตรงลำธาร น, นอกเขตอันตรายแล้วนั่นแปลว่าถึงแม้จะไม่มีการไปตามกันเลยหรือผมตามแล้วคนไม่พบช่องทางเชื่อมทะลุติดต่อถึงกันได้ทางเพดานหินด้านบนทั้งเชิญวูดและคริสก็จะต้องรอดและกลับมาพบพวกเราได้วันยังคำ่ำ เพียงแต่อาจคลำทางช้าไปบ้างเท่านั้นผมขอโค้งคำนับทั้งสองว่าเป็นนักต่อสู้และนักะจนภยัยชั้นเยี่ยมยอดจริงๆเป็นการพูดจากจริงใจเอาล่ะครับเดี๋ยวนี้เราก็ปลอดภัยเรียบร้อยกันพร้อมหน้าดีแล้วขอให้ผมถามคุณเชิญวุดกับมิสกรูเบลต่อหน้าพวกเราทุกคนบ้างจะได้ไหมคุณจะถามอะไรคริสติน่าสวนมาโดยเร็วภายหลังจกนิ่งอยู่นาน ระหว่างที่หินถล่มลงใส่คุณสองคนมัวไปทําอะไรชักช้ากันอยู่จึงหลบตามบุญคําและจันท์ไม่ทันทั้งทที่นัดแนกกันไว้อย่างดีแล้วและคนของผมคือบุญคําก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดขณะที่ฝา่าฝนหินเพื่อจะเข้าไปชุดดึงคุณทั้งสองจนกระทั่งตัวเองถูกก้อนหินกระแทกเกือบหลังหะลองต่อมาตานาทุกคนนี่สิแม่ผมทองเดือบตาแวบไปทางเชิดบุตรแล้วก้มหน้านิ่งไปตามเดิมเชิดบุตรยกมือไหว้เขาปลกปลกุก โปรดเถดครับคุณรบพินผมกับคริสต้องขอโทษคุณเป็นอย่างมากยอมรับโดยหน้าชื่นว่าเป็นความผิดของผมเองซึ่งผมก็บอกพวกนี้ไปแล้วผมหามขะนองเกินไปยั่วคริสให้โกรธโมเจแย่ให้มีโทสะทะเลาะ ก, กันอยู่ไอ้ฝนหินเจ้ากรรมมันก็ถล่มพลูลงมาเพราะเขาถล่มเราเลยหลบตามบุญคำและจันไม่ทันถ้าจะด่าก็ด่าผมอย่าไปด่าว่าอะไรคริสเลย และถึงผมกับคริสจะหาทางออกมาได้ถ้าคุณไม่ไปตามก็หนึ่งเสือขย้มขมองแหลกไปแล้วและสองถ้าไอเสือตัวนั้นมันไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเราสองคนก็หลงป่าแน่เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สอนผมไว ม, มากกือเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้วประพินภรยวันยิ้มออกมานิดหนึ่งถายมือทั้งสองกว้างออกไปแฮ็คอผมจะไม่ถามเรื่องนี้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วผมเองก็ดีใจที่คุณทั้งสองรอดตายออกมาได้มีอะไรที่ใครจะถามผมอีกไหมครับหัวหน้าคณะเอื้อมือมาจับแขนเขาไว้บีบหนะักหน่วงคุณใช้คำที่พวกผมฟังแล้วไม่สบายใจเลยขณะนี้เรากำลังคุยกันภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นมาได้แล้วคุณเอาคนสองคนมาส่งให้เราสำเร็จคุณก็แยกไปพักนอนและเพิงจะตื่นขึ้นมาร่วมรับประทานอาหารกันนี่หากจะมีอะไรในรูปของคำถาม ก็แปลว่าเราอยากจะสนทนาอยากจะทราบความจริงที่ยังไม่รู้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการเรียกคุณเข้ามาสอบสาวราวเรื่องหรือตั้งคำถามสอบสวนอะไรจะให้ผมย้ำสักกี่ครั้งว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เราไม่ได้คิดว่าคุณเป็นลูกจ้างของเราเลยนอกจากเพื่อนร่วมตายน้ำเสียงนั้นหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงจอมพลานยิ้มกว้างออกไปอีกผมขออภยัย ถ้าหากผมจะใช้คำพูดอะไรทำให้คุณต้องเข้าใจไปเช่นนั้นยอมรับว่าผมคุณมัวและอ่อนเพรียมากถ้างั้นกลับไปนอนเสดีไหมเบลประชดเอาบ้างเอียงหน้าถามสุภาพโปรดพรายหัวเราะสำหรับผมคืนนี้จะยังไม่นอนหรอกครับจนกว่าพวกคุณจะหลับกันหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นแม้คุณเชอร์วุธและคริสก็สะบักสะบอมมากอาจมากกว่าผมเะอีกตั้งแต่กลับมาถึงแคมป์ของเรานี่ สองคนพักผ่อนกันบ้างหรื อ, อยังประโยคหลังเขาเปลยถามไปทางเชิดบุดและคริสตินานายทหารหนุ่มพูดเต็มไปด้วยความแจ่มใสในอารมณ์ซึ่งลบล้างความอ่อนเปรี๊ยะเปรียแรงไปจนเกือบหมดสิ้นตอบมาปนหัวเราะว่าพักกับผีอะไรเล่าครับพอมาถึงและคุณแยกไปงนีบแล้วผมกับคริสต้องทำหน้าที่เล่านิยายประจนภัยเรื่องใหญ่ให้พวกนี้ฟังชนิดทุบปากแทบไม่ลงสามคนช่วยกันป้อนคาถามแหลกลานเลย ลุงคำกับจันร์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายคุณก็ถูกเรียกมาซักจนหมดเปลือกเหมือนกันซึ่งสามคนนี่แม้จะไม่ได้ไปเสี่ยงชีวิตทุกยากเหมือนฝ่ายผมและฝ่ายคุณแต่ก็รับรู้เรื่องราวทะลุปรุกโงหมดแล้วคริสยังดีสบายกว่าผมมากนั่งพักตาครึ่งหลับครึ่งตื่นตลอดเวลาใครสงสัยอะไรตอนไหนก็บุยให้ถามผมคนเดียวเหนื่อยกายยังไม่พอกลับมาถึงแคมป์ยังต้องเหนื่อยปาอีกด้วย คนที่ตายไปแล้วจะดันฟื้นคืนชีพกลับมาได้ไอ้คนข้างหลังมันก็อยากรู้เรื่องไปไงมายังไงนะสิโวยวูดระหว่างที่ระพินยังอยู่กับพวกเราเขาก็คอยหลอกลวงทําหน้าที่ปลอบใจเราอยู่ตลอดเวลาว่านายกับคริสไม่เป็นไรแน่ประเดี๋ยวก็จะมาสมทบกับพวกเราที่รอคอยอยู่เราก็เชื่อเขาวางใจเขาเมื่อเขารับรองเช่นนั้นทีนี้อีตอนตื่นเช้าขึ้นมาพบว่า ประพินออกไปตามเมื่อตอนใกล้ลุ่งแล้วหายเงียบไปอีกคนโดยไม่ได้ข่าวคราวเลยนี่สิพวกเราแทบบ้าตายบ๊อบกับเบลทำพิธีสวดส่งวิญญาณนายกับคริสแล้วนายผมทรงลานบินร้องบอกมาเออขอบใจว่าที่ห่วงถึงแต่ในที่สุดฉันกับคริสก็กลับมาจนได้นั่นแหละร่างกายครบอาการสาสิบสองแม้จะสะบักสะบอมบ้างก็ตามประพินรอบสังเกตไปทางเชิดุษกับคริส ก็เห็นว่ามีการแต้มยาติดพลาสเตอร์กันแห่งละเล็กละน้อยนั่นแสดงว่าทั้งสองได้รับการตรวจสุขภาพเยียวยาจากหมอเบลเรียบร้อยดีแล้วคงจะทันทีที่โผล่กลับเข้ามาถึงนั่นแหละรู้สึกเบาใจขึ้นที่ทั้งสองไม่ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อนอย่างใดดรแซนลีทําหน้าที่สอบซักรายละเอียดจากเขาเพิ่มเติมอีกพักใหญ่ซึ่งเขาก็ให้ความจริงไปแทบทุกอย่างจนกระทั่งฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังหมดสิ้นข้อกังขา ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้อเมริกันอาวุโสเอ่ยเหมือนจะสรุปขึ้นด้วยเสียงห้าวกังวานชัดเจนของเขาแล้วยื่นมือมาให้รพินจับบีบกระชับแน่นและสั่นแรงๆด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องกล่าวอะไรอีกต่อไปคีดเป็นคนส่งถ้วยบรันดีไหมคะพร้อมกับกาแฟาอีกถ้วยหนึ่งภายหลังเมื่อเขาวางมือจากอาหารจอมพราน พึมทำขอบคุณแล้วถามว่าวิทยุเครื่องใหญ่ของคุณทำงานได้แล้วหรือยังพอใช้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะักไอ้พวกหาข้างบนนั้นด่าพ่อล่อแม่ลงมาใหญ่ที่เราเงียบหายขาดการติดต่อไปนานและขณะ น, นี้มันหาพิกัดของเรายังไม่พบบอกว่าไม่เห็นมีในแผนที่เป็นคำตอบอย่างกันเองและสนิทใจยอย่างที่สุดปราศจากสิ่งใดเครื่อแฝงอีกต่อไปทาให้พันเอกลาลีคิด จากประโยคและน้ำเสียงประพินพยักหนาเขาไม่สอบถามต่อไปในเรื่องนี้เมื่อไม่เพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายนายจ้างพิจารณาว่าเป็นการสอนรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเมื่อเขาสอบถามไปทางหัวหน้าคณะว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไรบ้างขณะที่เดินทางมาถึงห้วยเสือร้องก็ได้รับคําตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีมากก็เรี่ยงอบพยพกับก็เรียงที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น ต่างฝ่ายต่างดีใจที่ได้พบเห็นกันและยินดีต้อนรับเราอย่างเป็นมิตรเนื่องจากมีเด็กของคุณสองคนคือเกิดกับเสยทําหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้าคณะนาําพวกเรามาผมได้ให้เกิดนําหัวหน้าบ้านที่ชื่อซอกาเลมาพบและสอบถามความดูแล้วพวกนี้ยังไม่ละแคละคล้ายอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้โขงช้างผีสิงและกลุ่มอมนุษย์พวกนั้นที่จองล้างจองผานพวกเรามาตลอดทางรวมทั้ง เข้าทำลายหมู่บ้านตะเคียนทองจนย่อยยับไปหมดเพิ่งจะมารู้ข่าวเอาเมื่อพวกเรามาถึงนี่แหละพวกนี้ดีต่อเรามากทีเดียวเมื่อรู้ว่าคณะที่มานี่เป็นมีคุณเป็นผู้นามาแต่เราก็ต้องอัดใจไม่ใช่น้อยเมื่อถูกพวกเขาถามว่าคุณไปอยู่เสี้ยที่ไหนตอนที่เราเพิ่งมาถึงและคุณยังไม่กลับมาในที่สุดก็ตอบบอกกับเขาไปตามตรงว่าคุณติดทุระ ไปติดตามพวกที่เราหลงทางอยู่เราก็รอคอยการมาของคุณกันทุกคนจอมพรานพยักหน้าช้าๆผมเองก็เห็นซอกาเล่เพียงแวบเดียวได้ทันทักกันคำสองคำเท่านั้นเพราะตอนนั้นผมแยกตัวไปของี่ปรับก่อนประเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพวกนี้อีกทีอ้อสอบถามเขาบ้างหรือยังครับเกี่ยวกับวีแวรูร่องรอยของเครื่องบีห้าสิบสองลนั้นแซนลี่สันศีสายยางทอดอะไร ผมให้เกิดถามดูแล้วหมดหวังเครื่องไม่ได้ตกในละแวกใกล้เคียงนี่แน่เพราะพวกนี้ไม่ได้ละแคะละคายอะไรแม้แต่นิดเดียวพวกเขาไม่ได้พบเห็นสิ่ง ผ, ผิดปกติอะไรสักอย่างประพินรอบถอนใจหรือถ้างั้นก็แปลว่าเราจะต้องงมเข็มในมหาสมุทรกันต่อไปในชั้นแรกนี่เราทำหน้าที่พิเศษสำเร็จไปได้เพราะหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่งานโดยตรงของพวกคุณเลย คืออพยศกะเรียงตะเคียนทองให้เข้ามาสมทบกับกะเรี่ยงห้วยเสือร้องพวกเขาปลอดภัยพอสมควรแล้วพบปะพักพวกรวมกลุ่มกันได้พอมีที่อยู่ที่ทํามาหากินไม่ต้องไปเป็นมนุษย์ถ้าซุกซ่อนอยู่ตามโพรงหน้าผาอย่างที่เราพบต่อไปก็เป็นเรื่องของเราแล้วผมขอฟังแผนคืบหน้าต่อไปของคุณอเมริกันหัวหน้าคณะเริ่มเข้าสู่งานทันทีความตั้งใจของผม ถ้าพวกเราไม่อินโลอยกันจนเกินไปนะโดยเฉพาะเชิดวุดกับคริสซึ่งเพิ่งจะรอดตายมาได้หยกยกผมกะว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางต่อทันทีคีสมองไปยังบุคคลที่ถูกระบูนามทั้งสองถามว่าไหวไหมวุคริสพรานใหญ่เองเขาก็รู้ดีว่าทั้งชันและเชิดวุดไม่ได้เป็นอะไรมากนะักคริสติน่าเ อ, อ่ยมาลอยๆนายทหารหนุ่มบุตรชายท่านในพลก็เสริมมาว่าใช่เราไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลย จะเดินทางต่อพรุ่งนี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาพักความเห็นของหมอล่ะผมคิดว่าคุณคงจะตรวจอาการของเขาทั้งสองคนแล้วประพินเบนสายตาไปที่เบลแม่ผมแดงหัวราอเสียงใสมองหน้าเชิดวูธครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมาจ้องคริสอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าห่วงอะไรถ้าให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดคืนนี้สาหรับสองคนนี่ทางั้นฉันขออนุญาตนอนก่อน굿ไนท์ night, สาหรับทุกคน คริสบอกลานอนง่ายๆแล้วเลื่อนตัวเข้าหาที่นอนของหล่อนภายใต้หลังคาถึงพลาสติกกันน้าําค้างสอดตัวเข้าไปในโป่งพ่อห่มหนาหลับตาลงไม่สนใจกับอะไรอีกอเมริกันหัวหน้าคณะหันมองเชิดบุตรเหมือนจะเตือนให้พักด้วยนายทหารหนุ่มจึงยกมือขึ้นแตะขมับแล้วเข้าที่นอนเช่นกันความจริงเขาอยากจะฉวยโอกาสเข้าไปนอนชิดกับแม่ผมทองแต่ติดที่คิดนั่งเหมือนจะกันท่าขวางไว้ก่อนแล้วอยากจะทีบมันให้ออกไปรวมหัวคุย หรปรึกษากับระพินอนอกบริเวณที่พักนอนแต่แล้วก็ไม่ต้องการจะให้ใครจับพิรุษอะไรได้ก็เลยต้องนอนตรงตำแหน่งที่ห่างออกมาและเพื่อระงับความฟุ้งซ่านทั้งๆที่ง่วงแสนง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเชิดวุดกลืนยากรองประสาทษสองเม็ดและสงบจิตพนมมือไหว้พระในท่านอนหงายนั้นซึ่งไม่ช้าไม่นานถ้ำกลางเสียงพูดคุยกันงึนงงิระหว่างคีสแตนลี่ะพินและเบล ale, เขาก็กพล่อยหลับไปบัดนี้จึงเหลือเพียงสี่คนที่หาเรือกันอยู่ โดยมีแผนที่ของด็อร์แซนลีออกมากลางแผท่ามกลางตะเกียงแบตเตอรี่นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เป็นชมรมของมนุษย์อาศัยอยู่ของและคุณรู้จักหัวหน้าคณะถามครับต่อไปนี้เราตัดขึ้นเหนือตามแนวทางที่แผนที่ฝ่ายคุณระบุก็แปลว่าเราจะล่วงเข้าดงดิบป่าดึกดำบันที่เรียกกันว่านรกดาแล้วในคิดหอไหลลง แม้ทำไมถึงต้องเรียกว่านรกดําชื่อมันฟังไม่เป็นมงคลหูเลยไม่ใช่เฉพาะไม่เป็นมงคลหูอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่เป็นมงคลต่อชีวิตอีกด้วยไม่ว่าใครทั้งสิ้นที่จะพยายามผ่านเข้าไปทําไมหัวหน้าคณะเหลือบตาดูเขาเอ่ยถามบ้างเสียงต่ำตํำๆผ่านเข้าไปได้หลายคนหลายคณะพยายามมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครผ่านกลับออกมาได้คือเข้าไปแล้วก็หายไปเลย เหมือนกับการสูญหายของบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเท่าที่เราเดินทางกันมาแล้วนั้นแค่ชายป่าเท่านั้นเส้นทางแท้จริงถ้าแผนที่ของคุณชี้บอกไม่ผิดจะต้องไปตามแนวนี้ก็แปลว่าการบุกบันอย่างแท้จริงมันเพิงจะเริ่มต้นเอานะจุดที่เราออกจากห้วยเสือร้องนี่แหละคีดสะบดยาบคายตามนิสัยแต่ไม่ได้เจตนาจะด่าใครเดินกันแทบตาย เสียงกับภายทุกชนิดจนแทบจะเอาชีวิตกันไม่รอดอยู่แล้วคุณยังว่าแค่ชายป่าเท่านั้นใช่ที่พวกคุณผ่านพบมานั่นแหละนะมันแค่ชายป่าหรือริมดงเท่านั้นต่อไปนี้ก็เตรียมตัวได้พบมาแล้วเช่นไรเอาสิบคูณนั่นคือหนทางเดินข้างหน้าของเราในคีทำตาเหลือกส่วนดอเตอร์แซนดี้เช็ดลิมฟิปากิ่งงันไปแต่ประวัติของคุณก็เลยผ่านเข้าและผ่านออกมาได้แล้วไม่ใช่ลึกเขากม้มศีรษะลงนิดนึง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะทำได้ทุกครั้งไปเอาละครับอย่ากังวลหรือซักถามอะไรมากเลยเรื่องนี้เดินลึกเข้าไปแล้วจะได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองก่อนออกเดินทางมาผมก็ได้บอกกับพวกคุณแล้วสําหรับผมนั้นพวกคุณสบายใจได้เมื่อตัดสินใจนาทางมาแล้วเช่นนี้ก็แปลว่าผมสละแล้วแม้แต่ชีวิตของตัวเองพวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอย สำคัญว่าผมยังไม่ถอยแต่ฝ่ายคุณจะขอถอยเองแค่เท่านั้นผมคีดเบลและคริสถูกใช้ให้มาทำงานครั้งนี้เราได้รับคำสั่งให้เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีการถอยนอกจากตายหรืองานสําเร็จพลายยิ้มปรากฏขึ้นบนสีหน้ากรานเกลียมของมาคุเทศนําทางนั่นก็แปลว่าฝ่ายคุณเข้าเฟ้นเลือกตัวบุคคลมาได้อย่างถูกต้องแล้วผมรักที่จะร่วมทางกับคนกล้า แต่เบื่อระอาที่จะร่วมทางกับคนขา่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่ผิดหวังเป็นอันขาครับยินดีมากที่คุณย้ำให้ผมแน่ใจอีกครั้งก่อนการเริ่มต้นออกจากห้วยเสือร้องนี่แล้วคุณคิดยังไงกับเจ้าเด็กหนุ่มลูกในพลนั่นสแตนลียุ้ยปากไปทางเชิดบุตรลายนั้นผมห่วงน้อยกว่าพวกคุณสิอีกการเอาชีวิตรอดออกมาไดจากวกเขาถล่มเมื่อคืนวานนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ชัดว่า กำลังใจก็ดีฝีไม้ลายมือในการผจนภัยในป่าก็ดีไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกคุณเลยถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วคุณว่าไอ้พวกอางมนุษย์และโขลงช้างปีศาจเหล่านั้นจะติดตามรังควานเราต่อไปอีกไหมคำถามนี้ออกจากอิสซาเบลปรพินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นในเงาสลัวมันเป็นรอยยิ้มที่ในจ้างอเมริกันทั้งสามทายความหมายไม่ถูก โอกาสที่เหมาะที่สุดของพวกมันก็คือรอให้เราร่วงเข้าเขตนรกดาอันแท้ที่จริงซึ่งก็คือถินของมันนั่นแหละที่แล้วมานั้นมันยังทำอะไรเราไม่ถนัดนักหรอกผมจะไม่บอกพวกคุณเลยถ้าคุณไม่ถามขึ้นแต่เมื่อถามก็บอกไปตามตรงเพราะสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่มีอะไรปิดบงังคาพูดเรื่อยๆฟังดูปกติธรรมดาที่สุดของมัคุเทศน์นำทางสร้างความเงียบงันไปชั่วขณนะ ถ้าเช่นนั้นก็ถือหลักปฏิบัติอย่างที่เราได้ตกลงกันมาแล้วนั่นแหละละพินหัวหน้าคณะกล่าวแผ่วต่ําแม้จะเต็มไปด้วยแววอุดอัดลำบากใจปรากฏในแววตาแต่ท่าทีของอเมริกันอวุโสผู้นี้ก็เป็นปกติดีที่สุดปราศจากความพร่านพึงวันไว้ใดๆสําแดงให้ปรากฏตรงข้ามกับหมอเบลซึ่งนั่งกอดข่าวหน้าไม่เป็นสุขส่วนคีตแยกเขี้ยวเรารุดหน้าของเราไปเรื่อยๆจนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งครั้งไป แต่ถ้าเป็นไปได้เป็นต้นว่าคุณพอจะสแสวงหาทางผ่านพบสุสานเก่าแก่แห่งอ า, า, าณาจักรนิทรานครที่คุณแน่ใจว่ามันไตรไปขนจากโบราณเหล่านั้นออกมาให้เป็นไ พ, พ่พลคอยดักเล่นงานเราเราก็จะหาทางระเบิดให้ภกเขาถล่มปิดทางเข้าออกของมันเจียอย่าให้มันนํำซากเหล่านั้นทยอยออกมาเล่นงานเราได้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าภายใต้การนําของคุณลูกคุณยังอยู่กับพวกเราแบบนี้ ต่อให้มันใช้เลขคนสักเพียงไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกและพวกเราหมายถึงฝ่ายผมจะปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำของคุณทุกอย่างรับรองว่าจะไม่นอกเหนือคำสั่งของคุณเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากและผมต้องการอย่างที่สุดพวกคุณไม่เชื่อในเรื่องลีลรับมหศัศจรรย์ชนิดนี้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เผชิญพ่อเห็นกันมาแล้วเกินกว่าที่ผมจะต้องอธิบายอะไรอีก จอมพรานพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยและสีหน้ายิ้มยิ้มอยู่ตามเดิมอิสเบออสอกสกิดแขนหัวหน้าของหล่อนเอียงหน้าเข้าไปบอกว่าถ้าฉันจำไม่ผิดบุญคำหรือลูกน้องคนใดคนหนึ่งของเขาก็จำไม่ได้ใชแล้วเคยตั้งข้อสังเกตไว้กับฉันว่าให้คอยดูกริยาอาการของชายคนนี้ให้ดีถ้าเขาเคร่งครึมดุดันก็แปละว่าทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมตัวเราอยู่ในสภาพอยู่ในปกติสภาพ แต่ถ้ายามใดที่เขายิ้มกับพวกเราบ่อยๆและพูดอะไรให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติเมื่อไรแล้วก็เมื่อนั้นแหละให้เราเล่งระวังตัวไว้มันหมายถึงสัญญาณอันตรายขีดสุดอย่าประสาทให้มากเกินกว่าเหตุนักเลยน้าเบลด็อเตอร์แซนลีทำเสียงต่ำๆ ต, ติงมาอิซซาเบลเอามือทั้งสองบีดขมับสันน่าอยู่ไปมาพึมพัที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ ฉันเห็นจะต้องยอมสารภาพแล้วว่าฉันอ่อนแอและวันไหวต่อเหตุการณ์ที่เราพบมาแล้วและกำลังจะพบต่อไปมากกว่าทุกคนสมมุติว่าแทนที่จะเป็นคริสที่เข้าไปติดลงอยู่ในถ้ำใต้พิภพนั่นจะกลายเป็นฉันฉันว่าฉันคงบ้าตายแล้วคงไม่มีวันหาทางออกมาได้หรอกตายเพราะช็อคพลานใหญ่กับทายหน้าช้าๆกล่าวโอนโยนมาว่าไม่หรอกเบลไม่ว่าจะเป็นคริสหรือคุณ ผมแน่ใจว่ามีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและสามารถจะแก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดีด้วยกันทั้งนั้นแต่อาจคนละรูปแบบก็ได้คุณรู้ได้ยังไรว่าคริสเองนั้นก็จะไม่ช็อกตายถ้าไม่ใช่เพราะมีคุณเชิร์วูดเป็นเพื่อนอยู่ด้วยความจริงพวกเราทั้งสองฝ่ายที่แบ่งกันออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งปีนหน้าผาขึ้นไปเผชิญหน้ากับไอ้ช้างงาดาหรือไอ้ผีดิบนั่นอีกฝ่ายหนึ่งเดินเข้าช่องผา ด้านล่างเป็นเป้าล้อไม่มีฝ่ายไหนจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่ากันหรอกไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบล้วนเสี่ยงเท่าเๆกันทั้งนั้นตอนที่หินมันถล่มลงมาหินพลูเข้าไปพวกที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วจึงล่วงลอดลงไปยังหนทางเดินข้างล่างตัวคุณเองก็ใช้ไหวพริบปฏิพานหลบเลี่ยงรักษาตัวรอดได้โดยเจ็บน้อยกว่าทุกคนนั่นก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถขีดสุดแล้วขีดกับด็อกเตอร์แซนลีย์ซะอีกที่ยังบาดเจ็บมากกว่าคุณ เบลไม่กล่าวอะไรอีกนั่งซึมค่อยๆหันกลับไปดูทางเพื่อนสาวที่เพิ่งรอดตายออกมาได้ซึ่งบัด น, นี้คงนอนหลับไปแล้วเสียงคีดบ่นมาว่าไอ้นรกนั่นมันกะฟังพวกเราทั้งหมดเลยนะเมื่อเย็นวานนี้ถ้าคุณไม่ไหวทันใช่ก่อนหน้าเท่านั้นทุกคนแหลกหมดไม่มีใครเหลือรอดได้เลยนั่นเป็นพิษสงฤทธิเดชของมันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะหมายปองร้ายพวกเราต่อไปผมเข้าใจว่า ต่อให้มันพยายามสักเท่าไหร่โอกาสก็จะไม่เป็นของมันได้มากไปกว่าเมื่อวานนี้อีกแล้วเขากล่าวอย่างปลอบใจพวกนายจ้างมันเหมือนกับฝันร้ายมันเหมือนกับฝันร้ายอเมริกันอโอเวอร์โศกล่าวขึ้นลอยๆเช่มชะครจะกล่าวกับตัวเองครับมันเหมือนกับฝันร้ายนับตั้งแต่ผมได้รับคาสั่งยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ต้องมาทาหน้าที่นาทางพวกคุณ เพื่อติดตามค้นหาซากเครื่องบินตกซึ่งบรรทุกระเบิดนิวเคลียสิบเมกะตันนั่นทีเดียวและผมก็ไม่ชอบความฝันอย่างนี้เสียเลยแต่ถึงแม้เราจะไม่ชอบสักขนาดไหนเราก็ต้องเผชิญกับมันกล่าวแค่นั้นเขาลุกขึ้นทุกคนนอนพักเสถิดครับผมจะตรวจบริเวณตามภารกิจแล้วก็จะมีเรื่องจะสอบถามสนทนาอะไรกับซอการเรในบ้านของที่นี่ ขอให้หลับสบายกันทุกคนเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาเผชนกับความยากแค้นทรมานในการเดินทางต่อไปแล้วรพินไพยวันก็เอาจา ก, กรโจมของนายจ้างมาโดยไม่ได้หันหลังกลับไปดูอีกเลยเขาเดินช้าๆตรวจ ด, ดูสภาพที่ตั้งของแคมป์ซึ่งเป็นชัยภูมิกลางลานหมู่บ้านห้วยเสือร้องทักทายกับพวกลูกหาและพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คือเกิดเสยจนันและบุญคา ซึ่งบัด น, นี้ยังนั่งสมหัวดูดบ้องกัญชาที่กระเลียงห้วยเสือร้องนํามาประเค้นให้กันอยู่พอเห็นเจ้านายเดินมายืนดูอยู่อย่างกระท h นหันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเกิดูวกําลังดูดควันทําตาเละอยู่อย่างมันขีดสุดก็สําลักรีบเอาบ้องซ่อนหลังยิ้มแห้งๆพรานใหญ่ไม่สนใจสมุนของเขาแต่ละคนรู้สันดาลดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าคู่หนุ่มคู่แก่ล้วนแตกแกน่แก่นแก่นกันทั้งสิ้น แต่ก็รู้จักกระเทศพะพอสมควรว่าในภาวะใดเมื่อไหจรจึงจะปล่อยใจให้ล่าเริงสนุกสนานไปตามประสาไม่เคยทำงานสำคัญให้ต้องเสียหายไปอย่านึกว่ามาอยู่ใจกลางบ้านเสือห้วยเสือร้องแล้วไอ้งาดำหรือมันไตรจะตามมาราวีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะสนุกสนานกันยังไงก็อย่าให้ถึงประมาทเขาเอ่ยขึ้นเบาๆ ก, กวาดตามองไปรอบๆก็เห็นอุทาและพาโต๊สองก็เรียงจากตะเคียนทอง นั่งแอบหลังบุญคํากับจันอยู่ด้วยแสดงว่ามาแอบมั่วสมร่วมวงไพ่บูนด้วยเจ้าสองคนของตะเคียนทองผู้บัดนี้แปลสภาพมาเป็นคณะร่วมตายของคณะของเขาแล้วโดยความสมัครใจของมันเองจอมพานกล่าวเนิบๆแต่เคร่งขรึมเป็นงานเป็นการต่อไปเกิดกับเสยทํางานตามคําสั่งได้ดีที่สุดที่ต้อนอพวกนายจ้างให้ยอมมาถึงที่นี่จนได้ตามที่ชั้นสั่งไว้ เจ้าพรานเด็กหนุ่มทั้งสองของเขายิ้มแห้งๆนายสั่งอะไรเกิดก็เสยก็ต้องทำอย่างนั้นพวกในห้างฟารลังที่เหลืออยู่สองคนก็แหม่มเดวถ้าไม่มาก็ถูกทิ้งไว้บนยอดศักดําำนั่นแหละเพราะเกิดเสยต้อนพวกตะเคียนทองออกเดินแล้วแกไม่ยอมถูกทิ้งหรอกเลยต้องมาด้วยดีมากบุญคําจันทร์ ระหว่างที่ฉันนอนพักหลับอยู่เมื่อเย็นนี้คงจะถูกพวกนายจ้างเรียกไปซักถามเป็นการใหญ่สินะถึงเรื่องราวทั้งหมดโอ้ยนายห้างบ๊อบแกซักจนไม่มีอะไรจะบอกนั่นแหละแกะด่าบุญคำกระจันว่าค้นหาในถ้ำยังไงไม่พบจนถึงต้องให้นายออกไปตามเองจึงพบเส้นทางบนเพดานสูงของถ้ำบุญคำว่า ถ้าบุญคำเก่งเหมือนนายทุกอย่างบุญคำก็คงไม่ต้องมาเป็นเบานายอยู่อย่างนี้หรอกแกก็เลยเงียบไปบุญคำบอกปนหัวเราะแหะตาแกเริ่มปลือเพราะฤทธกัญชาอุรภโตเขาเรียกสองก็เรียงเบาๆเจ้าหนุ่มคู่นั้นค่อยๆล่อหน้าออกมาจากด้านหลังบุญคำแล้วยิ้มเห็นฟันกระดำกระด่างพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางที่จากที่นี่เข้านารกดาแล้ว ระพินกล่าวด้วยเสียงปกติธรรมดาของเขาต่อไปให้เวลาตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายจะไปด้วยหรือจะอยู่ที่นี่สองกระเลียงเดนตายจากตะเคียนทองมองหน้ากันแล้วก็บอกโดยไม่มีการแหนะนัดแน่เลยว่าไปด้วยนายตายมากกว่าที่จะได้กลับมานะคนจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายนายคําพูดง่ายๆสั้นๆจากใจจริงบางขณะมันก็เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งเหมือนกันประพินยพยักหน้าอย่างพอใจ สะเอิงคงจะดีมากแล้วสินะเขาเปรยถามไปถึงคนเจ็บที่ยังอดห่วงไม่ได้เกือบหายเกือบทำลูกกับเมียมันได้แล้วล่ะนายหมอผมแดงนั่นดูแลมันอยู่ตลอดเวลาพะโตเป็นคนตอบมันอยากจะตามนายไปได้วยคนแต่ยังเดินไม่ค่อยไหวอูทะเสริมอ่ะเหตุการณ์เมื่อเย็นวานทุกคนเห็นกันแล้วละพินบอกกับคนเหล่านั้นเหมือนจะเป็นคาเตือน มันไตรจ้องจองล้างจองพระเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็เกือบจะสําเร็จและมันก็ตามรางควาลราไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้มันจะเป็นฝ่ายพี่นาฏช้างงาดําไม่ได้มีตัวเดียวตัวไหนก็ได้ถ้าผีลงงามันจะสีดําทันทีอย่างที่เห็นกันแล้วเป้าหมายสําคัญของเราในอันดับแรกนี่ก็คือพยายามหาทางทําลายซากนักครบตัวโตที่มันอาศัยลงสิง แทนร่างนักบวชล้นตัวเดิมของมันที่บุญคําเผาวอดวายไปแล้วในครั้งนั้นให้ได้เพราะเป็นตัวที่ใหญ่และมีชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเห็นพร้อมๆกันหลายตัวที่จะโผล่เล่นงานเราต่อไปใช้ตัวใหญ่สําคัญที่สุดนั่นก่อนอย่าให้มันเอาซากนั้นมาใช้งานได้ทั้งสี่พรานคู่ใจและกะเลียงจะเขียนทองอีกสองซึ่งกลายเป็นบุคคลร่วมตายในคณะไปแล้วต่างรับคําและเข้าใจดีเขาถามต่อไปว่าซอกะเลอยู่ไหน ตะ ก, กี้มันก็นั่งอยู่กับบุญคําตรงนี้แหละนายตอนนี้คงแอบกลับขึ้นเรือนแล้วมันเพิ่งได้เมีอะไรรุ่นรุ่นคบเพาะจันไปตามซอกาเล่มานี่หน่อยสิเขาออกคําสั่งจันก็พรวดลุกขึ้นเดินจ้ำอ้าวอาตรงไปยังเรือนกระเลียงที่เห็นปลูกเรียงลายอยู่นั่นทันทีรับพินถอนใจยาวค่อยค่อยย่อนตัวลงบนขอนไม้ของขอนไม้ของวงเสวนานั้นสมุนสนิททั้งสามเห็นสีหน้าเจ้านายแล้ว ก็เริ่มไม่สบายใจเพราะเห็นเขามองไปในความมืดของราวปลาย่างปราศจากความหมายและยกมือทั้งสองขึ้นเสรยผมก้มหน้ามองนิ่งไปยังกองไฟบุญคำก็ขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ๆกระสิบนายมีนอะไรหนักใจหรือประพินสันศีรษะไม่ตอบครู่หนึ่งก็เงยขึ้นพูดไปทางอูถาและพาโตว่า พวกตะเคียนทองมารวมกับพวกห้วยเสือร้องได้ก็ปลอดภัยแล้วและจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นทั้งสองคนถ้ามีโอกาสก็บอกให้ทุกคนรู้เถิดว่าฉันเชื่อว่าต่อไปนี้ช้างงาดำหรือไอ้ผีดิบบผีดิบนะจะไม่มาลังควานผู้คนที่นี่อีกแล้วแต่มันจะติดตามฝ่ายเราไปอูถากะพะโตเองก็เชื่ออย่างนั้นให้มันตามไปเรื่อยๆเธอเราสองคนไม่กลัวเลยถ้ามีนายก็ลุงคำอยู่ด้วยไอโง่ เสยเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกับสองก็เรียงดอยพวกข่าทุกคนไม่ได้กลัวไอ้งาดำไอ้ผีตายซากนั่นหรอกแต่กลัวผีสวยๆผมทองตัวหนึ่งกับผมแดงอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะล้วงตับนายละพินอยู่ทุกขณะนายเองก็กลัวสุดใจขาดดิ้นเหมือนกันโน่นไงพอพูดถึงก็ย่องกลิบตามหลังมาละตัวนี้ผมแดงทุกคนที่ล้อมวงอยู่มองไปทางด้านหลังของเขาเป็นตาเดียว ส่วนระพินไม่ทันได้ยินว่าเสยพูดอะไรกับสองกระเลียงจึงยังนั่งเอากิ่งไม้แห้งเล็กๆเคลียกองไฟอยู่ยังไม่เฉลียวคิดหรือยินยนต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะกําลังอยู่ในอารมณ์ลอยเผลอตัวระพินควักบุหรี่ออกมาคาบด้วยสัญชาตญาณเคยชินมากกว่าเจตนาอยากจะสูบแท้จริงและเอากิ่งไม้ที่ติดไฟนั้นจะนํามาติดต่อกับปลายบุหรี่ของเขาแต่แล้วก็ชะงักกึกเปลวไฟจากไลเตอร์อันหนึง่งสว่างแวบ แล้วก็ยืน่นพรานไหลมาจากเบื้องหลังจอเข้ามาที่ปลายบุรี่เขาจอมพรานเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึง่งและต่อบุหรี่โดยดีคริสคุณเหนื่อยมามากและควรนอนพักเสี่เมื่อกี้เห็นนอนแล้วนี่เลยขึ้นเบาๆโดยไม่หันกลับมามองหน้าเป่าควันบุหรี่ลงต่ําใจคงจะจดจ่ออยู่กับคริสนะในทายผิดเสียงตอบมาเบาๆทําเอาอึ้งไปพวกพรานพื้นเมืองทีนง่นั่งล้อมวงอยู่ไม่มีใครพูดอะไร นอกจากยิ้มยิ้มกันทั่วทุกคนแม้แต่อูทะและพาโต้แต่พวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องเพราะการโต้ตอบไม่ได้ใช้ภาษาไทยประพินเอี้ยวตัวแง้นไปดูและยิ้มให้นิดหนึ่งร่างเบิบเหมาะสมสำหรับการสืบพันได้เป็นอย่างดีของอิสซาเบลมายืนค้ำอยู่ด้านหลังเขาวีกลางตัวของหล่อนห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นในท่าที่ยืนผ ง, งาดอยู่เช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาแต่ก็เป็นไปตามนิสัยปกติธรรมดาตามเผ่าพันธุ์ โดยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเรียบร่าและสุภาพที่สุดรพินพูดว่าลักษณะนี้คนไทยเขาเรียกว่ายืนค้ำหัวเป็นกริยาที่คนไทยเขาถือกันมากนั่งลงสิเบลถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือว่ามีอะไรจะพูดกับผมไม่เอ่ยเฉยๆแต่มือเขาเอื้อมไปจับข้อมือของแม่ผมแดงฉุดดึงเบาๆให้นั่งลงบนคอนไม้อันเดียวกันใกล้ๆเบลยิม้มนั่งลงข้างๆเขาโดยดีตาเป็นประกายจําหลัด คุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนั่นแหละไพรยวันเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีอะไรแปลกใจสักนิดเดียวว่าทั้งๆที่สายตาพื้นๆโดยทั่วไปแล้วคุณไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเพศตรงค้ามเลยแต่ถ้าหากว่าได้รู้จักคุณได้ลึกซึง้งได้คบหาสมาคมใกล้ชิดและได้เห็นธาตุแท้จะต้องชื่นชมคุณทุกคนไปแหละ อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยแม้แต่ผู้ชายด้วยกันเองก็เถอะบนความหน้าหมั่นไส้แท้ที่จริงคุณเป็นคนน่ารักใช่เฉพาะในป่าถ้ำกลางอันตรายแวดล้อมรอบตัวเท่านั้นที่ทุกคนมักจะคิดถึงผมในแง่นี้แต่เขาถอนใจเบาๆอัดบุหรี่ลึกปล่อยให้มันค่อยๆระบายออกมาทางช่องจมูกแต่อะไรคุณพูดไม่จบนี่จอมพรานฮอไล่ลงผมหมายถึงว่า เมื่ออยู่ในเมืองรู้ทุกคนปลอดภัยเข้าเขตแดนซิวิไลแล้วผมก็คือผมเจ้าพรานตอกต่อยคนหนึ่งที่เคยรับใช้เขาเหล่านั้นมาเท่านั้นแต่คงไม่มีใครจำผมได้หรอกประโยคหลังเสียงของเขาแหบเหือดและกล่าวต่อไปในใจของตัวเองอย่างขมขื่นวะใช่ไหมครับคุณหญิงดารินเบลคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นหล่อนไม่คมหรือละเอียดอ่อนนะ โดยมิฉะนั้นก็มองคําไม่สนใจในคําพูดของเขาเปลี่ยนเรื่องมาง่ายๆวะ่ะมีการประชุมอะไรกันในหมู่พวกคุณฉันเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าไม่มีความลับอะไรในหมู่พวกผมจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดจังหวะก็ไม่มีอะไรมากนะักบอกปรึกษาหารือกับพวกนี้เกี่ยวกับการเดินทางต่อของเราและเขาก็มองไปทางแคมป์ของฝ่ายนายจ้างซึ่งบัดนี้ทุกคนนอนสงบกันไปหมดแล้วถามตรงๆว่า อาจารย์หรือหัวหน้าของคุณส่งคุณให้มาคอยประกบตัวดูท่าทีของผมหรือเปล่าฉันไม่อยากจะนั่งคุยกับพวกคุณฉันอยากจะมานั่งคุยกับพวกคุณบ้างคุณคงไม่ไล่ไม่ใช่หรือหล่อนก็พูดง่ายๆดีเหมือนกันสายตาท่าทีปราศจากรับลมอะไรดูได้ง่ายลักษณะของหล่อนเป็นเหมือนเพื่อนไม่แสดงอาการใจน้อยหรือขี้งอนซึ่งครานี้เขาก็พอใจอยู่ตกลง ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไล่คุณได้หรอกถ้าคุณพอใจและให้ความสนใจกับพวกเราพวกเรามีใครเจ็บใครหรือแสดงอาการว่าไม่สบายอะไรบ้างัหมบอกนะจะได้หาทางสกัดกั้นป้องกันไว้เสียก่อนประโยคนี้หลอนเปรยเป็นภาษาไทยไปยังพารานพื้นเมืองของระพินทุกคนเกิดเสยบุญคำยิ้มยิงฟันพวกเราทุกคนสบายดีหมอแหมมแต่เท่าเจ้าเล่บุญคาตอบมา ถ้าจะไข้หนักก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ข้างๆแหม่มหมอนั่นแหละว่าแล้วแกก็บุ้ยปากไปที่รพินเบลเบลิกตานิดนึ่งตะแคงใบหน้าเหลอะเขาเป็นอะไรไข้ใจคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะคิดถึงแกอยู่อีกหรือเปล่าปุบปากตะคําเดี๋ยวเหอะรพินพูดต่ําๆหน้าเคร่งลงส่วนเบลเป่าลมออกจากปากแล้วเหลือกตาขึ้นไปข้างบน ถักไข่เรื่องนี้หมอเองก็จนปัญญาไม่รู้จะเยียวยาได้ยังไงเหมือนกันแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งนี่เบลคุณอย่ามาผสมโรงเข้ากันเป็นปีเป็นครุยกับอิตาเท่าบุญคำนี้อีกคนหนึ่งเลยผมว่าผมพยายามจะทำใจให้สงบราบคาบและสุขภาพที่สุดละโปรดอย่ากระตุ้นให้ผมขุนมัวหงุดหงิดซอลี่แมนเบลว่าและก้มลงจุดบุหรี่บ้างพูดเป็นงานเป็นการขึ้นว่ะ คืนนี้ที่นี่พวกเราทั้งหมดปลอดภัยสักขนาดไหนคุณไปนอนหลับให้สบายได้เลยคุณบอกว่าคุณจะไม่ไล่ฉันยังไงละ่ะไม่ได้ไล่ผมหมายความว่าที่นี่คืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรห่วงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นในฐานะหมอสังเกตดูแลคริสให้ดีก็แล้วกันเขาสบักสบอมมากผมเกรงว่าเขาอาจไม่สบายขึ้นมากลางดึกก็ได้ ยาหูวังถ้าคริสไม่สบายฉันจะมาปลุกคุณเบลบอกหน้าตาเฉยปลุกผมเพื่ออะไรกันผมจะช่วยอะไรเข้าได้แม่ผมแดงยิ้ ม, มนิดหนึ่งปลายหางตาดูเข้าชั่วแวบแต่ก็ไม่พูดอะไรอีกอมือที่สวมถุงหนังอังเปลวไฟในกองขนาดนั้นจันก็นำกระเลียงหัวหน้าบ้านที่ชื่อซอกาเลเข้ามาถึงรับพินพยักหน้าให้เขามานั่งใกล้ๆสอบซักสนทนาอยู่ครู่ใหญ่เบลนั่งฟังอยู่ด้วยแม้จะไม่รู้เรื่อง แต่ก็ไม่สอดแทรกอะไรขึ้นแล้วก็ยังไม่ยอมลุกไปจากที่นั้นครูใหญ่ต่อมาซอกระเลก็ลุกขึ้นเดินกลับไปหลันจึงเอ่ยถามขึ้นเขาว่าอะไรก็เหมือนกับที่เขาได้บอกกับพวกคุณไปแล้วนั่นแหละไม่เห็นหรือได้ข่าวเครื่องบินตกไม่รู้เรื่องขโขงช้างผีสิงหรือไอ้อัมมนุษย์พวกนั้นเต็มใจและยินดีต้อนรับก็เรียงอพลบอภยพที่เราเอามาด้วยเพราะเป็นเครือญาติพวกเดียวกันอยู่แล้วและฝากขอบคุณหญิง ฝากขอบคุณหญิงสาวสวยผิวขาวผมแดงที่พอมาถึงก็ออกตรวจเยี่ยมเย็ยนซักถามเพื่อช่วยรักษาชาวบ้านโดยเฉพาะเมียสาวของมันซ้ำยังช่วยบอกให้มันดีใจด้วยอีกว่ามีอายุ16ของมันกำลังเริ่มตั้งคันก็เท่านั้นเองคุณปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาได้ดีขึ้นมากที่สามารถทำให้พวกชาวป่าชาวดอยเลื่อมใสรักใครนิยมแทนที่จะรังเกียจ เบลแบะปากนิดหนึ่งเป่าควันบุหรีพ่พืชกระจายไปกับลมค่ำกลางป่าฉันเข็ดแล้วเพราะถูกคุณด่าเสียเจ็บและแสดงความไม่พอใจพวกเราจนออกหน้าตอนที่เราปฏิเสธคำขอร้องของกระเหรี่ยงซับบอนเรื่องเสือกินคนตัวนั้นความจริงฉันไม่ต้องการจะทำดีอะไรกับพวกนี้หรอกเพียงแต่รู้ว่าเราควรทำตัวให้เป็นที่ชื่นชมกับคุณบ้างเท่านั้น จึงจําเป็นต้องทําตัวให้เหมือนพวกมิชชันนารีทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่เรื่องกระพินตบเบาๆที่ตะโพกหนักแน่นภายในกางเกงเดินป่าของหลอนบเบลผมชอบที่คุณพูดเป็นคนตรงๆดีนี่แหละตรงไปตรงมาอย่างไม่ปิดบังอำพรางแม้แต่ความใจดำของตัวเองเดลหัวเราะเสียงใสแทนที่จะโกรธก็ฉันรู้นี่นะว่าคุณชอบพูดตรงๆแบบนี้จะให้ฉันบอกกับคุณงั้นหรือว่า ด้วยความเมตตาปราณีทำให้ฉันแสดงความเอื้ออาลีกับคนดอยเหล่านี้ความเอื้ออาลีเพื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อันหมายถึงมนุษยธรรมจงหมั่นประกอบไว้เถิดมันไม่ไปไหนเสียหรอกมันเป็นบารมีที่จะส่งผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอูถากับพาโตยอมมาเป็นลูกหาให้พวกคุณโดยไม่ประสงค์ค่า จ, จ้างรู้เราต้องขอร้องไหวหวานอะไรเลยเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะคุณช่วยชีวิตเสอเอิงเพื่อนของเขาไว้ตลอดจนรับเป็นภาระช่วยเหลือนำพวกเขามาถึงที่นี่หรอกล่อเสียงตาพรานเท่าบุญคำหาวอดและโรงขึ้นลอยๆว่าเฮ้ยฟุตฟิตฟอไฟตกกระไดาขาหักนอนดีกาโว้ยพวกเราว่าแลละแกก็เอนกายลงนอนหนุนย่ามทำเสียงกลนครอกรเบลฟังไม่ถนัดนักถามระพินเบาเว่าแต่แกสัดนลูกน้องคุณคนนี้ของคุณเขาว่ายังไงนะ การำคาบที่คุณพูดภาษาของคุณกับผมทั้งๆ ท, ที่คุณก็พูดไทยได้และก็แกล้งทําเป็นนอนแสดงอาการว่าไล่เราแล้ ว, ลวไม่ใช่ไล่เฉพาะคุณเท่านั้นแต่ไล่ผมด้วยไปผมจะไปส่งคุณที่กระโจมพักและผมก็จะนอนเหมือนกันระพินรุกขึ้นยืนฉุดแขนเบลให้ยืนขึ้นเดินพอเดินผ่านร่างของบุญคําผู้นอนคู้งตะแขงเอพระขาม้าคุมหัวอยู่ก็เวียงลูกแปะเบาๆไปที่ก้นกระดังป้าบสมุนขวาของเขาจะดุ้งโยงร้อ ง, องวกัก พรานใหญ่ไม่สนใจอะไรอีกประคองแขนเบลเดินผ่านไปเฉยๆเสียงบุญคำร้องไล่หลังมาคราวนี้เป็นภาษากะเหลียงว่าระวังเนอร์นายเราอย่าให้ซ้ำสองและจะว่าไอคำไม่เตือนครั้งที่แล้วตกเหวอีทีนี้ตกเขาแง่แงจอมมคุเทศอาหูทวนลมเสียเบลก็ไม่สนใจเพียงแต่เลียวไปดูตาเท่าจอมสับ ป, ปะโดกยิ้มยิ้มแล้วเดินเคียงคู่ไปกับเขาบอกให้ฉันรู้ได้บ้างไม่ว่าคืนนี้คุณนอนอยู่ตรงไหน หล่อนชวนคุยมากกว่าเจตนาจะถามเป็นทางการก็คงตายต้ตนไม้ที่นอนเดิมของผมก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาทานอาหารกับพวกคุณนั่นแหละจอมพรานชี้มือบอกในเวลากลางคืนมืดสนิทและคอนจะไปทางดึกแล้วเช่นนี้ดูมันมืดสลัวน่ากลัวนั่นเป็นเขตนอกกองไฟที่เราก่อไว้ไม่ใช่หรือมันไม่มีข้อจำกัดสำหรับผมหรอกว่าจะต้องนอนในเขตหรือนอกเขตกองไฟในการพักแรมทุกครั้งไม่ว่าที่ไหน ถ้าผมเลือกนอนที่ใดก็แปลว่าผมจะเลือกจุดชัยภูมิที่สามารถจะเตืนขึ้นมาป้องภัยให้แก่ฝ่ายนายจ้างของผมอย่างสะดวกและทันการเสมอเราร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วทําไมคุณถึงไม่เข้าไปนอนในกลุ่มของพวกเราเสียทีไม่มีพวกเราคนใดลังเกยียจคุณหรอกอาจารย์สั่งให้ฉันมาบอกคานี้แก่คุณไม่ใช่ฉันพูดเองหรอก ถ้าพรานนำทางอันเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยของทุกคนขืนเข้าไปนอนในกระโจมหรือพายใต้หลังคาเพิงเดียวกับนายจ้างเสร็แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกขาปลาใครจะช่วยแก้ไขให้เขาทันระหว่างพวกลูกหาหรือพรานลูกมือของคุณกับสวัสดิภาพของพวกฉันคุณห่วงพะวงฝ่ายใดมากกว่าคุณเป็นคนพูดตรงผมก็ขอพูดตรงบ้างผมห่วงเท่าๆกันนั่นแหละเพราะทุกชีวิตล้วนมีค่าทั้งนั้น แต่ถ้าอันตรายมาถึงจริงๆผมก็ต้องเลือกช่วยเหลือปกป้องฝ่ายในจ้างของผมไว้ก่อนเพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอ ก, กว่าคนเหล่านั้นพวกนั้นเอาตัวรอดได้แต่พวกคุณคล่องตัวน้อยกว่าเขาเหล่านั้นรู้ไหมเมื่อกี้นี้ทําไมฉันถึงตามไปที่คุณนั่งคุยกับพวกนั้นด้วยเขาสั่นศีษะเบลจึงบอกต่อมาว่าไม่ใช่เสือกแสรหรือสอดหรอกแต่อาจารย์เป็นคนบอกฉันเองให้มาชวนคุณเข้าไปนอนในกระโจมพักของเราด้วย เพื่ออะไรกันรพินขมวดคิ้วอย่างสงสัยและหัวเราะเบาๆเขาบอกฉันว่าเขาสังเกตเห็นคุณผูเผยมากเกรงว่าจะเกิดไม่สบายขึ้นในตอนดึกถ้าคุณไปนอนที่อื่นห่างไกลออกไปก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้านอนอยู่รวมกลุ่มกันก็จะได้รู้ช่วยเหลือกันได้ทันทีตอนนี้อาจารย์ก็คงยังไม่หลับหลอกรอคุณอยู่ไอซีลรพินพยักหน้าช้าๆเรียนอาจารย์เลือหัวหน้าของคุณเธอว่า สุขภาพของผมยังดีพร้อมอยู่เสมอสําหรับคืนนี้คงไม่เป็นไรหรอกและฝากขอบคุณในความหวังดีด้วยแต่อย่าพิ่งก่อนเลยการนอนรวมกลุ่มกันนะ่ะมันต้องมีขึ้นแน่ไม่ช้าก็เร็วภายหลังเมื่อเราเข้าเ ข, าเขตนรกดําแล้วและไม่เฉพาะผมเท่านั้นถึงพรานของผมทุกคนตลอดจนพวกลูกหาบก็จะต้องเข้ามานอนรวมหมู่ด้วยกันทั้งหมดชนิดแยกไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ถึงเวลานั้นและเขาก็ชี้ไปยังกระจมุมพักซึ่งบัดนี้เอาภาพไปถึงลงหมดทุกด้านแล้ว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 กระโจมผ้าใบาแบบปิกนิกกันในป่าชนิดนั้นข้าหมดโอกาสที่จะใช้แล้วถ้าต้องการเดินทางเร็วและมีความคล่องตัวสูงพระเจ้านี่เอากันซึงขนาดนั้นเชียวหรืออิสเบลล์ร้อเอามายังตกใจระพินก้มศีรษะลงเมื่อพวกคุณพร้อมที่จะเดินบุกบานภายใต้การนำทางของผมไปโดยไม่รู้อนาคตคุณก็ต้องพร้อมแล้วที่จะทาอย่างที่พวกผมเคยทากันมาแล้วความสะดวกสบายใดๆ ต่อไปนี้เห็นจ้าหายากแล้วพวกคุณจะได้เปรียบพวกลูกหาบอยู่บ้างก็ตรงที่ไม่ต้องมาแบกหามของเองและมีคนคอยรับใช้ช่วยเหลือในระหว่างวางแคมป์เท่านั้นตายละนี่คุณยังไม่ได้บอกให้พวกเรารู้กันล่วงหน้าเลยในเรื่องนี้เพิ่งจะมาบอกออกกับฉันเดียวนี่เองถึงไม่บอกแคคืนนี้พรุ่งนี้ทุกคนฝ่ายคุณก็จะทราบเองของอะไรก็ตามที่จาเป็นน้อยจะถูกตัดทอนลงไปอีกยารักษาโรคลูกปืน วัตถุระเบิดและเครื่องใช้ในทางเทคนิคในการกู้ระเบิดของคุณในกรณีถ้าพบเท่านั้นที่เราจะจําเป็นจะต้องขนไปพวกคุณต้องยอมเสียสละความสบายส่วนตัวลงอีกนิดตัวอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเท่าที่เราผ่านมาแล้วนั้นเพียงแค่ชายดงเท่านั้นต่อไปนี้เรากําลังจะเข้าดงลึกที่มนุษย์เข้าไปแล้วยากนักที่จะผ่านกลับออกมาได้แค่เป้หลังและปืนติดตัวคุณแต่ละคนต่อไปนี้พวกคุณจะรู้สึกเองว่า มันหนักเรากับพภูเขามาทวงอยู่ทีเดียวภูมิประเทศข้างหน้ามันจะชี้ให้พวกคุณเห็นเองว่าบางคณะจะต้องเดินในเวลากลางวันพักกลางคืนและบางช่วงบางตอนเราก็จะต้องพักในเวลากลางวันและใช้เวลากลางคืนในเป็นการเดินทางนี่พูดถึงเฉพาะภูมิประเทศที่ผ่านเท่านั้นถ้ายังไม่พูดถึงอันตรายบสิ่งจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งยังเดาไม่ถูกอาหารสําเร็จรูปแบบที่ใช้กับมนุษย์อวกาศที่คุณเตรียมมาด้วยนั้นมีโอกาสได้ใช้แน่ ภายหลังจากเรชันฝ่ายคุณหมดและฝ่ายผมยังหาสัตว์อะไรมาทดแทนไม่ได้น้ําก็เหมือนกันถ้าคุณมีตัวยาเคมีอะไรที่จะทําให้พวกเราหายหิวน้ําได้ก็ให้เตรียมไว้เถอะเพราะมันไม่แน่ว่าบางทีสาวมันเต็มเต็มอาจหาแหล่งน้ําไม่ได้เลยระพินคุณพูดจริงๆหรือนี่ผมจะโกหกหลอกลวงคุณเพื่ออะไรกันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมได้บอกกับพวกคุณไปก่อนหน้าที่จะออกเดินทางมาหลอกหรือมันเพียงแต่แค่ว่า พวกคุณไม่เชื่อเท่านั้นคราวนี้เป็นได้พบแน่ละของจริงแม้จะอิงนิยายนิดๆประโยคหลังเขาพูดยิ้มๆเบลหยุดนิ่งจ้องหน้าเขาเนียเงาสรัวเช่นนั้นอยู่นานทีเดียวรพินยกมือทั้งสองขึ้นจับต้นแขนของหล่อนไว้บีบหนักหน่วงถามต่อมาเบาๆวะ่ะคุณชักไม่แน่ใจเสียแล้วใช่ไหมสำหรับอนาคตรพินถ้าคุณไม่ทิ้งพวกเราเสียอย่างเดียว เราไม่กลัวอะไรหรอกแน่นอนเปรติยศของผมที่ถ้าพอจะมีอยู่บ้างก็คือเรื่องไม่ทอดทิ้งนายจ้างนี่แหละแต่จะขอสั่งอะไรไว้หน่อยได้ไะผมบอกเฉพาะคุณคืนนี้และคุณก็เอาไปบอกพวกคุณเสียด้วยว่าผมสั่งว่าอย่างไรหลอนพยักหน้าคุณจะสั่งอะไรสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ก็คือความไม่แน่นอนพวกคุณพิจารณาเห็นแล้วผมเป็นพานนาทางที่มีความสามารถ และผมก็ยอมรับว่าคุณเลือกได้ถูกต้องแล้วตัวผมเองอาจชนะภัยต่อสูอ้อันตรายสำเร็จได้แล้ว99ครั้งเท่าว่าครั้งที่ร้อยผมอาจเป็นฝ่า ย, ายพ่ายแพ้ก็ได้โปรดอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ฟังให้ดีนะเบลถ้าผมพลาดเสียชีวิตลงระหว่างทางจะด้วยอุบัติเหตุภัยอันตรายหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆก็ตามเพื่อเห็นแก่ชีวิตของคุณเองทั้งหมดขอให้เดินทางกลับทันที อย่าพยายามรุดหน้าต่อไปบุคคลที่ลองจากผมโดยรับหน้าที่นำพวกคุณกลับจะไล่าอาโวุโสกันลงไปเป็นลำดับคือบุญคำจัน์เกิดและเสยคนใดคนหนึ่งสุดแต่ว่าใครจะยังเหลือชีวิตรอดอยู่แม่ผมแดงกายสันเทาไม่ได้ยินเขาพูดเช่มช้าและชัดเจนจริงจังเช่นนั้นขณะนั้นทั้งสองยืนประจันหน้ากันอยู่ทางจากบริเวณกระโจมพักของไฟในายจ้างลาวสิบห้าถึงสิบหเก้า บุรุษผู้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภัยเถื่อนเสียกว่าครึ่งค้อของชีวิตยกเว้นระยะเวลาระหว่างการศึกษาแตะต้นแขนหลอนยังสุภาพและใช้แรงผลักเบาๆเพื่อให้หลอนเบนกลับไปยังแคมป์ผมส่งคุณแค่นี้แหละพรุ่งนี้เรามาร่วมทุกยากในการเดินทางกันใหม่ราตรีสวัสดิ์แม้จะหันกลับไปแล้วเบลก็ยังยืนนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวพอเขาขยับจะเดินผ่าไปเสียงเบาๆของหลอนก็แว่วมาว่าพูดทิ้งปัญหาไว้ให้ฉันคิด ชนิดที่คงจะนอนไม่หลับไปทั้งคืนแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์งั้นหรือคุณสุภาพบุรุษไพรทําไมคุณหวั่นไหวอะไรมากนักหรือก่อนนี้ทุกครั้งที่ชั้นหรือพวกเราได้ยินคุณพูดอะไรที่ไม่สบายหูนะเราก็คิดว่าเป็นคําพูดที่คุณแกล้งคมคูพวกเราตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วสิ่งที่คุณพูดมันยังน้อยเสกว่าสิ่งที่เราพบด้วยตัวเองเะอีกเฉพาะที่แล้วมา ฉันยอมรับว่าฉันฟังคุณแล้วฉันวันไหวพรั่นพรึงมากฉันมีสิทธิที่จะกลัวไม่ใช่หรือถ้าไม่กรกเกินปฏิเสธความจริงกันถ้างั้นผมก็เสียใจที่บอกความจริงอะไรแก่คุณไปที่บอกก็ต้องการจะให้เตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าให้พร้อมถ้าผมรู้ว่าผมจะทําความไม่สบายใจให้แก่คุณผมก็จะไม่พูดเลยเห็นคุณเป็นคนเปิดเผยดีผมก็เลยพูดกับคุณตรงตรง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 เสียงของหล่อนมีแววพอคุณมีอะไรจะพูดกับผมมากกว่านี้หรือขอเวลาสักสี่ห้านาทีได้ไหมรับรองว่าไม่นานกว่านั้นตกลงหล่อนกล้าออกเดินช้าๆเขาตามไปเบื้องหลังพอเข้าเงาไม้ก่อนจะถึงกระโจมพักก็หยุดหย่อนกายลงนั่งลงบนแค่ไม้เล็กๆที่กะเรียงหล่มช้างทำไว้ตรงโคนต้นเพื่อสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนกันเพราะบริเวณนี้ถือเป็นบริเวณกลางลานของหมู่บ้านทั้งหมด อาการนั่งของหล่อนเท่ากับเป็นการบังคับกึ่งขอร้องไกล่กลายให้เขาต้องนั่งลงด้วยขณะนั้นอากาศเยือกเย็นเบลลูดซิปแจ็คเก็ตหนังชะชะชามัวของหล่อนที่แบะออกอกไวขึ้นไปจนถึงซวงอกห่อกายลงในความรู้สึกของคุณสำหรับป่าลึกที่คุณเรียกว่านรกดำที่เราจะบุกบันเข้าไปคุณคิดว่าวิทยุของเราที่จะติดต่อกับผอบังคับการลอยเพื่อขอความช่วยเหลือก็ดี เพื่อส่งกำลังบำรุงยามเมื่อจําเป็นก็ดีจะใช้กายไม่ได้อีกแล้วหรือในเงามืดแม้จะอยู่กันใกล้ๆพอพูดกันเบาๆแบ บ, แ บ, บกระซิบได้ยินแต่ไม่อาจมองเห็นอะไรของกันและกันได้ถนัดเบลผมเองก็ภาวนาขอให้วิทยุพิเศษของคุณสามารถติดต่อกับผอบงับงคับการลอยได้ตลอดเวลาหรือแม้ได้เฉพาะบางขณะอย่าเมื่อเราเข้าตาจนจ ร, จ ร, จ ร, จ ร, จริงๆก็ยังดีแต่ผมกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้เลย ไม่ต้องอะไรมากเพียงเรามาหยุดอยู่แค่ชายดงนี่เท่านั้นพวกคุณข้างบนก็แจ้งลงมาว่าหาพิกัดของเราไม่ถูกใช่แล้วนั่นแสดงว่าถึงจะติดต่อกันได้เขาก็ไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนของเราว่าอยู่ที่ไหนผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นการเดินนำทางของผมก็นำออกเดินทางมาจากเส้นชี้บอกของผมที่ฝ่ายคุณนั่นแหละ ชีดและหัวหน้าคณะของคุณก็ตรวจสอบเส้นทางมาโดยตลอดเห็นอยู่แล้วว่าผมไม่ได้นำผิดเส้นทางตามแผนที่ของฝ่ายคุณเองเลยแต่แล้วทำไมแผนที่ก็ปี้เดียวกันฝ่ายหนึ่งอยู่เนื้อหัวของเราส่วนเราก็เดินอยู่ด้านล่างฝ่ายข้างบนกลับเป็นฝ่ายหาตำแหน่งของเราไม่พบเบลถอนใจยาวอย่างอัดอั้นใจฉันก็งงอยู่เหมือนกันในข้อนี้ แต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่การอ่านแผนที่ในการติดต่อทางวิทยุเป็นเรื่องของคิดกับอาจารย์เพียงสองคนเท่านั้นเพราะฉันกับไรล่าอ้อขอโทษฉันหมายถึงคริสติน่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยและสองคนนั้นว่ายังไงบ้างละ่ะเขาก็งงอยู่เหมือนกันแต่ก็ยืนยันว่าทางคุณนำมาถูกต้องกับแผนที่แล้วไม่ได้คลายเคลื่อนออกนอกเส้นทางเลยอาจารย์ให้ความเห็นว่าบางทีแผนที่ทางอากาศที่ทาไ้นั้นอาจไม่ละเอียดพอก็ได้ ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางเขาอาจต้องหารือกับคุณอีกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่รับรองนะถ้าหากว่าแผนที่ของฝ่ายคุณคลาดเคลื่อนเองแต่รับรองได้อย่างเดียวว่าแผนที่ชี้ไปทางไหนผมก็จะนําพวกคุณบ่ายหน้าไปทางด้านนั้นแหละการอ่านแผนที่และกําหนดเวลาทางเดินผมขอเว้นให้เป็นเรื่องของเคอร์เนลเคอร์เนลคิดกับด็ตอร์แสแอนลี ผิดพลาดอย่างใดจะมาโทษผมไม่ได้คืนนี้คุณสุภาพอ่อนโยนก็จริงจะดูเคร่งครึมเป็นงานเป็นการเลือกเกินเรากำลังพูดกันถึงเรื่องงานสำคัญไม่ใช่หรือครบเวลาสี่ถึงห้านาทีที่ฉันขออนุญาตคุณไว้แล้วหรือยังอย่าไปสนใจเลยเอาว่าคุณอยากจะคุยกับผมนานสักเท่าไหร่ก็ตามสบายก็แล้วกันจนกว่าคุณจะง่วงแล้วก็กลับเข้าไปนอนเองดีไหม คุณทำให้ฉันยำเกรงและเกรงใจคุณเหลือเกินเอาละ่ะฉันควรจะไปนอนได้แล้วจะไม่ทำตัวให้คุณต้องลําบากใจอะไรเลยในทุกด้านตามที่สัญญาไว้และพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทุกอย่างสุดแต่คุณต้องการกาวจบหลอนลุกขึ้นยืนบอกบราตรีสวัสดิ์เป็นภาษาของหลอนแล้วก็เดินตรงไปที่กระโจมแหวกม่านรับหายเข้าไปอย่างง่ายๆตามนิสัยระพินยังยืนอยู่ที่เดิม มองดูหลอนจนลับตาแล้วหันกลับไปทางก้อนหินสูงโฉลูดตั้งลำตรงอยู่ไม่ห่างจากล่มไม้ต้นนั้นแค่สองสามวาลักษณะเหมือนสิวลึงพูดโพรอยู่ยังบริเวณกลางลานโล่งของบริเวณนั้นแล้วก็พูดเบาๆเรียบๆออกมาเถอะคีดอย่าไปมัวแอบซุ่มอยู่หลังหินก้อนนั้นอยู่เลยผมเห็นคุณแล้วเงียบ ไม่มีเสียงใดๆตอบมาเลยจากก้อนหินก้อนนั้นประพินหัวเราะเบาๆกล่าวต่อไปในเงามืดนั้นว่านี่กะว่าจะมาวางมวยกับผมอีกเหรอถ้าผมมีอะไรกับผู้หญิงของคุณเมื่อนั้นจึงมีเสียงการเคลื่อนไหวเบาๆแล้วร่างอันสูงใหญ่ของนายคลิก๊กนายคลิกก็โผล่ออกมาจากหลังก้อนหินนั้นโดยดีเดินตรงมาที่เขาสาบานให้ตายหาผมไม่ได้มีเจตนาจะมาแอบดูอะไรคุณเลย นายนั่นพูดอ่อยๆในภาษาของตนแต่ความหมายแปลอมาได้เช่นนี้มันปวดท้องเยี่ยวก็เลยลุกขึ้นมาหาที่ปล่อยตรงหลังก้อนหินนั่นก็พอดีคุณกับเบลมาหยุดพูดกันอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นคีดบุ้ยปากไปทางหน้ากระโจมที่เบลรับหายเข้าไปไม่ใช่ของผมหรอกของใครก็ได้สุดแต่หล่อนจะต้องการถ้าผมจะต่อยปากคุณสักฉาดตอนนี้ผมก็มีเหตุผลนะในการที่คุณดูหมิ่นเยียดยามสุภาพสตรีคนหนึ่ง และสุภาพสตรีคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแนท้ที่จริงก็คือเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของคุณนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าบ้านะรพินผมไม่ได้ดูมินเหยียดยามอะไรหลอนหรอกแต่พูดจริงเกินไปหน่อยเบลเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากในด้านฟรีเซ็กซ์แต่ต้องหมายถึงว่าหลอนต้องการด้วยแล้วคุณมาพูดเรื่องนี้กับผมทําไมแปลกใจนะสิแปลกใจเรื่องอะไรผู้หญิงให้ท่าขนาดนั้นแล้วทาไมคุณถึง ก่อนคิดพูดจบประโยชนเขาก็สวนออกไปเสียก่อนว่าถ้าคุณไม่เข้าใจมาก่อนก็ขอให้เข้าใจเสี้ยเดี๋ยวนี้เถิดคิดผมไม่รู้สึกเดือดร้อนจำเป็นนักหรอกในเรื่องนี้พูดกันตามตรงแบบลูกผู้ชายเลยไม่ต้องเกรงใจผมเลยบ๊อบไม่ขัดข้องนะเรื่องนี้ตามสบายไม่ว่าเบลหรือคริสขอบคุณแต่ไม่หรอกสำหรับผมคุณเป็นอะไรไปวะผมก็เป็นผมลนะ่ะสิจะเป็นหาที่ไหนไปได้ยังไง ผมหมายถึงว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าทั้งดุนเลยและก็ดุนใหญ่เสียด้วยใช้งานได้ดีแน่นอนเพียงแต่จะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นอ้าวแล้วผู้หญิงของฝ่ายผมไม่ช่วยอะไรคุณได้บ้างเลยหรือรันไม่สวยไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจคุณบ้างเลยไม่มีส่วนใดที่จะปลุกอารมณ์จอมพรานหัวเราะต่ำๆในลำคอมากเกินพอเสียด้ยซ้าถ้าจะพิจารณากันถึงเฉพาะด้านวัตถุแห่งความใคร่ และโดยใจจริงผมก็ปรารถนาบางขณะร่างกายก็เรียกร้องแทบระเบิดนอนหลับบางครั้งยังฝันเปียกแต่อะไรไม่มีคําอธิบายเพราะไม่ต้องการอธิบายวะ่ะกลับเข้าไปนอนเถิดป้ายเพื่อนยากผมเองก็จะนอนเหมือนกันหรือว่าไม่อยากจะนอนในกระโจมจะมานอนตากน้ําค้างกับผมก็มาคิดเอามือเกาหูแกรกพยายามจ้องเข้าในเงาสุรัวแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากร่างสันทัศน์เกรงแกร่งที่ยืนนิ่งอยู่นั้น คุณเห็นได้ยังไงวะผมแอบอยู่ที่ก้อนหินนั้นแล้วหมอนั้นก็ถามตรงๆท้าไม่เห็นก็ไม่ใช่พวกที่คุณจ้างมาให้ทําหน้าที่นําทางและพรานคุ้มกันสิเพราะเห็นผมหรือเปล่าเลยปล่อยเบลหลุดมือไปคืนนี้ความจริงผมไม่ได้ตั้งใจเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นผมเสียดายเสียใจตายหาเลยอย่าเสียใจไปเลยสันดารผมไม่หงีเหมือนคุณหรือเชิดมุดหรอก มันอาจทารุนเหมือนกันที่ความรู้สึกเกิดขึ้นแต่จิตใจที่จะบังคับควบคุมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากคุณไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ผมปล่อยเบลไปทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสดีเลิศอย่างคุณคิดหรอกแต่ผมปล่อยล่อนไปเองผมไม่เข้าใจคุณเลยก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรเพราะมันไม่สำคัญแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรบกพร่องในด้านนี้ปรพินชุนกึกวางลายเฟื่อที่ถืออยู่ลงกับแคร่ไม้รอบโคนต้นไม้ทับแขนเสื้อขึ้น คิดเห็นค่าแบบนั้นก็เพ็นพรวดร อ, อกไปยืนค่ะร้องและลั่มระละออกมาเฮ้ย <Hey, S 1> บ้าน่ะนั่นจะทําอะไรให้โอกาสเพียงแค่นับหนึ่งถึงสามถ้ า, ถาเองยังไม่ไปให้พ้นหน้าฆ่าเดี๋ยวนี้กาจะเตะช้างให้ล้มอีกสักครั้งเอาละหนึ่งทันเอกลาลีคิดสบดลั่นโกยอ้าวมุดกลับเข้าไปในกระโจมพักโดยดีปรานใหญ่โครงจีสระช้าและถอนใจเฮือกเอาหลังมือขยี่ปลายจมูกแหงแหงคว้าไลายเฟล่อนได้ก็เดินตรงไปยังที่นอนของตนทันที เอนกายลงเสียพ่อห่มดำปู้ปี๋บางๆคลุมด้านปลายเท้าไว้แล้วคว้ากระสอบป่านใกลๆ้ๆขึ้นมาวางทับอกไว้ป้องกันความหนาวยกมือขึ้นกายหน้าผาหลับตาลงไม่มีใครเห็นสภาพแท้จริงของชายผู้น่าสงสารผู้นี้หรอกว่าเขากินอยู่หลับนอนและต้องใช้ชีวิตเสี่ยงภัยมินเมตต่ออันตรายตลอดจนประสบกับความบอบช้ำยุ่งยากลำบากใจสักเพียงไหน แต่เขาก็ไม่เคยสำนึกถึงสภาพของตนเองรือคิดสงสารตัวเองเลยอย่างคนปรงตกชีวิตนี้ยากแค้นระทมทุกข์นักบางทีถ้าตายใจไดก็คงหมดทุกข์บอกกับตนเองเช่นนั้นแต่แล้วก็มีเสียงตอบความคิดของเขามาชนิดชัดเจนแจ่มใสที่สุดเบาๆวะยังยังไม่ตายง่ายๆนักหลอกผู้กองกรรมเก่าของผู้กองยังไม่หมดเขาเรียกอะไรนะอ้อวิบากกรรมยังไงล่ะ รู้สึกจะชินชินแล้วกับอนุสติหรือจิตใต้สำนึกของตนเองประเภทนี้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะค่อยๆพเพื่อเปลือกตาขึ้นในลักษณะหลีเพื่อจะดูที่มาของเสียงที่ประสาทสัมผัสบอกว่าน่าจะดังอยู่ใกล้ๆตัวแค่นี้เองเปล่านอกจากความมืดจัวรอบกายและความวิเวกวังเวงเปล่าเปลี่ยวรอบด้านแล้วเขามองไม่เห็นอะไรไม่เอาน่าอย่ามาทลูกไม้หลีตาดูแบบนั้น รับรองว่าผู้กองหลอกผมไม่สําเร็จหรอกนึกว่าผมไม่รู้งั้นหรือกระแสะเสียงกังวานทุ้มไพระเจือไปด้วยแววซับพยอกนั้นแววมาอีกจับทิดไม่ได้ว่ามาจากด้านซ้ายหรือขวาหรือว่าเหนือศีรษะของเขาแต่ก็ไม่อยากจะค้นหาที่มาอีกแล้วปากก็พึมพาออกไปว่ามาให้ฉันเห็นตัวแกนในขณะที่ฉันยังลืมตาอยู่นี่หน่อยไม่ได้หรือแงซายไม่ได้หรอกผู้กองก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนขี้อาย แล้วนี่แกจะพูดกับฉันโดยเสียงเท่านั้นเองหรือผู้กองอยากเห็นผมหรือใช่อยากเห็นแกหลับตาลง ส, สิปิดเปลือกตาให้สนิทไม่ต้องถึงกับนอนหลับไปหรอกแต่บอกก่อนนะห้ามลืมตาหรือทำเป็นค่อยๆหลีตาดูเป็นอันขาดไม่อย่างั้นผู้กองมองไม่เห็นผมหรอกเอาตกลงเอาปิดเปลือกตาสนิทลงตามเดิมพิโทโห่างไกลที่ไหน เจ้าอดีตคนใช้ชาวดงคู่ปรับเท่าๆกับมิตรร่วมตายในอดีตนั่งยิ้มพรายอยู่ใกล้ๆตัวเขาระหว่างที่ยังนอนอยู่นั่นเองในคราบเดิมของแง่ทรายจอมพเนจรเป็นไงเห็นผมแล้วยังร่างนั้นนั่งอยู่บนตอไม้ถามมาปนยิ้มเออเห็นละกระรุ่งกระริ่งเหมือนเดิมนี่แกไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเดิมของแกซิบ้างหรือยังไงกระบาลคาดผ้าแดงเสื้อดํา กางเกงครึ่งแข้งดำปืนคานเรเวียง 44-40 รุ่นเจสสีเจมส์แง่ า, ายจะเป็นแง่ า, ายได้ก็ต้องอยู่ชุดนี้แหละจะให้ผมเปลี่ยนเครื่องทรงยังไงใส่สูทผูกเน็กไทยลุดดอกทักซิโด้เสียเลยงั้นกระมังนี่ฉันวิเคราะห์ไม่ถูกเลยนะวะไอที่ฉันเห็นแกมาบ่อยๆในเวลาอยู่คนเดียวใกล้จะหลับขณะหลับหรือขณะไม่สบายนั่นนะ่ะ ฉันสร้างภาพของแกขึ้นมาเองจากจิตใต้สำนึกของฉันหรืออะไรกันแน่ยิ้มนั้นกว้างออกไปอีกในชีวิตของรพินไพยวันที่ท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างกลายยอมรับกับตนเองว่ายังไม่เคยเห็นบุรุษเพศ ช, ชาติใดเผ่าพันใดสวยสง่าคมคายทั้งสรีระและอากับกิริยาท่าทีเท่ากับเจ้าคนใช้ชาวดงผู้นี้ผู้อยากจะเรียกว่าสวยมากกว่าใช้คาว่าหล่อ เพราะเจ้านี่มันสวยจริงๆเทพบระรกรีกที่ปั้นไว้บางองค์ยังดูแล้วไม่ประทับใจเท่าการพยายามที่จะวิเคราะห์อะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของคนบ้าหรือมิฉะนั้นก็เป็นต้นเหตุทำให้บ้าเพราะฉะนั้นยุติการวิเคราะห์ของผู้กองลงเสียดีกว่าอืมก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้ฉนันไม่ค้นหาที่มาของแกอีกแล้วแต่อยากจะถามว่าแกมาทาไมนี่เห็นผู้กองยังไม่หลับหรือหลับยังไม่ลง ก็เลยมาเป็นเพื่อนคุยด้วยยังไงล่ะเป็นเพื่อนคุยหรือเพื่อนย่โทระก็แงาสายายักไหลสุดและแต่จะคิดปกติวิสัยของผู้กองก็เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้พะโลอยู่แล้วยิ่งมายุคนี้ยิ่งหนักขึ้นเหมือนนกพูงแก่ๆที่อารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลายังไงล่ะเห็นไหมเริ่มยั่วเริ่มกวนอารมณ์อีกลวแงซายยกมือขึ้นบกบอกมาโดยเร็วว่า โอเคโอเคไม่พูดอะไรให้ปวนบาทาอีกแล้วเพราะชมหน่อยผู้กองรักษาสัจจะได้ดีมากนะคืนนี้ไม่ว่าคืนนี้หรือคืนไหนฉันก็จะพยายามรักษาสัจจะนี้ตลอดไปถ้าหากสติสัมปชัญญะยังเป็นของฉันอยู่ดีนายหญิงของผมจะได้ไม่เสียใจนายหญิงของแกเบาทวนคำอย่างคืนคืนบอกฉันหน่อยได้ไั้ยขณะนี้นายหญิงของแกทาอะไรอยู่ที่ไหน เจ้าชาวดงโฉมงามทําเป็นหลับตาลงเดี๋ยวขอเล็งทิพเนศดูเหตุการณ์ก่อนอ้ออเห็นแล้วนายหญิงอยู่ในชุดราตรีสีขาวล้วนกําลังเต้นรําอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่รู้เห็นหน้ายังไม่ชัดแฮะดูท่าทางเธอมีความสุขมากร่าเริงแจ่มใสสุขภาพดีไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกแล้วเจ้านั่นก็ลืมตายิงฟันขาวตามเดิมก็ ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องแล้วนี่เขาพูดแผ่วเหมือนรำพึงกับตนเองแง้สายแงน้นมองขึ้นไปบนยอดไม้ต้นที่เขานอนอยู่นกเขาตัวที่มันเคยร้องจู้ฮุกปรูบนยอดไม้นั่นป่านนี้คงจะหลับไปแล้วนะไม่ได้ยินเสียงของมันเลยตะวันตกนกมันก็หลับแกจะไปยุ่งอะไรกับมันอยากปลุกให้มันตื่นขึ้นมาร้องเพลงขับกล่อมผู้กองอีกน่ะสิ เลือให้มันละเมอร้องออกมาก็ยังดีอะไรนะจู่หุกครูเขาคูคร่ำครวนจูฮหูหุกครูเจ้าล้างนวลโศกส่วนซบเศราจุดเซตีเธอแงสายฉันขอร้องเจ้านักยัว่วชั้นเลิศไม่สนใจกับคำขอร้องของเขาป้องปาร้องเพลงแสนไพเราะระคนเศร้านั่นออกไปอีกประโยคหนึ่งขึ้นไปบนฟ้ามืดวา ฉันยังรักเธอหน้านี่แล้วก็ทำท่าป้องหูรอคอยเสียงร้องสะท้อนตอบข้อความมาเหมือนเมื่อตอนเย็นนี้แต่ปรากฏว่าเงียบสงบคราวนี้ไม่มีสำเนียงเสียงใดตอบมาเลยแง่ซ้ายแบะปากยักไหล่น no. no answer ไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์ฉันว่าฉันจะไม่ด่าแกแล้วนะแต่มันก็อดใช้พลุสวาด์ไม่ได้หาดง ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วผู้กองเสือกถามทำไมก็เห็นแล้วว่ามันดึกได้ยินเสียงอะไรมั่งไหมนอกจากเสียงกวนประสาทของผมนะ่ะจักจันจิ้งหลีเรไรเศร้าไหมแน่นอนเศร้าถามทำไมนอนเช้นนะผมจะร้องเพลงกล่อมดีฉันเป็นสาวขนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน ไเก่อนที่ฉันจะลุกขึ้นแล้วเตะแกเขาพูดช้าๆเน้นทีละคำแงาสายอมยิ้มยกมือเป็นพระห้ามญาติแล้วลดลงมากอดอกเปลี่ยนมาเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งระพินสดับเพียงท่อนแรกก็สะึกอึ้งเหมือนถูกสะกดยามดึกนึกเศร้าให้เหงาใจเสียงเรไรร้องริ่งริงยิ่งเตือนใจให้คิดโอ้ชีวิตเราช่างเหงามัวเมาละเมอเฝ้าเพ้อคิด ถึงชีวิตครั้งก่อนเก่าเมื่อเราแรกเริ่มรักแรกรักหวานนักน้ำคำําที่พร่ำรำพันชื่นใจกันมุ่งหมายมั่นรักพันมากลับมากลายดูสิดูอนาตหน้าอนาดใจคิดไม่วายรักกลับกลายรักคลายรักหายสดชื่นขมคืนหมดหวังเหมือนเมฆบังนภา ประพินพรยวันหลับไปแล้วอย่างซึมเศร้าเงียบเหงาสวง